เราส่วนใหญ่ยังไม่เคยมากันนะจ้ะวันนี้รู้สึกว่าหน้าใหม่หมดเลยน้องขยับขึ้นมาเลยครับพอเดี๋ยวจะได้ เ, เรียงตามลำดับนะวันนี้รถติดไหมติดมาก <c oughs> เลยพอทุกทีจะมากันเต็มแล้วนี่รู้สึกยัง น่าจะยังทยอยกันมาแต่ก็ขอเริ่มเลยกันแล้วกันนะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างที่คงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะการที่สวัสดีครับการที่เรามานั่งสมาธิในช่วงเริ่มต้นด้วยกันมันมีความแตกต่างจากตอนที่นั่งสมาธิอยู่กับบ้านคนเดียวเพราะว่า ลักษณะของใจเราที่มันแผ่ออกไปนะมันมีพลังเป็นหน่วยหนึ่งของคนที่กาลังพยายามทําสมาธิเพื่อที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ถ้าพลังหลายๆหน่วยมันมารวมกันก็จะเกิดกระแสของความสบายก ร, ากระแสของความโล่งกระแสความสว่างในแบบที่เป็นพุท ธ, ธ ในแบบที่เราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นความปล่อยวางความรู้สึกที่ปลอดโปรโง่งร่วมกันนะมันก็จะทำให้พวกเรากลายเป็นกัลยาณมิตรกันคืออยู่ในที่เดียวกันแล้วกระแสจิตเป็นไปนในทางเดียวกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นพวกเดียวกันไม่ได้เป็นอื่นจากกันนะ เป็นเป็นชาวพุทธร่วมกันไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าน้อยกว่าหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกันว่าใครเป็นเขาเป็นเรานมันมีแต่ความรู้สึกร่วมกันว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้แล้วท่านค้นพบแล้วแล้วก็เผยแผ่ให้เวียนนิยสัตทั้งหลายได้ พบทำอันเดียวกันลิมรสทำอันเดียวกันเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าสู่สมาธิแบบพุทธนะเรายังไม่เข้าถึงเรื่องของการนั่งสมาธิตรงๆเราเริ่มต้นกันจากการสำรวจความพร้อมของร่างกายก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนไว้นะแต่เป็นมาตรฐานเป็นเบสิกของการทำสมาธิที่รู้กันมานานนะว่า เราต้องเริ่มจากการทำให้ร่างกายเนี่ยมีอาการผ่อนพักมีอาการพร้อมที่จะรองรับสมาธิจิตไม่งั้นเนี่ยคนทั่วไปปกติเริ่มต้นก็จะเพ่งเอาเพ่งเอานะจะไปพยายามจับลมหายใจบ้างไปพยายามที่จะบริกรรมคําพุทธโธหรือว่าสัมมาอรหังยุบหนอพองหน่อบ้างนะซึ่งการรีบเร่งหรือว่าด่วนที่จะเข้าสู่สมาธิ พยายามบังคับให้จิตสงบแบบนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้จิตเกิดความคับแคบเพ่งคับแคบไม่ได้มีความปลอดโปร่งมากพอที่จะเป็นสมาธิได้จริงการที่จิตจะเป็นสมาธิได้จริงร่างกายต้องมีความพร้อมรองรับก่อนอันนี้จำไว้เป็นมาตรฐานเลยนะเป็นมาตรฐานไตยตัวที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าย้อนกลับไป ก่อนสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยพุทธกาลก็ดีมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้และอนาคตก็ตามนะถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยการเพ่งคับแคบเข้าไปที่ใดที่หนึ่งจิตจะบีบจิตจะมีอาการรัดแล้วด้วยอาการแบบนั้นของจิตนะจะไปทาให้ร่างกายเนี่ยพลอยเกิดความเคร่งเครียดเกิดความเกรงไปด้วยลองดูเรา ตั้งใจพยายามอะไรทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้มีความรู้สึกสบายไม่ได้มีความอิ่มใจเนี่ยไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะร่างกายมันจะเกร็งขึ้นมาทันทีไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนอาการเกร็งของร่างกายจําไม่เลยว่ามันจะป้องมันมันจะปิดบังไม่ให้จิตเห็นอะไรได้ด้วยความชัดเจนหรือว่าเที่ยงตรงนะการที่จิตไม่สามารถเห็นอะไรได้เที่ยงตรงได้ชัดเจน ด้วยความปลอดโปร่งเนี่ยนะยิ่งเพ่งไปจิตก็จะยิ่งคับแคบจิตจะยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานตรงเงินข้ามถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาจิตมีความพร้อมนะยอดยอด เ, ออเปิดครยังไม่ได้เปิดถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาร่างกายมีความผ่อนพักนะพร้อมให้จิต เ, เกิดความรู้สึกสบายมีความปลอดโปร่งที่จะเห็นนะตัวนี้มันจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ต้องอไปพยายามอะไรเลยเริ่มต้นนับหนึ่งกันดูที่ฝ่าเท้าสำรวจความพร้อมทางร่างกายก่อนดูที่ฝ่าเท้านะฝ่าเท้ามันมีอาการวางราบด้วยอาการผ่อนพักหรือว่าด้วยอาการงองุ้ม ด้วยอาการเกรง็งหรือว่าด้วยอาการผ่อนสบายถ้าหากว่าเรารู้สึกขึ้นมาว่าฝ่าเท้ามีความผ่อนพักสบายก็จะเกิดความรู้สึกเช่นกันว่าจิตใจเนี่ยผ่อนคลายตามไปด้วยพื้นจิตพื้นใจมันสะท้อนออกมาด้วยพื้นที่สุดของร่างกายคือฝ่าเท้านี่แหละฝ่าเท้าวางราบแบนสบาย จิตใจก็เกิดความปลอดโปร่งสบายตามไปด้วยไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือฝ่ามือของเราวางอยู่บนหน้าตักสบายสบายไหมหรือว่ามีอาการกรรมอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือมันมี การทํางานอยู่ไหมมันมีความรู้สึกเหมือนเกรง็งเกรงไม่ค่อยสบายไหมเนี่ยถ้าหากว่ารู้นะว่ามีความเกรงมีความไม่สบายเราก็ผ่อนพักซะทําให้มันสบายซะวางลงไปเฉยๆมันก็วางปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปนะด้วยอาการปล่อยลองสังเกตกระด้ามเนื้อมันไม่ทํางานมันไม่มีอาการรัดมันไม่มีอาการเกรง็งมือนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการปล่อยวางนะ ถ้าหากว่าวางราบแบนแล้วก็ไม่กำรรไม่เกรงความรู้สึกทางใจมันก็จะปล่อยวางเช่นกันเนี่ยเมื่อเรารู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือที่มันผ่อนพักก็จะเกิดความรู้สึกถึงความว่างว่างฝ่าเท้าว่างที่ฝ่ามือนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยก็มีส่วนบนสุดคือ ใบหน้าถ้าหากว่าใบหน้าไม่ขมวดคิ้วไม่มีอาการตึงแน่นที่ขมับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเลยที่มันมีกล้ามเนื้อทำงานอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกสบายเหมันกัยื่นหน้าออกไปมองฟ้ากว้างๆโลง่งๆด้วยความรู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือ และทั่วทั้งใบหน้าที่มันผ่อนคลายเนี่ยนะนอกจากจะมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะเรายังมีสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยไม่ใช่แค่รู้สึกดีอย่างเดียวนะมันรู้สึกถึงท่านั่งท่านั่งที่เป็น เ, เดี๋ยวจะเป็นตัวรองรับสมาธิจิตในขั้นต่อไป ถ้าหากว่าใครเกิดความรู้สึกผ่อนพักขึ้นมาแล้วนะแล้วกลับไปเกิดความรู้สึกปุ้งซ่านเกิดความรู้สึกเกรงก็ไล่ขึ้นมาใหม่เลยป่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านะไล่ไปไล่มาจนกว่าที่จะเกิดความรู้สึกจริงๆว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่มันผ่อนพักสบายในท่านั่งจากนั้นก็ให้สำรวจว่าร่างกายถึงเวลาต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ปกติเนี่ยคนจะไปเร่งบังคับเอาลมหายใจเข้ามาเพื่อเครือบๆนะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเพื่อที่จะให้เกิดความระงับอาการฟุ้งซ่านแต่ด้วยอาการทําแบบนั้นนี่แหละนะด้วยอาการอยากทั้งๆที่จังหวะของลมหายใจยังไม่ถึงเวลาแล้วเราไปเร่งมันเข้ามานะตรงนั้นนอกจากจะไม่ทําให้เกิดสมาธิไม่เกิดความนิ่งสงบแล้วมันยังเกิดความกระวนกระวายอึดอัด เป็นส่วนเกินเป็นของแถมท้ายมาอีกด้วยนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปเร่งลมหายใจแต่สังเกตดูว่าร่างกายเขาถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรื อ, อยังในความปลอดโปร่งของร่างกายเพียงเราสังเกตเหมือนถามตัวเองว่าถึงเวลาหายใจเข้าแล้วหรื อ, อยังร่างกายมันบอกเราได้ง่ายๆเลยเออถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะรู้สึกขาดลม รู้สึกหิวลมเราก็แค่ลากลมหายใจเข้ามาสบายสบายด้วยอาการที่มันไม่เร่งรีบมันไม่มีอาการที่จะไปแข่งกับใครที่ไหนเมื่อลมหายใจลากเข้ามาจนสุดเกิดความรู้สึกอึดอัดทางกายเราก็ระบายออกไปมันก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นมาอีกแบบหนึง่งเมื่อกี้หายใจเข้าสดชื่นตอนนี้หายใจออกรู้สึกว่าผ่อนคลายจากอาการอึดอัด ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องด้วยจังหวะเวลาที่ลมหายใจเข้าและออกอย่างถูกต้องร่างกายจะไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความกระสับกระสายใดๆเลยจิตก็ไม่มีความอยากใดๆเลยสะอาดสงบจากความเร่งรีบหรือว่าพยายามแข่งขันไม่ได้จะเอาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสังเกตรู้เมื่อลมหายใจออก รบายไปจนหมดอย่ารีบเร่งที่จะดึงลมหายใจเข้ามาทันทีแต่ให้สังเกตดูนะว่าลมหายใจเนี่ยมันหยุดพักชั่วคราวแล้วร่างกายก็ยังอยู่ได้มันไม่ได้ต้องเร่งลมหายใจเข้าเพื่อเครื่อๆทันทีชั่วขณะที่เกิดความนิ่งสั ง, งัดจากลมหายใจ มันเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมาสะอีกเกิดความรู้สึกดีร่างกายไม่ต้องขยับจิตใจไม่ไหวติงไม่มีอาการกระเพื่มเข้าไม่มีอาการกระเพื่อมออกมีแต่าอาการหยุดสงบอยู่ในอาการหยุดสงบอยู่นี้นะถ้าหากว่าเกิดความฟุ้งซ่านมันจะเห็นชัดเลยว่านี่ขณะ น, นี้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในหัวหรือเกิดความอึดอัดทับอกขึ้นมา เราก็เห็นเลยว่าเกิดความอึดอัดถ้าหากว่ามีความปลอดโปรง่งมีความเบาอยู่เรารู้เฉยๆว่านี่ขณะนี้เราปลอดโปรง่งเรามีความนิ่งทางกายเรามีความนิ่งทางใจไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าออกนะแต่ถ้าหากว่ามีความกระสับกระส่ายเราก็ย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยดูฝ่าเท้ามานะไล่ขึ้นมาฝ่ามือไล่ขึ้นมาที่ใบหน้า แล้วจากนั้นค่อยสังเกตดูใหม่เออมันมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาอีกพอาปลอดโปร่งแล้วค่อยสังเกตต่ออีกครั้งหนึง่งว่าถึงเวลาลมหายใจเข้าแล้วหรื อ, อยังถ้าปลอดโปร่งแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่นะจิตมันจะเกิดความจิตมันจะเข้าสู่โหมดรู้คือรู้อย่างเดียวสังเกตอย่างเดียวไม่ได้มีความอยากเลยนะไม่ได้มีความบังคับเลย แล้วในอาการที่จิตเห็นแต่ลมหายใจเดียเ <ๆ S 1> เด๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเนี่ยเหมือนลมพัดเข้าลมพัดออกอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะสังเกตต่อไปได้ด้วยว่าไออาการที่มันพัดเข้าพัดออกอยู่เนะี่ยมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้สั้นเท่ากันบางครั้งร่างกายต้องการความสดชื่นมากมันก็ลากเข้ายาวบางครั้งร่างกายรู้สึกว่าพอเพียงแล้วที่จะเอาลมหาย ใ, ใจเข้านะมันก็ เข้าตื้นๆ ต, ตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายเท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากความไม่เท่ากันของลมหายใจที่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นนี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์ทางรูปธรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเออมันไม่เท่าเดิม มันไม่เท่าเดิมจริงๆจากแต่แรกที่เห็นว่าเออมันพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเป็นคนละชุดกันตอนนี้มันเห็นอีกด้วยว่าความยาวกับความสั้นมันไม่เท่าเดิมอยู่แสดงอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็ยาวอาจจะยาวติดๆกันสักสองสามครั้งแต่ในเวลาต่อมาร่างกายมันก็ต้องการ ลมน้อยลงลช่วงไหนถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกว่าสามารถลากลมข้าวยาวได้ติดติดกันหลายๆครั้งก็เกิดความสดชื่นเกิดความสบายเกิดความสงบในแบบที่มีความสว่างมีความเห็นชัดว่านี่สายลมมันลากเข้ามาเราก็เป็นสายน้ำยาวๆนะ อย่างนั้นพอมีความรู้สึกสดชื่นมากเราก็เห็นว่าลมหายใจนี้มีความสดชื่นมากแต่ลมหายใจต่อมามันอาจจะสดชื่นน้อยลงหรือสดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นในแต่ละลมหายใจก็ไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อครู่นี้ลมหายใจอันเป็นฝ่ายรูปธรรม มันแสดงตัวอยู่ชัดเจนว่าไม่เท่ากันต่อมาเนี่ยนะพอความรู้สึกเบาความรู้สึกปลอดโปรง่งมันปรากฏชัดมากก็เกิดความสดชื่นมากใความสดชื่นมากตรงนี้มันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่แตกต่างจากลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนั่นเองพอมีความสดชื่นมากเนี่ยนะลมหายใจเข้า แล้วก็ออกยาวแล้วก็สั้นตามจังหวะธรรมชาติเนี่ยความรุ่งสั้นมันไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เราหายใจสั้นลงสั้นลงความสุขมันลดลงความพุ่งสั้นมันจะกลับมาอีกเราก็เห็นว่าคลื่นความพุ่งสั้นนี้มันมาตามอารมณ์ของใจถ้ากระแสของใจไม่มีความสุขมากพอที่จะอยู่กับลมหายใจ ความพุ้้ายมันก็กลับมาเป็นระลอกระลอกเราไม่ต้องไปดูนะว่ามันคิดอะไรแต่รู้สึกถึงคลื่นรบ ก, กวนที่เข้ามาในหัวที่ผุดขึ้นมาในหัวเป็นระลอกระลอกเนี่ยแค่นี้ก็จะเกิดความเห็นว่าแม้ความคิดก็กําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นกัน ในขณะที่เราเจริญอาณาปานสติอยู่อย่างนี้เริ่มต้นโดยใจที่ปลอดโปรง่งมันสามารถเห็นอะไรได้หมดนะเห็นความจริงที่กําลังสแสดงปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่อยู่ในเอริยาบทนั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขหรือว่ากระทั่งคลื่นรบกวนนะที่เรเรียกว่าความฟุ้งซ่านที่เข้ามาแบบไม่ได้เชื้อเชิญ เราดูอยู่เห็นอยู่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้ไปคิดตามมันคลื่นรบกวนตรงนี้ไอความฟุง้งซ่านตรงนี้มันก็จะแสดงอาการหายไปให้เห็นเช่นกันไม่แตกต่างจากลมหายใจที่เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดา ลครับก็ทำความเข้าใจกันแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในอาณาปานาสติก็ง่ายๆสั้นๆเลยนะว่าลมหายใจกำลังปรากฏแสดงอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นมันเข้าเราก็รู้ว่าเข้าออกเราก็รู้ว่าออก ตอนที่มีสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกตรงนั้นแหละที่เรียกว่าสติเริ่มต้นเมื่อเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นไม่เที่ยงจิตมันจะถอยกลับไปเหมือนกับออกไปดูอยู่ห่างๆในฐานะผู้สังเกตการถ้าผู้สังเกตการนั้นมีความสว่างมีความโล่ง ตรงนั้นแหละเรียกว่ามีภาวะจิตผู้รู้อ่อนๆปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกแค่นี้เองนะหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำหรับมือใหม่สำหรับจุดเริ่มต้นของการเจริญสติเนี่ยจริงๆแล้วต้องจับต้องได้ต้องเป็นอะไรที่มันง่ายนะที่จะทำได้จริงถ้าหากว่าเราไปพยายามฝืนไปพยายามบังคับ ไปพยายามที่จะเอาให้นิ่งเดียวนั้นนะตรงนี้มันจะพายเรือในอ่างไปเป็นสิบสิบปีแล้วมันไม่ใช่อนาปานสตินะมันเป็นการจ้องบังคับลมเท่านั้นเองสูนเปล่าเท่านั้นเองนะเอาละครับเริ่มต้นคำถามแรกเลยนะเอเอไม่โอเคสวัสดีพี่ ก็ปฏิบัติมาอ่าเอียงเอียงใหม่นิดนึงอเอียงเอียงระดับนี้สีหองศานิดหนึ่งนะก็ปฏิบัติมาก็ตามอ่าที่พี่ตุลเป็นคนสอนเจริญสติค่ะครั้งแรกหนูฟังจากที่พี่ตุลเปิดเฟซบุ๊กอะค่ะแต่ว่าพอดีว่าหนูดูลมหายใจเคยถามพี่ตุลแล้วก็คือกอ็ปฏิบัติอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้าง คือพี่บอกให้ไปดูว่าเราอยู่อริยบทไหนแต่คือตอนนี้ของหนูจะมีปัญหาตรงที่ว่า เ, าเาจาะใกล้าปากนิดนึงนะจ๊ะคือเวลาทีาาา่มีคนเหมือนกับเขาเหมือนที่พี่เคยพูดว่าเวลาที่เขาเห็นความเย็นในตัวเราเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองเอหนูก็จะให้ความาใน ก็คือเหมือนกับว่าสอนเขาในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วแต่ว่าหนูจะตกม้าตายตรงที่ว่าเวลาที่ชีวิตเขาทุกคนที่เดินเข้ามาดีขึ้นเขาก็จะเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่มาทดสอบหนูตรงที่ว่าเหมือนอลักษณะอาการแทงข้างหลังแล้วก็ถีบหัวทรงซึ่งหนูตกม้าตายตรงนี้ มากค่ะก็เลยที่มานี้ก็เหมือนกับทุกอย่างที่ที่พี่บอกเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ า, ามันทำได้ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยหนูหนูก็คิดว่าเออชีวิตเนี้ยเกิดมา4ี่ิปีแล้วเนี่ยหนูมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จ, จิตเนี่ยอยากจะพัฒนาให้มันแบบคือไม่อยากที่จะมีความรู้สึกกับคนที่เดินเข้ามาก็รู้ว่า คนเรามันไม่เหมือนกันแพยายามเมื่อกี้หนูก็มีความรู้สึกเหมือนที่พี่บอกว่าถ้าเราบังคับมันก็จะไม่ได้อันนี้หนูคือสัมผัสน่เองได้หมดแล้วความรู้สึกก็เลย ท, ที่มาตรงเนี้ยโ <Okay, S 2> อเคเข้าใจละ <c oughs> คือการที่เรามีชีวิตอยู่แบบที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยนะจะอยู่มากี่สิปีก็แล้วแต่มันจะอยู่ด้วยความรู้สึกของมุมมองที่หนึ่ง มุมมองที่หนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมันไม่เคยมีชีวิตแบบนี้มาก่อนมันไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่มีตัวอย่างแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตไว้ทีนี้พระพุทธศาสนานเนี่ยสอนเราว่าเวลาลงมาในโลกนี้นะลงมาเพื่อดูความจริงเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างในกรณีของน้องเราช่วยคนแต่คน พอสบายแล้วไม่ช่วยเราและยังนอกจากนั้นยังจะทำอะไรที่มันแสลงความรู้สึกของเราอีกด้วยนี่คือความจริงที่เรามาค้นพบว่าโลกเขาเป็นกันแบบนี้นะแล้วบางทีมันไม่ใช่ใครกันแป้งเราหรือว่ า, าเราโดนอยู่คนเดียวทุกคนโดนหมดเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันมาหมด และบางทีถ้าเราค่อยๆ ย, ยอมรับว่าเออเนี่ยโลกเขาเป็นกันอย่างนี้ช่วยคนไปร้อยคนหรือพันคนจะมีสักคนหนึ่งที่เกิดความารู้สึกสำนึกในบุญคุณหรือว่าอยากจะกลับมาตอบแทนบุญคุณเราไม่ใช่เฉพาะเราที่เจอแม้แต่พระพระรุทธเจ้าเองท่านก็เจอมาแบบนี้เหมือนกัน หลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็โดนมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระอหันต์แล้วเป็นพระศาสดาที่ก่อตั้งพุทธศาสนาแล้วก็ยังอุตสามีคนที่ในระคุนท่านได้ทะเลากับท่านได้หรือว่าใส่ร้ายท่านได้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในโลก อันนี้ไม่ใช่มุมมองของบุรุษที่หนึ่งแล้วไม่ใช่มุมมองส่วนตัวแล้วแต่มันเป็นมุมมองเปรียบเทียบว่าโลกทั้งใบเป็นอย่างนี้อยู่พอเราเริ่มเห็นความจริงด้วยใจที่มันรู้สึกว่าเออใครๆก็เจอกันเหมือนมา อ, อ, อยู่ในโลกของความจริงโดยไม่มีความคาดหวังเป็นตัวตั้งเราก็จะเริ่มรู้สึกเออ นึกขึ้นได้ทเลนิดเราเคยทำกับคนอื่นไว้บ้างหรือเปล่าแลวบางทีนะอะไรที่เรานึกไม่ถึงก็อย่างเช่นถ้าถามตัวเองเคยทำกับพ่อแม่ไหมบ้างหรือเปล่าคือบางทีเราอาจจะดีกับพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่แต่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีมันลืมไปแล้วนะ คือพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกแบบสุดชีวิตเหมือนก่าเป็นแก้วตาดวงใจเอาอะไรทุนให้ทุกอย่างแต่พอขัดใจขึ้นมามันก็แสดงอารมณ์ดิบแบบมนุษย์เนี่ยต้องกูก่อนอาการกูก่อนเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกว่ามีตัวมีตนเนี่ยก็มีขอกูก่อนแล้ว ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าถึงแม้ว่าเราจะระลึกไม่ได้บางทีเนี่ยนะเราเรามองไปโดยธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นกันอย่างเนี้โดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเราคงเคยไปทำใครเข้ามาด้วยธรรมชาติของมนุษย์แบบนี้ด้วยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแบบนี้นั้นเมื่อเห็นนะว่าจริงๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ที่กําลังแสดงที่กําลังปรากฏอยู่มันเป็นความจริงที่ถ้าเรามองเห็นเราจะลดความรู้สึกทุกข์ร้อนลงไปได้มากเลยเกินครึ่งมันจะไม่ใช่แค่ทาใจได้แต่มันจะรู้สึกว่าเออเราก็โดนเหมือนเหมือนกันน่แหละเหมือนเหมือนกับคนอื่นและเราก็อาจจะเคยทาทำมาเหมือนกับคนอื่นนั่นเอง คือตอนที่เรายังระลึกไม่ได้ยังยังยงไม่ได้ว่าไปทําเหตุอะไรมาถึงโดนแบบนี้เราจะมีแต่ความคาดหวังว่าช่วยคนอื่นแปลว่าเราดีกับเขาเขาต้องดีตอบสิเขาต้องมาตอบแทนอะไรเราบ้างคืออย่างน้อยถ้าไม่ตอบแทนเนี่ยขอให้ดีเถอะแต่นี่อะไรมันงงนะว่าดีแล้วกลับมาร้ายใส่เราอย่างนี้ตอนแรกๆมันงงกันทุกคน แต่พอค่อยๆศึกษาพอค่อยๆอใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะแล้วก็มองดูไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมองดูจากประสบการณ์ตรงของเราเองด้วยแล้วก็จากรอบๆตัวด้วยเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าเนี่ยที่เรามาพบเนี่ยความจริงทั้งนั้นเลยไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้นี้มันก็จะเข้าสู่าการประจักษ์เรื่องของกรรมและผลของกรรม เมื่อใจของเรานะมีอุบเบกขาที่จะเห็นจากประสบการณ์ชีวิตคือไม่ใช่คิดๆเอาตามคนอื่นนะแต่เกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยทำจะแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะแล้วคนเขาได้ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แปลว่าเขาจะมาดีกับเราเสมอไปบางครั้งมันมาร้ายใส่หรือตรงกันข้ามบางคนเนี่ยเราไปร้ายกับเขา แต่เขากลับมาเหมือนกับมีเมตตาเรามีความรู้สึกที่ดีให้มีคําพูดดีๆให้ตอนแรกเราก็จะไม่เข้าใจเหตุผลโดยเพราะอย่างพ่อแม่หรือว่าญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรามีความรู้สึกเกิดมาเนี่ยเราต้องขอก่อนละไออาการขอก่อนละเนี่ยมันเป็นสัญญาตยานที่บางทีทําให้เราไป รายใส่คนบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวคือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันจะเห็นเป็นวงจรของกรรมวงจรของการใส่อะไรเข้าไปแล้วได้รับผลตอบแทนกลับมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการทาใจแต่เป็นเรื่องของการประจักษ์ ค, คือว่าหนูแรกๆค่ะหนูก็เป็นอย่างที่พี่ตุลพูด แต่ว่าพอดีว่าหลังๆมาเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าอันนี้ตอนแร ก, กนะนะหนูไม่ได้คิดว่าหนูนี่นะคะแต่ว่าคือหลังๆเนี่ยเหมือนจิตที่เราเหมือนเราอ่านคนที่จะเดินเข้ามาค่ะเราก็จะเหมือนจะเลือกว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเราพูดไปอะ่ะก็คือพอดีว่าหนูก็ได้ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็เมตตา แล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับถ้าหนูถามว่าหนูจะช่วยคนได้ไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าอูเบคาเนี่ยหนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าวันหนึ่งมันจะมาเองเมื่อเหมือนเมื่อเราเจอมาหลายๆเคสแล้วยใช่ใช่ถูกต้องทีนี้ตอนแรกอูเบคาบางที<อ>เนี่ยมันไม่ใช่แกล้งทำเอาแต่มันต้องเจอแล้วก็เกิดความเข้าใจใคือมีการมองเห็นนะว่า โลกนี้มันเป็นยังไงอยู่แล้วก็จากาการนั้นแหละที่เราผ่านความรู้สึกเป็นทุกข์มาได้ที่เหลือมันจะเป็นอุเบกขาของจริงใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเลิกคือว่ามันเหมือนนิสัยหนูค่ะมันมันไม่ค่อยเหมือนมันลั้นนะคะลั้นนิดนึงว่าสิ่งที่เห็ น, นคือไม่เชื่อคิดว่าเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยค่ะ มไม่เป็นไรคือคือตรงที่เรารู้สึกอยากเปลี่ยนให้โลกนี้ดีขึ้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ดีมันมันไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเราไปฝืนกับไอ้ความเป็นจริงที่มันกําลังเป็นอยู่ในนิสัยคนอื่นหรือสันดานของคนอื่นอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นการสูญเปล่าเสียแรงเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นการได้พยายามทําสิ่งที่มันไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดี เปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นเป็นความพยายามที่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นความพยายามที่สุนเปล่านะดูตรงใจดูตรงเจตนาอยากอยากจะเอาชนะความชั่วร้ายอยากจะเอาชนะความไม่ยุติธรรมเนี่ยเป็ น, ปนถือว่าเป็นกุศลไม่ใช่อากุศลนะส่วนที่ว่าเราพยายามไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ตังหากที่จะมาวัดใจ ว่าเราสามารถเป็นอุเบกขาได้แค่ไหนคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ดูดายหรือว่าปล่อยให้คนชั่วกลายเป็นคนชั่วไปอย่างนั้นแต่อุเบกขาหมายถึงว่าเราพยายามทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่มันเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ตรงนั้นเราค่อยเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยมันสดสดได้เท่านี้นะแล้วก็ ค่อยพิจารณาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าแรงดันของกรรมของเขาเนี่ยมันมากเกินกําลังของเราที่จะไปเอาชนะได้เพราะว่าคือตอนที่เรายังไม่พยายามเนี่ยมันเหมือนกับปล่อยให้เขาชั่วไปมันมีแรงดันของความชั่วเขาอยู่เท่าไหร่<ม>ก็มีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปทัดทานแต่เมื่อไหร่เรามีความพยายาม เรามีความตั้งใจแล้วใช้วันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเอาแรงของเราเอากำลังของเราตรงนั้นไปต้านหรือว่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนี่ตรงนี้มันเกิดแรงแรง อ, อีกแรงหนึ่งที่มาสู้กันคือเหมือนกับเอาน้ำไปดับไฟเอาความเย็นไปดับความร้อนไปแทนที่ความร้อนนะถ้าหากว่า มันสำเร็จก็แปลว่ากำลังของเรากำลังความเย็นของเรามันมันเอาชนะได้แต่ถ้าหากว่าในที่สุดแล้วความชั่วร้ายของเขาไม่ได้แตกต่างไปเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะเราก็แค่รับรู้ตามจริงว่านั่นแหละกำลังของเราถึงที่สุดแล้วไม่สามารถเอาชนะกำลังของเขาได้ตรงนั้นค่อยอุเบกขาคาคว่าอุเบกขาหมายถึงเราเข้าใจด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ แล้วคือพอพอเกิดอาการแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยหนูเจอมาหลายเคสมากหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงว่าต่อไปถ้าเรามันเลยหวาดระแวงอะค่ะที่จะแบบว่าคือจิตตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าต้องดูซะหน่อยว่าเข้าเข้ามาแล้วจะคุ้มไม่คุ้มที่จะไปเหนื่อยในตรงนี้หนูเลยว่า เ, เราจะมีความเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าหรือเพราะว่า เพราะว่าเหมือนกับน้าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าใครที่มาทำให้ให้กระทบอย่างเงี้ยในเมื่อในเมื่อคือเขาจะมาเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อว่าเขาต้องเจอเรื่องมากมายที่ที่หนูเคยเคยพูดก็คือคือลักษณะว่าลักษณะว่าสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับตัวเขาแบบที่หนูบอกว่าถ้าสมมติว่า เราเคยทําอะไรมาแล้วสิ่งเนี้ยเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ถ้าเราต้องเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแก้ในสิ่งที่ที่ปัจจุบันนะคะพอเราพูด okay, แบบนี้โอเคคือถ้าเรามีความรู้สึกระแวงหรือว่าหวาดหวาดหวา ด, ดอยู่นะเ ร, เราเราเวทเอาจากความรู้สึกแรกเนี้ยบางบางที ไม่ไม่ใช่ความรู้สึกที่มากระทบเราอย่างเดียวแต่ด้วยความรู้สึกตรงนี้ด้วยว่ามันมีแรงดันที่จะมีความการุณามีความอยากจะช่วยคนแค่ไหนเราเราแทนที่เราจะสังเกตจากภายนอกมาว่าอนี่มีความร้อนๆอ น, อนมาแข็งแข็งมานะแล้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอคนอากตันยูมาก่อนเราจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยกระแสะแบบเนี้ยช่วยไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกับวนัน พืชลงไปบนานาที่มันดินไม่ดีนะยังไงมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างเดียวถึงฝั่งเขาว่าไอเ น, นี่ยช่วยไปสวนเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วรู้สึกเอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เรานึกอยากช่วยคือมันจะเห็นอีกมิติหนึ่งไม่ใช่มิติที่เข้ามาอย่างเดียวแต่มิติภายในของเราด้วยนะว่าไอตรงนี้มีความเย็นแค่ไหนมีความรู้สึกว่าเออมีความ มีความพร้อมจะการุณามีความพร้อมจะเมตตามแม้กระทั่งคนที่มันท่าทางจะไม่ได้เอาไหนหรือเปล่าแล้วสังเกตอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นเห็นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีรู้ๆอยู่ช่วยไปไม่ได้มีอะไรขึ้นมาหรอกนะเขาอาจจะมาทำร้ายเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็ช่วยเพราะว่าเขามาขอเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะ ท่านเจอหน้าพระเทพธัชท่านก็รู้แล้วเนี่ยคู่เวีนะเคยตามเบียดเบียนท่านมาไม่รู้กี่พอบี่ชาติแต่ท่านก็บวชให้แล้วท่านก็สอนจนสําเร็จอภิญญาอีกก้าหาแข็งปุ๊บเอาเลยนะจะมาแข่งกับท่านจะมาเป็นพระศาสดาแทนท่านในการตั้งกฎอย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้ต้องกินมังสวิรัตต้องเข้มงวดต้องเคร่งคัดอย่างนั้นอย่างนี้ไปไปสร้างข้อดีขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ ทำให้ภิกุจํานวนหนึ่งหลงเชื่อว่าเออพระเทวทัตน่าจะเคร่งกว่าน่าจะเป็นไปได้จริงมากกว่าเป็นของจริงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ดูตรงที่ว่าผลข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านช่วยเพราะท่านตั้งใจไว้แล้วว่าจะช่วยแบบไม่เลือกหน้านะใครมาเนี่ยท่าน ท่านก็เมตตาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรู้ว่าเออถ้ามันเข้ามาเนี่ยนะยังไงมันก็ต้องเคยมีสายใยมีความผูกพันกันไว้ก่อนถ้าหากว่าสายใยผูกพันในอดีตมันจะเป็นเวรมันจะเป็นภัยต่อกันจริงอย่างน้อยที่สุดได้ช่วยกันได้ทำอะไรดีๆให้เนี่ยมันก็ล้างล้างเวรละลายเวรให้มันไอความมืดเนี่ยมันสว่างขึ้นบ้างก็ยังดี เนี่ยด้วยดวยเจตนาแบบนี้แนหะที่จะเป็น เ, เรียกว่าพรหมวิหารสีที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ใช่พร้อมจะช่วยคนอย่างเดียวแต่พร้อมจะอาภัยได้ด้วยคือมาฝึกมาใช้เวรด้วยมาฝึกที่จะอาภัยด้วยมาฝึกที่จะช่วยคนอื่นด้วยนะตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายไม่ว่าช่วยใครแค่ไหนนะตอนก่อนตายเราจะรู้สึกเลยว่ามันได้ช่วยตัวเองนั่นแหละ ช่วยให้จิตของตัวเองปราศจากเวรปราศจากภายัยจิตเนี่ยถ้าหากว่าอยู่เฉยเฉยนะแค่แค่ว่าไม่ได้ตั้งไว้ว่าจะเอาอยัางไงกต่คนข้างนอกมันมีแนวโน้มอยากจะเบียดเบียนแล้วแต่ถ้าหากว่าเราตั้งไว้อยากจะช่วยอยากจะช่วยแล้วเกิดความคิดว่าแม้กระทั่งคนที่จะมาทําให้เราเดือดร้อนถ้าช่วยได้สักนิดสักหน่อยมันก็จะได้เป็นการล้างเวรล้างภายัย ในอดีตที่เคยเคยทํากันไว้เนี่ยคิดแบบนี้จิตมันก็เต็มขึ้นมาด้วยอารมณ์ของเมตตาอารมณ์ของกรุณาในแบบพรหมิหารจริงๆนะส่วนจะเป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเบกขามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถมองเห็นตามจริงได้แค่ไหนเออเนี่ฝั่งเราฝั่งเขาทํากันมาอย่างนี้นะแรงเขาแรงเราอันไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันนะแล้วทำทำใจจาก ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงตรงนั้นแหละที่จะเกิดอุเบกขาในแบบที่หนักแน่นขึ้นมาแจิตมันเป็นแจิตเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกไม่ตาอยากช่วยคนอื่นแล้วก็พร้อมจะเป็นอุเบกขาได้มันเป็นความตั้งมั่นแบบพรหมต่อให้เราไม่ฝึกสมาธิต่อให้เราทำสมาธิแบบหลับตาไม่เป็นนะแต่ถ้าจิตแบบนั้นมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ย ตอนตายมันจะมีความหนักแน่นพอที่จะได้เข้าถึงฌานสมาบัติมาฌานในแบบที่เรียกว่า ป, ปรมัญญาสมาบัติรือจิตมีความแผ่ออกไปมีความเมตตามีความการุณาแล้วก็มีความอุเบกขานะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์รของหนูนี่ส่วนมากก็สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปฏิบัติมาแต่ก็ มันทําให้หนูว่า10ปีที่ที่บอกว่ากดทับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ขันติที่หนูอันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี้ยหนูไปอ่านห น, หนูขำ่ขำขาตัวเองไงอ๋อไอสิ่งที่เรากดทับอารมณ์ตัวเองไว้ว่าอย่างเช่นหนูไม่ชอบคนนึงเนี้ยหนูก็จะพูดเดี่ยวเขาและแต่ในใจหนูว่าโอ้โหอยากจะว่าเขาเหลือเกินปรากฏว่าตรงนั้นอะ ก็ยังทําอยู่ในใจแต่เราใจเราก็ยังพูดเดี่ยวเขาวันหนึ่งเราก็เลยพบแสงที่เราเจอว่าอ๋อไอตัวนี้เองที่ว่าหนูก็บอกว่าถ้าหนูรู้หนูต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมเราถึงต้องคิดพูดเดี่ยวเขาแต่ใจเราร้ายกับเขาอันนี้เออมันเห็นในชัดในจิตของเราทันทีเลยลหลายๆเรื่องที่หนูฝึกกับตัวเองมาคือลมหายใจของตัวเองอยู่กับลมเอ อ, อ, วเ อ, อความคิดของตัวเอง ความคิดหนูหมายถึงว่าอืมดูจิตดูใจของตัวเองว่าวันนี้เราไปทําให้ใครกระทบไหมวันนี้เขากระทบเราใช่ไหมปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูฝึกมามันย้อนกลับมาทําให้หนูเห็นตัวตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเมตตาตัวเองมากขึ้นสิ่งนั้นหนูรู้เลยว่าคนเนี้ยคิดอะไรกับไหนอะไรกับหนูอยู่หนูเลยหนูรู้รู้แล้วว่าคนเนี้ยต้องการสิ่งใดแล้วก็เลยทําให้คนงงว่าทําไมเราถึงรู้บอกหนูไม่ได้คนอวดเก่งแต่หนูฝึกตรงนี้ เกิดขึ้นกับตัวหนูเองกับปัญหาหนูเองนีคะและอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากถามคือว่าคําว่าชดใช้อ่ะคะ่ะหนูยังสงสัยอยู่ว่าสมมติหนูทำไปทําอะไรข้าคนเนี้ยอ๋อวันเนี้ยเออช่างมันในในคิดหนูยังคิดอยู่นะว่าเออชดใช้ไปเพราะวันวันเนี้ยเราไปนะเออถือว่าชดใช้ไปตรงนี้หนูยังบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกันชดใช้หนูยังตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้เรื่องเนี้ยคะ่ะเนาอย่างนี้ลองมองเข้าเข้าไปนะที่ อาการทางใจของเราเดิมเนี่ยมันมีความพรุ่นท่านมากกว่านี้เยอะนะมันมันเป็นพวกโทสะโทสะแรงนะะแต่แต่เป็นพวกโทสะแรงที่บทใจใจดีก็ใจดีอันนี้คือเป็นพื้นมาก่อนตั้งแต่ที่เราจะมาฝึกเราจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีสองอารมณ์อารมณ์สองขั้วตอนที่โทสะแรงเนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกมีเลี้ยวแรง ขึ้นมาทำลายล้างอะไรทั้งอย่างแต่ตอนที่ใจดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกเออมีความอบอ้อมมีความอยากจะช่วยคือคือเต็มใจที่จะขยับมือขยับไม้ไปช่วยคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าเรามองว่าเออชีวิตของเรามันเหมือนมีคนสองคนนะพร้อมที่จะอารมณ์ร้อนแรงพร้อมที่จะอารมณ์เยือกเย็นถามว่าตอนที่ จะชดใช้เหมาะที่จะชดใช้เวรเก่าๆอันนี้คิดก่อนนะแบบคิดๆก่อนถามว่าจิตแบบไหนที่เหมาะกับการชดใช้เวรเก่าๆตอนที่มันอารมณ์ร้อนหรือว่าตอนที่มันอารมณ์เย็นคือมันต้องตอนที่อารมณ์เย็นมันถึงจะเหมาะกับการชดใช้เข้าใจพอยนะเพราะถ้าอารมณ์กำลังร้อนเนี่ยมันไม่เหมาะกับการชดใช้หรอกมันเป็นการต่อเวร มันเป็นการสร้างเวรเพิ่มตังหะนี่ผมมองเห็นอย่างนี้นะว่าต้องอารมณ์เย็นมันถึงจะเรียกว่าเป็นการชดใช้จริงมันก็จะมองภาพที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นเวลาเขามาทำให้เราเกิดความเจ็บใจจะด้วยคำพูดจะด้วยท่าทางหรือแม้กระทั่งด้วย กิริยาอะไรบางอย่างที่มันอัดเข้ามาแล้วเรารสึกอยากสวนออกไปถ้าเรารู้สึกอยากสวนออกไปนั่นแนนะให้ให้มองมองเป็นอย่างนี้ก่อนว่านั่นคือมีความพร้อมจะต่อเวร น, นั่นคือมีความพร้อมจะเพิ่มเวรให้ยาวขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ขันติของเราโอเคจะจะเวิร์หรือไม่เวิร์ก็แล้วแต่ล้วมัน ไม่ไม่สวนออกไปนะอันนี้ก็คือโอเคเราระ ง, งับเฉพาะตรงนั้นไอ้ที่รู้สึกว่าจะต้องสวนออกไปแล้วไม่สวนออกไปเนี่ยมันมันไม่ต้องมีเวรเฉพาะตรงนั้นแต่ใจเนี่ยบางทีมันยังไม่จบเข้าใจพอยใช่ไหมคือคือเราเริ่มเห็นเข้ามาที่ใจไอ้เรื่องการจะมีเวรหรือต่อเวรหรือระ ง, งับเวรเนี่ยตรงนั้นยังไม่ได้ระ ง, งับเวร แต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่มีอะไรนะกระแทกเข้ามาเนื้อใจยังเย็นอยู่ยังรู้สึกถึงความสงบตรงนั้นเนี่ยเราสามารถคิดอะไรเป็นธรรมะได้ทันทีทันใดคือไม่ใช่ต้องเก็บมาระ ง, งับอารมณ์ก่อนแต่มันสามารถเห็นเป็นเหตุการ์เลยนะว่าเนี่ยที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวนเนี่ยมันมาแล้วนะเขามาทวง และใจของเราณเวลานั้นเนี่ยมันจะแค่ตอบโต้กลับไปหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่ตอบโต้หรือว่ามีความรู้สึกไม่อยากตอบโต้จริงๆเพราะมันยังเย็นอยู่คือเราสังเกตให้เห็นเป็นอาการทางใจแบบนี้ในเรื่องของเกมการสร้างเวรสร้างภัยเนี่ย มันจะชัดเจนขึ้นเป็นภาพเลยนะเป็นภาพรวมคือมันมันจะเห็นเป็นเป็นของจริงคือกระแสจิตของเขากับกระแสจิตของเราพฤติกรรมของเขากิริยาของเขากับพฤติกรรมของเรากิริยาของเรามันมันจะเห็นเป็นออกมาจากจิตที่มันรู้จริงๆรง่าคํเม่าเวรมันคือมีการทำร้ายกันประทุสร้ายกัน จากฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นเนี่ยจะถูกเรากระทำมาในอดีตรหรือว่าเขาจะเคยเล่นงานตามเล่นงานเรามาข้างเดียวยังไงก็แล้วแต่นี่คือพฤติกรรมประทุสร้ายเราเราจะรู้สึกว่าเนี่ยอยากมีอาการประทุสร้ายตอบหรือเปล่าถ้ามีอาการประทุสร้ายตอบเราจะเห็นเป็นเป็นสายใหญ่ของเวร สายสัมพันธ์ของเวรของภัยระวางกันถ้ามาเดียวเรียกว่านะเดียเด่ยวเดวเราคู่เวรกับเขาแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มแล้วเราไปร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเราจะเห็นเป็นเมฆหมอกเลยที่มันหนาทึบขึ้นมามันไม่ใช่แค่สายใหเดี่ยวเดียวมันเป็นเครือข่ายมันเป็นขายใหญ่ของเวรของภัย ใจมันจะเห็นไปอีกแบบหนึง่งคือนี่เห็นจากปัจจุบันล้วนๆเลยนะไม่ได้เห็นจากอดีตนะแต่มันจะเข้าถึงรากของคำว่าเวรรากของคำว่าภัยจริงๆคือมันมีอาการประทุษร้ายนำมาแล้วเราเห็นใจของเราว่าต้องการประทุษร้ายตอบหรือเปล่ามันจะมีสามจังหวะนะจังหวะที่อยากโต้อตอบกลับไปนี่ประทุษลายเต็มท่านอยากจะแกลง้งไม่โต้อตอบคือใจอะอยาก แต่ว่าพฤติกรรมทางปากและพฤติกรรมทางกายไม่โต้อตอบไม่สวนอะไรออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจรู้สึกจริงๆไม่อยากประทุสไลด์กลับนี่ตัวนี้แหละมันจะเห็นเลยว่าภัยหรือเวนมันถูกระงับแล้วอ่านั่นแหละความสู้สึกสว่างเนี่ยคือแทนที่เราจะไปพยายามหาคำอธิบายเป็นว่าเอ้ยชาตกรอะไรตรนี้มันมันยังระลึกไม่ได้อะ่ะ มันยังมันยังไม่สามารถที่จะเห็นเนะ่ยเราก็เอาเฉพาะที่เห็นก่อนแล้วเห็นเป็นอาการทางใจเนี่ยคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่เนี้ยประทุสลายหรือไม่ประทุสลายตรงนี้มันจะ เ, เกิดภาพทางใจเวลาประทุสลายเนี่ยมันจะเห็นเห็นอย่างนี้เลยนะถ้าเราเห็นปึกที่จะเห็นไปมากๆเนี่ยมันจะมีไอควันร้อนๆอะไรออกมามันจะมีเหมือนกับออห อ, อกดาบนี่ที่เป็นนามธรรมเนี่ย มันพุ่งออกมาจะทิ่มแทงเราไอ้ตรงนี้ก็เห็นเห็นเป็นภาพทางใจเหมือนกันว่ามีโล่ขึ้นมายกขึ้นมาปกป้องเฉยเฉยหรือว่ามีอากาศปล่งๆปงให้หอกดาบเนี่ยมันวิ่งเลยไปนะตัวเนี้ยไอ้ความผู้ยังไงว่าอยากที่จ ะ, ะดูเข้ามาจเจริญสติเข้ามาที่ความเป็นกายใจเนี่ย มันจะเอาชนะความรู้สึกอยากจะไปโต้อตอบอยากจะไปประทุษร้ายตอบได้ลำพังการระ ง, งับใจอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยได้เป็นครั้งครั้งแต่จะไม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะระ ง, งับความอยากประทุสล้ายตอบตลอดไปเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่า เ, เราจะทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเห็นภาพทางใจเข้ามานี่ฝั่งเขานี่ฝั่งเรา มันชัดเจนเลยนะมันจะเห็นเป็นเหตุเป็นผลแล้วต่อมาเนี่ยถ้าใจของเราเป็นอุเบกขามากขึ้นมากขึ้นคือมันเลิกที่จะอยากไปเบียดเบียนตอบเลิกที่จะอยากไปประทุษล้ายกลับใจมันมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดภาพตั้งใจขึ้นมาเลยว่าอาการประทุษร้ายอย่างเนี้ยพอพุ่งเข้ามานะมันมันคล้ายๆเป็นสัมผัส ที่ปรากฏขึ้นเองคือไม่ได้ไปมียานวิเศษอะไรขึ้นมาที่ไหนแต่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นแค่หนังซ้ำเอามาฉายซ้ำมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกมันมันจะเห็นจากอาการประมวลของจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะเกิดการารับรู้ว่าลักษณะประทุส้ายถ้าหากว่า มันเข้ามาแล้วเราโต้อตอบกลับไปเนี่ยมันจะเป็นวงจรการลบราค่าฟฝันไม่รู้จบแล้วก็จะเห็นเป็นภาพเลยว่าเคยไปทำอะไรกันมาอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะภาพทางใจที่เรารู้สึกแล้วก็สัมผัสชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสมาธิอีกแบบหนึง่งคือมันเห็นไงเห็นเป็นนมามธรรมว่าไอ้ที่เขา พุ่งเข้ามาเนี่ยมันทำท่าเหมือนแยกเขี้ยวบางทีหน้าตายังดีๆอยู่นะแต่ข้างในเนี่ยเหมือนแยกเขี่ยวยิงปันแล้วแล้วถ้าเราเห็นภาพทางใจแบบนั้นบ่อยๆ บ, บางทีมันเห็นชัดไปทะลุลงไปกระทั่งว่าเนี่ยข้างในเขากำลังมีสภาพเหมือนปีศาจซาตานยังไงอยู่หรือเห็นกระทั่งว่าเนี่ยมันเคยมีภาพอีกภาพหนึ่งซ้อนขึ้นมาว่าเคย เคยรบราค่าฟันเคยทะเลาะเบาแหว้งเคยตีดันฟันแทงอะไรในในแบบไหนกันมานะพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถให้คำอธิบายเนี่ยเคยไปทำกรรมอะไรกันมาแต่หนไหนแต่สามารถารู้สึกทางใจว่าภาพที่ปรากฏในอาการประทุษรลด์ฝั่งเขาฝั่งเราเนี่ยมันเทียบกันแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะเอาตรงนั้นเป็นเป็นมาตรฐานก็แล้วกัน สวัสดีค่ะค่ะก็คื อ, เ, อ, อเวลาใช้ชีวิตประจำวันไม่เป็นไรบางทีเสียงบรรยา ก, กาศค่ะค่ ะ, ค ะ, คะก็คือบางวันที่มีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่ไม่เป็นไรไม่ต้องนอนพู ด, พดเลยละนะคะก็คือบางวันหนูจะแบบรู้สึกมีไฟมากอะค่ะคือจะแบบสามารถทำททุกทุกอย่างได้มีโปรเจกต์อะไรดรือแบมีคนที่ ให้ทำงานหรือมอบหน้าที่ให้แล้วหนูสามารถ m a n a g เวลาในการทําทุากอย่างได้ได้แบบหมดเลยแต่แ บ, บ, บางวันเนี้ยคะ่ะมันก็รู้สึกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีไฟไปเลยอะคะ่ะรู้สึกแบบนิ่งแล้วก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเวลามาค่ะเพราะหนูไม่สามารถทําอะไรในในวันที่เหนื่อยได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็พี่ตุลคิดว่าแบบหนูควรจะแก้ปัญหา ย, ยังไงกับตุวเองร่ก มันควรจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ในในช่วงเวลาที่ที่หนูมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะโดยแบบไฟของหนูแต่บางวันมันแบบไม่มีไฟหนูก็ไม่อยากทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเบื่อเบื่ออยากอยากนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องขยนันหรือขี้เกียจมีไฟหรือไม่มีไฟแต่ของเรามันจะเหมือนกับอย่างนี้แหละคือว่าถ้ามีแรงดันคิดเป็นแรงดันก็แล้วกัน เพราะว่าภาพทางใจมันจะปรากฏง่ายเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากขยนันอยากมุ่งมั่นอยากทํโน่นทานี่มันจะเหมือนมีไฟมีมีพลังตรงนั้นเนะี่ยนะก็เพราะว่าแรงดันมันมันกลับมาอยู่ในช่วงที่มีแรงดันมีแรงผลักดันแต่วันไหนที่เรารู้สึกไม่มีแรง มองเข้าไปที่ความรู้สึกทางใจมันจะเหมือนไม่มีแรงผลักดันเหมือนต้นกำเนิดของพลังเนี่ยมันหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้มันไม่มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยหรือว่าสมองไม่ทำงานจิตใจไม่พรักร้อมที่จะ คิดอ่านกระทำการใดๆนะให้มองเป็นอย่างนี้ไว้ก่อน ต, ตัวตั้งตัวแรกเลยณวินาทีนั้นเลยที่เรารู้สึกอนาจใจกับสภาพตัวเองณนะเวลานั้นนะยอมรับว่ามันเกิดความรู้สึกไม่มีไฟยอมรับว่ามันไม่มีแรงดันยอมรับว่ามันขี้เกียจ ยอมรับว่ามันไม่มีทางไปนะแต่อย่าไปรู้สึกทำนองว่าสมเพศอนเนตอนาชีวิตตัวเองเพราะความรู้สึกสมเพศหรือรู้สึกเหมือนกับตำเหนียตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ใจหดหู่ลงไปอีกพูดง่ายๆว่าตัวตั้งต้นมันไม่มีกำลังใจแล้วเราไปทับถมตัวเองให้หมดกำลังใจหนักเข้าไปอีก มันเท่ากับยืดอายุของความหดหู่ของอาการหมดแรงให้นานออกไปแล้วยิ่งเราจมอยู่นานเท่าไหร่แทนที่มันจะค่อยๆหายไปนะมันกลายเป็นพอกพูนขึ้นมันกลายเป็นเหมือนกับแรงกดไม่ให้อยากขยับมือขยับเท้าน้องสังเกตอาการทางใจดูก็ได้เวลาที่เราทับถมตัวเองมันจะยิ่งแย่ลงไม่ใช่ไม่ใช่จะดีขึ้นคือคนปกติเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ถ้าเราทำไม่ดีต้องตาหนิหรือว่ากำลังเหมือนกับป่อแป้ป่อแป้เนี่ยคำด่าช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่ได้ด่าออกมาเป็นคำๆแต่คิดอยู่ข้างในมันรู้สึกแย่จังเราไม่มีดีเราไม่เอาไหนเราขี้เกียจเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันจะเหมือนมีแรงกด นะมันมันจะเหมือนมีแรงมาครอบให้เรารู้สึกว่าอยากจะก้มหน้าก้มตานึกออกใช่ไหมเนี่ยภาพทางใจมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับยิ่งยิ่งเราไปรู้สึกแย่กับตัวเองแทนที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยมันกลับพอกพูนแล้วก็ทาให้เราเนี่ยลุกขึ้นยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าในช่วขณะ ที่เรารู้สึกวันนี้ไม่มีกำลังใจวันนี้ไม่มีแรงผลักดันวันนี้ใจมันเหมือนกับหวงหวงความคิดมันเหมือนกับคนที่เหลวไหลไร้สาระยอมรับสภาพที่มันกำลังปรากฏเนี่ยเหมือนกับคนคิดเหลวไหลเหมือนกับใจเรามันไม่มีค่าตัวเราไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้เนี่ยรู้ไปว่าสภาพแบบนั้นเรียกว่าจิตหดหู่จิตมีอาการ เข้าสู่ความฟุ้งซ่านในแบบเหลวไหลหายใจสักครั้งหนึ่งรู้ว่าเนี่ยสภาพแบบนี้อาการแบบนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเหลวๆไหลๆหน้าตามันเหมือนกับย่อมแย่ย่อมแย่จากนั้นเราจะรู้สึกว่าด้วยอาการยอมรับมันทำให้มีสติขึ้นมาวุ่มนึงวุบเดียวนะคือมันไม่ใช่มีแรงดันขึ้นมาทันที การเจริญสติไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีไฟอยากจะไปทํางานแบบโลกโลกแต่อย่างน้อยมันไม่ทําให้เราแย่ลงช่วงขณะที่มันเกิดอาการดาวลงมาเนี่ยในอาการที่มันมันทำท่าจะแย่ลงมาเราไม่ไปซ้ำเติมให้มันแย่ลงไปอีกแค่นั้นเราจะเกิดความเข้าใจว่าเออถ้าจิตที่มันว่างเปล่าแบบนั้นเนี่ยนะเออ เอาไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่งานเก่าๆที่ไม่ใช่งานแบบรูทีน จ, จําเจมันจะมีแก่ใจทำได้โดยไม่ว่าตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเบื่อเหลือเกินมันไม่มีแรงดันมันไม่มีแรงขับให้อยากทำณเวลานั้นเนี่ยอย่าไปฝืนบอกตัวเองว่าให้เวลา5นาที10บนาทีไปทาอย่างอื่น ที่เรานึกชอบจริงๆหรือถึงไม่นึกชอบถ้ามันไม่ได้มีอะไรชอบใจอยู่ใกล้มือเนี่ยไปทําอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ต้องอาศัยความฝืนใจจําไว้ว่าอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันจมอยู่ความรู้สึกแย่อยากกดดันตัวเองให้รู้สึกแย่หนักเข้าไปอีกแล้วก็อย่าปล่อยให้มันค้างคาอยู่อย่างนั้นไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่น เมื่อเช้าแปลงฟันแล้วไปแปลงฟันซ้ําอีกกี่ก็ได้นะหรือถ้าหากว่าร้อยวันพันปีไม่เคยไปวิ่งออกกําลังกายลองไปวิ่งดูจะวิ่งบนสายพานจะวิ่งเหยาะรอบบ้านหรือว่าทางในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ทําในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้อะไรที่มันเกาะกลุ่มเราอยู่เนี่ยมันหลุดหลุดล่อนออกไปกระเทาะ อ, ออกไป ว่าจำไม่เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะเมื่อไรที่สมองเข้าโหมดทำงานโดยไม่ฝืนใจเราจะมีความแอคทีฟขึ้นมาอาจจะยังไม่เกิดแรงขับดันให้ขยันแต่อย่างน้อยมันจะไม่ซึมเาวลงไปยิ่งไปกว่านั้นเข้าใจคีย์นะเข้าใจหลักการน ะ, ะตรงนี้ถ้าจำง่ายๆ ของเรานะแค่ยอมรับตามจริงเกิดอาการแย่ๆทางใจขึ้นมาแล้วก็หาอะไรทำทันทีในสิ่งที่แตกต่างไม่ใช่งานที่จำเจอย่าทำงานจำเจเด็ดขาดขอเวลาตัวเองแค่5นาที10นาทีไปแอคทิเวทไอจุดที่มันเครื่องเครื่องที่มันดับไปเนี่ยไปแอคทิเวทให้ให้มันทำงานขึ้นมาใหม่นะครับสวัสดีครับ แม่อาจารย์นะคะก็อยากจะเรียนถามในเชิงปฏิบัติอ า, าจารย์เพราะว่าตอนที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะนั่ง<ม>หรือจะเดินเนี่ยช่วงหลังมีความรู้สึกว่ามือมันจะตบว่างเปิมันในเก้าด้านอะ่แล้วก็แล้วก็เอ๊ะมันใช่วิธีการใช่หรือเปล่ปาเพราะว่าเป้าหมายชีวิตก็คือสิ่งที่รู้ว่าเราต้องการสัมผัสปานิาพานสักครั้งหนึ่งก็เอ๊ะเวลาก็น้อย คนทางใช่หรือเปล่าจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าค่ะขอคาแนะนาด้วยค่ะตอนที่รู้สึกว่างเนี่ยนะคนมักเกิด ค, คำถามโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ดูกลัวว่าเราไปติดอยู่กับความว่างแบบนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นความว่างที่สูญเปล่าไม่ใช่ความว่างแบบนิพาน แทนที่ความกลัวนะให้มองเป็นความจริงก็แล้วกันคืออย่า ก, กลัวความจริงแต่ให้ยอมรับมันเป็นพวกเดียวกับเราความจริงเนี่ยมันเหมือนกลาลยามิตรมนเหมือนมีอะไรถ้าผิดพลาดหรือว่าถูกต้องก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงออกมาแล้วเรายอมรับมันก็คือเราอยู่ข้างเดียวกับความจริงเป็นพวกเดียวกับความจริงได้นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในความว่างในแบบที่คุณประสบมามันคือความว่างที่เคลือบอยู่ด้วยความสงสัยเห็นไหมคือความว่างมันมีหลายแบบนะมันว่างไปว่างไปเป็นวันวันว่างไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วถ้าหากว่าเกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันว่างจังเอ๊ะทำผิดหรือเปล่าอว่างแบบนี้เป็นว่างแบบล่อตาล่อใจ ให้เกิดความเข้าไปหลงยึดรือเปล่าตอนที่เกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีอาการวนๆวนๆเราสามารถเห็นได้แล้วว่าความว่างไม่ว่างจริงณเวลานั้นนะที่เกิดความรู้สึกสงบที่เกิดความว่างขึ้นมาเนี่ยแทนการพยายามหาทางให้ถูกเปลี่ยนเป็นการยอมรับความจริงว่าว่างนั้นมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแล้ว ก็ดูมันแล้วจะสังเกตได้เนี่ยอย่างของคุณนะว่างมันมีว่างหลายแบบนะว่างในแบบที่แกล้งให้ว่างก็มีคือบางทีตั้งใจว่างคือมันจําได้ว่าว่างเป็นยังไงแค่นึกถึงนิดเดียวมันว่างขึ้นมาแต่ว่างแบบนั้นเนี่ยว่างแป๊บหนึ่งแล้วมันจะโยกเยกมันกลายเป็นกลับมีความว้าวุ่นอะไรขึ้นมาบางอย่าง หรือถ้าหากว่านั่งสมาธิไปแล้วเกิดความว่างนานๆนนสบายนานๆ น, น, นะในความว่างแบบนั้นเนี่ยบางทีมันจะเหมือนยังมีอะไรซ้อนๆซ้อนๆ อ, อ, อยู่เป็นเป็นอาการนึกนั่นนึกนี่ที่เวียนมาบ่อยที่สุดคือว่าเอ๊ะว่างแบบนี้ผ่านมันเป็นยังไงคือมันยังอยากเห็นว่างในแบบที่เป็นของแท้ ตัวนั้นเนี่ยมันมีความอยากผุดขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่เห็นมัวแต่ไปมองความว่างแต่ไม่เห็นความอยากแต่พอพูดไปเนี่ยมันเกิดความรู้สึกลับได้ขึ้นมาเออลืมดูไปจริงๆ ใ, ในความว่างนั้นมีอาการกระวนกระวายอยู่ที่ว่างเนี่ยมันเป็นแค่ว่างโล่งในหัวมันว่างโล่งในหัวเฉยๆ แต่มันไม่ได้เกิดความรู้สึกว่างออกมาจากรากของความรู้สึกถ้าว่างออกมาจากรากของความรู้สึกนะแม้แต่นิพานก็ไม่อยากได้แม้แต่ความรู้สึกว่าไอ้นี่ผิดมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นว่างจริงแล้วถ้าว่างจริงต่อให้ว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราก็จะไม่แคร์มันเลยแต่แคร์ตอนที่มันเริ่มมีความคิดอะไรปรากฏขึ้นมา หลังจากว่างไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นแหละนี่คือหลักการดูความว่างที่ถูกต้องแบบที่พระป่ากุวายานนั่นสอนเนี่ยนะท่า น, นสอนอย่างนี้ว่าเวลาว่างไปรู้รู้ต่อว่ามันจะว่างไปที่สุดถึงไหนคือมองความว่างนั้นว่ามันจะเปลี่ยนไ ป, นปนให้ดูอย่างไรอะไรให้ดูอย่างไรใช่ค่ะอย่าอย่าตั้งอย่าตั้งมุมมองไว้ว่าเรากำลังเห็นความว่างอยู่ แต่ให้ตั้งมุมมองว่าในความว่างนั้นมีอะไรให้ดูบ้างเข้าใจไหมคือคือถ้าเราตั้งมุมมองไว้เนี่ยเรากำลังรู้สึกว่างอยู่มันจะยึดความว่างนั้นเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วหลงลืมหมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นนี่อาการทางใจเนี่ยมันปรากฏให้ดูง่ายที่สุดชัดที่สุดก็ตอนความความว่างมันปรากฏเนี่ยแต่พอความว่างปรากฏเรากลับไปยึดความว่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแทนที่มันจะปรากฏให้เห็นชัดมันเลยเหมือนกับไม่มีอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดทีนี้อาจารย์จ ะ, จะแนะนำในการปรับปรุงคือนอกจากพอสังเกตอย่างเงี้ยแล้วมันมักจะพอใช้คาว่าปรับปรุงปุ๊บเนี่ยตัวนีวมน้มันเริ่มมันเริ่มนี่เห็นไหมเห็นไหม ค, คือคือมีความรู้สึกขึ้นมายึดขึ้นมาแล้วว่าเราจะต้อง ก้าวหน้าขึ้นด้วยวิธีการอะไรอย่างหนึ่งอุบายอะไรอย่างหนึ่งไปบริกรรมหรือว่าไปใช้เทคนิคอะไรบางอย่างแต่ที่ผมพูดไปทั้งหมดก็คือว่าเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาอย่าไปตั้งมุมมองดูอยู่ว่าเรากำลังว่างแต่ให้ตั้งมุมมองว่าในความว่างนั้นมีอะไรให้ดูบ้าง อย่างของผมนะเอายกเคสของผมเองเลยเนี่ยผมจะดูว่าเออเนี่ยว่างเนี่ยเรามีความพอใจที่จะเห็นหรือเปล่าว่าลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกถ้าเห็นความพอใจที่รู้อยู่ว่าลมแค่ผ่านเข้าผ่านออกคือจบตรงนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีอันนี้จะสัญญาคุ้นแล้วว่าเนี่ยที่ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ มีความพอใจแค่เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจแสดงอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นนะจิตมันพัฒนาของมันขึ้นไปเองคือมันสะสมสัญญาอนิจจะสังสมอนิจจสัญญาเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราหลับตาแต่ตอนที่ลืมตาออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันปรากฏเหมือนไงลืมตาอย่างเงี้ยเห็นเป็นสายอยู่ตลอดเวลา มันผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกณใจที่มันรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเนี่ยผมรู้อยู่ออกมาจากจิตเลยนะว่ามันพร้อมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันพูดง่ายๆพอมันแม่นว่าจะเอาที่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความสงสัยต่อมันจะมีแค่ความพอใจที่มาถึงจุดที่โอเค จิตมีสภาพพร้อมรู้จิตมีสภาพพร้อมที่จะยอมรับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าต่อ ต, อตาของคุณเนี่ยคืออย่างนี้นะเวลาที่นั่งสมาธิไปทุกครั้งเนี่ยขอให้สังเกตว่าเราจะมีความร่ำร้องอยู่ลึกๆคือหาหนทางที่ถูกต้อง คือไม่ใช่คือคือเชื่อครูบาอาจารย์แล้วนะไม่ใช่ไม่เชื่อหรือว่าไปพยายามแสวงหาอะไรที่ที่นอกเหนือไปกว่านี้หรือว่ายิ่งไปกว่านั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรหมดแล้วนะไม่ได้ต้องการที่จะออกนอกทางแต่มันมีอาการเรียกร้องอยู่ว่าเอ๊ะเราทำนายังไม่ครบหรือเปล่าหรือมีกรรมฐานหรือมีอุบายวิธีอะไรที่จะทําให้เราลัดตรงเข้าถึงการบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่า ทุกครั้งที่จะปฏิบัติมันมีอาการร่ำร้องขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมขึ้นต้นมามันไม่ได้ว่างมันมีอะไรวุ่นอยู่นี่พอพอเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคราวนี้มันเริ่มว่างจริงแล้วมันเริ่มพอใจพอเข้ามาที่ใจใจที่มันพอเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้ จะเห็นความอยากทุกครั้งที่เริ่มต้นจริงๆค่ะอาจารย์แล้วพอปฏิบัติไปสักพักก็อยากอีกแล้วทีนี้จริงๆสิ่งที่อยากอาจารย์เตือนตลอดชอบลืมสรุนไม่ไม่ใช่ลืมแต่มันไม่เห็นคือคือเข้าใจหมดแล้วก็พยายามมาดีหมดแต่ไอ้ตรงที่เกิดความรู้สึกอยากเนี่ยนะมันไม่ได้มองเข้ามา มันไปมันไปยึดแต่มุมมองของความบ้างยึดแต่มุมมองของอะไรที่ว่าเอ๊ะมันเรายังไม่ดีพอคือคือมันเป็นคนชอบอย่างนี้ด้วยไงว่าเรายังบกพร่องอยู่หรือเปล่าแล้วยังโน่นเรายังนี่อยู่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะมันมาสงสัยตัวเองหรือว่ามาเพ่งโทษตัวเองซึ่งซึ่งอย่างน้อยก็ดีกว่าสมัยที่ไปเพ่งโทษคนอื่นนะแต่ว่าอาการเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นตามจริง มันเห็นแต่ข้อไม่ดีข้อยังไม่บริบูรณ์ข้อยังบกพร่องอยู่แต่ที่มันดีแล้วกลับมองไม่เห็นนะไอ้ที่มันว่างว่างของมันอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในความว่างให้ดูบ้างเ้ากลับไปเ้ว่างอยู่แค่นี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเสียงของคู่ใบาจา์เตือนขึ้นมาว่าว่างๆไม่ถูกนะ หรือว่าแค่ว่างเนี่ยมันยังไม่จบนะมันมีอะไรให้เสร็จแล้วเราก็เลยกระวลกระวัยขึ้นมาวิเราเจอว่างจริงๆด้วยเสร็จละไปไม่ถูกละเนี่ยดูความกระวนกวังวัยดูความอยากดูอาการเรียกร้องลักษณะนะมันจะมีอย่างนี้นะผุดขึ้นมาเป็นอาการคล่ำครวนคล่ำควนอยู่ข้างในว่าเออมันยังมันเนี่ยทามาหมดแล้วนะ พยายามมาแล้วความว่างก็เห็นแล้วเออมันไม่ได้บรรลุอะไร ท, ทั้ทีตรงนั้นนะมีความรู้สึกยังไงขึ้นมายอมรับตามจริงไม่ต้องไปว่าตัวเองต่อแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเออมันสามารถเห็นได้ง่ายๆแค่นี้เองแค่ยอมรับทำยังไงไออาการยอมรับเนี่ยมันจะจุดชนวนติดขึ้นมาเริ่มจากตอนที่ มีปรากฏการณ์ทางใจเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเนี่ยคืออาการกระวนกระวายนั่นแหละอยากโ น, น่นอยากนี่นั่นแหละเนี่ยแล้วพอใจหยุดอย่างนี้นะดูต่อว่ามันยังมีอาการต่อไปข้างหน้ามาให้ดูอีกไหมนะถ้าหากว่าเราดูเป็นครั้งๆดูเป็นว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยรู้สึกอย่างไรอยู่ถ้ารู้สึกอยากถ้ารู้สึกยังไม่หยุดถ้ารู้สึกยังไม่พอเดี๋ยวมันจะกลับไปโหยหาอีก จำไว้เลยนะถ้าเคยห้ยหามาเนี่ยมันจะกลับไปห้ยหาอีกคือให้มองเป็นว่าแต่ละลมหายใจแตกต่างกันยังไงอารมณ์นี้ลมหายใจแบบนี้ห้ยหายอมรับอารมณ์ต่อมาเนี่ยมันมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่แหละคืออาการทางใจที่มันปรากฏอยู่จริงๆแล้วมันจะจริงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราดับขันเข้าปรินิพานใกล้จะดับขันเข้าปรินิพานเนี่ยนะมันก็มีความจริงอยู่แค่เนี้ยคือว่างหรือไม่ว่างวุ่นหรือไม่วุ่นค่ะเออจะขอถามพี่ตุลเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะคือภาวนามาประมาณสักครึ่งปีตอนแรกก็จะมีแบบ มีโทสะเยอะก็จะตามดูโทสะดูไปดูมาก็ดูแลดับดูแลดับหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งก็เหมือนกับไม่ค่อยมีโทสะแล้วแล้วก็เริ่มจะดูอะไรก็เหมือนกับว่างเว้นการปฏิบัติพักหนึ่งเพราะว่ามันมีความไม่พอใจอยู่นะก็คือคือเราจะไม่พอใจอะไรได้ง่ายใช่ค่ะไม่พอใจเพีงแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งพล่านขึ้นมาเมือนได้ก่อนหลังหลังนี่ช่วงหลังมานี่ก็เริ่มรู้สึกว่าตามดู อารมณ์ทุกอย่างอะค่ะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือว่าความไม่พอใจเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในใจหรือแม้แต่ความเฉยเฉยก็ตามดูความสุขก็ตามดูช่วงเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าพอดูบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่าเราแหงออกมาจากโลกอ่ะคือเหมือนกับพออะไรกันพอเหมือน<ม>เราเหมือนกับเราไม่ออ า, าจิตจิต<ม>เราไม่ออกไปตะคุบอารมณ์แล้วอะค่ะเพราะเหมือนกับว่าดูไปก็ ก็เดี๋ยวก็ตามดูตามดูมดบ่อยเหมือนกับเหมือนกับรู้ทันจิตมันก็จะไม่ค่อยออกไปตะคุปอารมณ์ช่วงนี้เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรจะดูเหมือนกับมันเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน ถ, ถ้าช่วงที่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรจะดูเนี่ยนะฝึกสมาธิดีที่สุดเลยเขาเอานั่งสมาธิที่ไรหลับทุกทีเลยค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้อ่า คือจริงๆแล้วการนั่งสมาธิที่ดีที่สุดนะควรจะเดินจงกรมควบคู่ไปด้วยแล้วเดินเร็วนิดนึงเล่นกีฬามั้งบ้าเล่นค่ะใช่ไหมเป็นค น, นเล่นกีฬาใช่ไหมเนี่ยยังถ้าเกิดกระทบอะไรเนี่ยเราเรารู้เพราะจริงจิงกิของเราเนี่ยมีความตื่นตัวอยู่นะ ม, ม, มีมีความมีความมีความแอคทีฟอยูอ่ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเข้าไปพบกับอารมณ์สบายอย่างเช่นนั่งสมาธิไปแค่ดูลมนิ่งๆเนี่ย มันกลายเป็นความอยากจะหายไปเลยได้อยากจะหายไปเลยนี่ก็คือหลับนั่นเองนะก็มีถ้านั่งสมาธิจะมีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่ฟุ้งมากก็หลับไปเลยค่ะฟุ้งนี่ฟุ้งแบบไม่เข้าใจว่ า, วาฟุง้งเมื่อกี้ที่น้องนั่งตอนที่พี่ไก่อ ะ, ค, ะคือมันมีความยังมีความพยายามค่ะเห็นความพยายามไหมพยายามที่จะตั้งหน้าตั้งตา ซึ่งต อ, ตอนที่พยายามอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดตื่นแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ขี้เกียจที่จะพยายามแล้ ว, ลวมันจะเริ่มมันจะเริ่มแบบเข้ามาหาจุดที่สบายน้องดูเป็นอาการทางใจที่มันเป็นขั้นเป็นตอนตอนแรกอะ่ะมันจะมีความพยายามทําให้ดีมันมันจะไม่สนใจความสบายแต่พอมันเริ่มรู้สึกว่าเออดูไปไม่เห็นเกิดอะไรขึ้น มันจะเริ่มหาอารมณ์สบายคืออยู่ในจุดที่แบบเหมือนไม่ต้องทำอะไรเหมือนไม่แอคทีฟแล้วมันก็นจะค่อยๆบอกตัวเองให้สงบไปทีละน้อยนะจงกระทั่งไม่รู้สึกตัวตรงนี้ถ้าเราสามารถเห็นอาการทางใจอย่างที่พี่ว่ามานะต้องไปสังเกตดูในแต่ละครั้งที่เริ่มหาอารมณ์สบาย มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่รู้สึกอยากจะพักให้หายใจยาวขึ้นนิดหนึ่งลากลมหายใจยาวขึ้นนิดหนึ่งพอเราบอกตัวเองด้ว่าเนี่ยยังเห็นลมหายใจชัดๆอยู่ให้ดูต่อว่าครั้งต่อไปร่างกายต้องการลากเข้าสั้นสั้นกว่านั้นสั้นลงกว่านั้นไหมหรือว่ายังอยากหายใจเข้ายาวๆได้อยู่เนี่ยมันจะเริ่มมีมุมมองที่แตกต่างแล้ว คือไม่ใช่มุมมองของการทรมานตัวเองหรือว่ามุมมองของการพยายามที่สูญเปล่าแต่มันจะเห็นความแตกต่างว่าเออถ้าหากเราลากลมหายใจยาวๆเข้าครั้งหนึ่งได้นะครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจมีความเปลี่ยนแปลงคือร่างกายไม่ได้ต้องการเอาเข้ายาวตลอดเวลาแต่ครั้งต่อมาอาจจะเข้าสั้นก็ได้แล้วเราจะมีจุดสังเกตต่อว่าเออเนี่ยพอลากสั้นแล้วครั้งต่อไปยาวต่ออีกได้ไหมยาวขึ้นได้ไหม มันจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่เปลี่ยนแปลงที่จิตแต่เป็นอาการเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายธรรมชาติของกายเขาเนี่ยต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละระลอก ล, ลมหายใจเพราะจิตของเรามีจุดสังเกตเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องได้มากขึ้นนะหมายถึงว่าต่อเนื่องในความตื่นตัวต่อเนื่องอยู่ในอาการตื่นตัวที่ผ่านมามันไม่มีพ้อยท์ มันไม่มีพอชัดเจนคื อ, อยังผ่อนคลายล้วก็ผ่อนคลายได้ละแล้วเสร็จแล้ว พ, ยยพออยู่ในอาการพยายามตั้งหน้าตั้งตาทาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยู่ในกรอบแล้วนะเราอยู่ในวินัยแล้วนะแต่มันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆที่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเรายังสังเกตไม่ถูกจุดในอาการที่มีอาการตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยเราเห็นแต่ลมหายใจเป็นหลกัก แต่ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าใจพลอยัหมมันนิดเดียวนะแต่มันตัดเชือกเลยว่าเราจะไปต่อบนเส้นทางของการเจริญอาณาปานสติก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าย่าอยู่กับที่คนคือที่ฝึกกันมาร้อยคนเนี่ยจะมี99คนหรือเกินกว่า99 99.99 99. พูดง่ายๆ1ในพันหนึ่งในหมื่น ที่จะเริ่มสังเกตออกว่านี่ลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกอยู่เนี่ยมันเป็นลมหายใจคนละชุดกันตลอดเวลาคือจิตมันจะเข้าไปอยู่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาจับลมหายใจท่าเดียวแต่เป็นการสังเกตว่าลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกเนี่ยมันไม่เท่าเดิมพอเราเริ่มสังเกตว่าลมหายใจคือเกิดความรู้สึกขึ้นมา ว่าลมหายใจมันไม่เท่ากันจริงๆด้วยน้องลองสังเกตต่อไปว่าจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นคือมันจะไม่มีอาการตั้งหน้าตั้งตานะแต่มีอาการที่รู้อยู่เห็นอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ต้องไปคาดคันแล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองนิดนึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาอยู่เนี่ย มันชอบมีอารมณ์ประมาณว่าทำไปไม่เห็นได้อะไรอะไรประมองเนี้ยนะผุดขึ้นมานึกออกไหมเวลาเราดูไปมันแบบมันจึ๊บมันจึ๊จึจักจั ก, จกแบบคนที่ไม่พอใจคือคจริงเราแล้วปกติจะไม่นั่งสมาธิเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้ค่ ะ, <น>ะแต่ <นะ S 2> ว่า <นะ S 2> พอไปแบบฟังครูบาอาจารย์ก็ จะมีบอกว่าต้องทําสมาธิให้เรามีกาําล uh ัง huh. ก็เลยก็นั่งนั่งไปคิดว่าถ้าไม่นั่งเดี๋ยวไม่มีกาําลังดูจิต uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แต่ก็คือคือตั้งต้นมาเนี่ยที่เข้าใจทุกคนเนี่ยจะมองอย่างนี้เหมือนกันหมดว่า uh huh. ตัวเองไม่ถูกเจริญกับอาณาปานาสติแต่จริงๆแล้วมองไม่ถูกตั้งหากมันยังไม่เกิดอาณาปานาสติสติยังไม่เจริญขึ้นตัางหากนะอาณาปานาสติที่แท้จริงไม่ใช่การดูลมหายใจ แต่เป็นการเอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งในการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในขอบเขตของกายใจนี้พอเราทำความเข้าใจอย่างนี้แม่นยำจริงๆมันจะเริ่มเห็นแม้กระทั่งอาการที่เราจึ๊กขึ้นมาเหมือนกับเนี่ยน้องน้องนึกทบทวนนะเวลาเราตั้งตั้งหน้าตั้งตาดูลมหายใจมันจะมีอาการเหมือนเมินๆ ม, มันจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนกับอยากจะหันหน้าออกห่าง เข้าใจไมคือแบบไม่พอใจว่าจะต้องาบังคับให้นั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกอยู่แค่นีมน้มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นพอยท์แล้วมันจะมีความรู้สึกขัดเคืองขึ้นมาอยากหันหน้าหนีนี่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจอาณาปานสติจริงๆเราก็จะเห็นอารมณ์นี้อย่างที่พี่ว่ามาเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่มาทบทวนตอนนี้นะ แตเห็นณนขณาที่มันเกิดขึ้นเลยว่าในลมหายใจนี้เรากำลังเกิดโทสะขึ้นมาอ่อนอารมณ์โทสะของเราจะเป็นประมาณว่าเหมือนกับเราคุยกับใครแล้วคนนี้คุยด้วยแล้วไม่มีประโยชน์อยากหันหน้าหนีเห็นไหมนี่คือภาพทางใจที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองและเมื่อเราสามารถเห็นได้โดยตัวเองในขณะที่ทา สมาธิมันจะเห็น p อ i n t ของสมาธิว่าไม่ใช่เอานิ่งแต่เอารู้และยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งติดมาเป็นนิสัยทางใจในขณะที่ลืมตาออกมาหาโลกความจริงภายนอกเวลาที่น้องเกิดคำถามขึ้นมาเกิดคำถามกับตัวเองนะว่าไม่เห็นมีอะไรให้ดูตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วเราจะเริ่มรู้สึก ขึ้นมาว่าไอ้ที่เรานิยามคําว่าโธสานี่ยมันคืออาการพุ่งปริษมันมีอาการร้อนๆมันมีอาการกระสับกระสายกระวนกระวายอย่างชัดเจนแต่แท้ที่จริงแล้วโทสัสมาในรูปของเมฆหมอกความรู้สึกมืดๆได้ด้วยมันมีอาการเหมือนกับขัดเคืองไม่พอใจแล้วมีอารมณ์มืดๆขึ้นมานี่คืออาการเห็นภาพทางใจนะ มันมันไม่ใช่อาการที่แบบประจักษ์ชัดว่านี่ต้องต้องมีอาการตรี้ขึ้นม า, าแล้วไปนิยามว่านั่นถึงจะเรียกว่าโทสะแม้อาการรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้อย่างใจนี่ก็เรียกว่าโทสะได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นโทสะที่ดูยากขึ้นกว่าตอนที่มันปรีย้ย แล้วอารมณ์หนึ่งคืออย่างอของเราจากนิ่งๆว่างๆที่เรารู้สึกเนี่ยคือคือมันบางทีมันชัดมันมันปรากฏขึ้นมาชัดเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันไหลตลอดมันคิดตลอดนี้พอมันเว้นวากไปเนี่ยเราเลยเกิดความรู้สึกยึดว่าตรงนี้เราว่างแต่จริงๆขอให้ดูนะ แป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะไหลๆห ล, หลกลับมาอมันพรั้งพรูกลับมาไอกระแสความคิดฟุ้งซ่านกระแสความคิดแบบว่าจะทำยังไงดีตอนนี้จะเอาอะไรดีจะตั้งจิตไว้ตรงไหนจะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยที่มันไหลกลับมาเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นกระแสความฟุ้งซ่านอุทธจักกูอุจจักที่มันปรากฏขึ้นมาในหัว เราจะไปมองแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เราจะทำอะไรดีปฏิบัติอะไรดีเพราะเมื่อกี้มันถือว่าประสบความสำเร็จมาแล้วในการเว้นวัตความปรุงต้านเ พ, าเพราะกลับมาใหม่มันกลับมาในรูปของคำถามว่าจะเอาอยัางไงดีทำอะไรต่อแต่ตรงนั้นแหละที่ถึงเวลาที่เราสามารถดูได้คือแค่ยอมรับไปเออเนี่ยตอนนี้มีอะไระปนดปวนอยู่ในหัวนะ ข อ, ของเรามันจะมีลักษณะความคิดแบบหนึ่งที่จะไปสังเกตเดี๋ยวค่อยๆสังเกตนะตอนที่เราเว้นว่างจากความฟุ้งซ่านเราจะรู้สึกสว่างสว่างเหมือนออกที่โลง่งแต่เมื่อไหร่ที่ความฟุ้งซ่านกลับมาแม้กระทั่งถามตัวเองว่าอยากจะทําสมาธิต่ตอหรือว่าจะทําเจริญภาวนาอ ย, ย่างไรถึงจ ะ, ะต่อยอดตรงนี้ได้ตรงนั้นมันจะเกิดความมืดขึ้นมาคือจากที่แบบอยู่ที่โลง่งสว่างสว่าง มันจะเหมือนกับเข้าป่าเข้าป่ารกใหม่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในป่ารกตลอดแล้วพอมาเจริญสติเราออกที่โลง่งออกทุ่งโล่งกว้างสบายสว่างขอให้สังเกตแม้กระทั่งคำถามว่าจะทำอะไรต่อตรงนั้นกลับเข้าป่ารกใหม่แล้วแต่เราจะไม่รู้สึก เพราะมันจะมีความรู้สึกบอกตัวเองว่านี่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราผ่านการปฏิบัติที่สำเร็จมาแล้วระดับหนึ่งและเรากำลังแสวงหาทางต่ออยู่ตั้งหากแต่แท้ที่จริงไม่ใช่มันกลับมาฟุงสร้างเรียบร้อยเพียงแต่มาในอีกรูปแบบความคิดหนึ่งที่เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไปหลงกลมันเรียบร้อยนะ แล้วคือเราก็แค่ตามรู้ว่าเราฟังเสียงลหา่ยของ <ศา S 1> เราอะตามรู้ อ, รอย่างเดียวไม่พอเนะี่พี่บอกจริงคือเราต้องนั่งสมาธิที่เราจะเห็นปฏิกิริยาทางใจหรือว่าอะไรที่มันผุดขึ้นมาจริงๆมันตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็คือคือเห็นเห็นให้ได้ก่อนว่าตอนตอนที่ลืมตาอยู่เนี่ยบางทีแม้กระทั่งความคิดว่าจะปฏิบัติ เรามองไม่เห็นแล้วว่าเน่ตอนนั้นเนีน่ยณเวลานั้นเนี่ยมันมีความมืดปรากฏและมันมีความพุ่งสร้างปรากฏแล้วแต่ถ้าหากว่าเราหลับตาทําสมาธิอยู่นะแล้วเห็นว่าแต่ละลมหายใจไปซ้อมให้ให้ชํานาญนะว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความโล่งกับความรู้สึกเหมือนป่ารกทึบเนี่ยไปดูแค่สองสามอารมณ์พวกนี้เอาเอาง่ายๆเลยอันนี้พี่นิยามให้ชัดๆเลยเหมือนออกทุ่งโล่งกับเหมือนเข้าป่า คือแม้กระทั่งตอนที่เราอึดอัดโอ๊ยทําไมเราต้องมานั่งทําสมาธิตอนนั้นก็ให้นิยามาเหมือนเข้าป่าแล้วแต่ถ้าใจไม่มีอะไรไม่ได้มีคําถามไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะนั่นอยากจะนี่ไอ้นั่นให้นิยามาเหมือนออกทุ่งลง่งแล้วดูไปว่าแต่ละลมหายใจอยู่ในทุ่งลง่งหรือว่าเข้าป่าดูดูแค่เนี้ยดูอยู่แค่เนี้ยการจเจริญสติของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้าขึ้นแล้ว มันก้าวหน้าขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงของทุ่งโล่งกับป่ารกมันไม่ใช่ว่าเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาจากการที่เราไปได้อุบายวิธีหรือเห็นอะไรที่มันพิสดารเห็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนเห็นอะไรเกิดดับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแต่มันค่อยคอยเห็นความต่างในแต่ละลมหายใจเป็นภาวะนะแต่ละภาวะเนี่ยพอเราเริ่มคุ้นกับมันเอ้ยนี่ออก ทุ่งโล่ง ม, มีอะไรเลยไม่มีคําถามไม่มีความสงสัยไม่ได้มีความอยากอะไรเพื่อตัวตนลมหายใจต่อมามันคิดโน่นคิดนี่ถูกแปลว่าทําอะไรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะต้องไปทําอะไรคือพอกมีอาการเข้าป่าเดกกัออกทุ่งโล่งแบบนี้มาเปรียบเทียบเรื่อยๆนะตัวนี้แหละมันจะปรากฏเป็นสภาวะขึ้นมาเองที่เรากําลังอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงคือภาวะของอนัตตาทั้งนั้นเลย แต่ใจจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นะใจจะไม่มีทางเห็นตราบเท่าที่เรายังอยากทำโน่นอยากทำนี่อยู่แม้กระทั่งอยากเจริญสติให้มันก้าวหน้าเราเข้าใจพราะจริงๆนะมันจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เอาความอยากออกไปที่เหลือเนี่ยคืออนัตตาอยู่แล้วเรากําลังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาได้อยู่แล้วแต่ที่มันมองไม่เห็นเพราะมีความอยากมีความสงสัย หรือมีความรู้สึกขัดเคืองมาบังชั่วขณะนั้นเท่านั้นเองเนี่ยแล้วมันจะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะพี่ตุลขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไปอะค่ะพอดีว่าก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วค่ะ แต่ก็เหมือนกับว่ายังเหมือนกับตัวเองยังดูอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะคะอ่ะเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งน้องบอกว่าปฏิบัติมาหลายปีแต่ดูอะไรมายังไม่ค่อยชัดเดิมทีก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่านี้เพราะไม่พยายามดูอะไรเลย มันมีแต่อาการว่าใจอยากจะเอาอะไรเราพุ่งไปตามนั้นทุกวันนี้ก็มีนะมันมันก็นะไอ้อะไรที่มาล่อตาล่อใจอะไรที่มาทำให้รู้สึกสนุกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยได้โซเชียลหน่อยนะมันมันรู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่แต่ก่อนมันหนักกว่านี้มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เริ่มเห็นขึ้นมาวบาบแวบ ไอ้ที่น้องปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เปล่าแต่ที่ผ่านมามันยังปฏิบัติแบบบอบๆแวบๆอยู่คําว่าบอบๆแวบๆหมายความว่าเราไม่ได้ดูอะไรจริงๆจังๆเราดูเป็นความผุ้งซ่านบ้างเราดูเป็นความรู้สึกโกรธบ้างดูเป็นความรู้สึกเออเนี่ยกําลังหายใจเข้าหายใจออกแต่ละอย่างเนี่ยดูแป๊บๆปฏิบัติมาหลายปีก็จริงแต่เราดูแบบแป๊บๆ ม, มันไม่ดูจกนกระทั่งเข้าถึงซึง้งในรถพระธรรมนะคำว่าถึงซึ้งในรถพระธรรมก็คือเห็นภาวะต่างๆที่มันที่เราดูเนี่ยดูปับปับแป๊บๆเนะี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เราดูเข้าไปแบบแตะแตะต้องต้องเฉยเฉยยกตัวอย่างเช่นเห็นตัวเองโกรธรู้สึกแล้วว่าโกรธบางทีมันเห็นหายไป แต่บางทีมันก็ยังหมุนอยู่ในหัวอยู่นั่นแหลนะยังเป็นพวกเดียวกันกันกบความโกรธอยู่นั่นแหละยังเป็นเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าเอ้เราปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะทำไมมันไม่เมตตาเขาสักทีอะไรแบบนี้ประมาณว่ายังสงสัยตัวเองอยู่นะว่าความโกรธกับเราเนี่ยทำไมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ขนาดนี้ มันมันเป็นเกลออกันมานานกี่กับกี่การกันแน่นะมันถึงไม่หายไปสักทีแน่นอนครับมันมันเป็นมันเป็นมิดที่เรายึดว่าเป็นตัวเรามานับภพนับชาญไม่ท้วนที่เรียกว่าเป็นอนันตชาติการที่เราจะมาฝึกแค่ไม่กี่ปีมันเหมือนน้ำไม่กี่หยดในน้ำสระหรือน้ำมหาสมุทรมันเทียบกันไม่ได้ คืออย่าหวังว่าเราจะเห็นไปเรื่อยๆจะกี่ปีก็แล้วแต่แล้วโทสะมันจะหายไปโทสะมันจะหายไปจริงๆต่อเมื่อบรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีเท่านั้นคำว่เาเห็นชัดของน้องเนี่ยมันคือการได้ก้าวหน้าแอดวานกับเขาในความหมายในใจอะแต่ทุกวันนี้น้องยังสมัครใจ ที่จะดูแบบป๊อปปอแป๊บแปบอยู่ไงมันก็เลยเห็นไม่ชัดแบบแอดวานกับเขาสักทีมันเลยไม่ซึ้งรถพระธรรมกับเขาสักทีแต่จริงๆคือนี่เป็นคารวาะเกรด A แล้วนะคือเราพยายามที่จะไม่เบียดเบียนใครแต่ใจมันยังอยากเบียดเบียนอยู่นะแค่พยายามที่จะไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นคารวะที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะ ถึงแม้ว่าจะยังรอดูละครหลังข่าวอยู่บ้างนะอ่านะมันก็ยังแบบดูละครเสร็จมานั่งสมาธิเมื่อกี้ดูไปพุงงซ้านขนาดไหนถือว่าแตกต่างจากคนทั่วไปเขามากแล้วของเขาเนี่ยดูละครเสร็จเน อ, อจะไปหาแฟนใหม่ที่ไหนดีนะหรือจะโทรกลับไปหาแฟนเก่าดี มันฟุ้งซ่านแบบกระเจิดกระเจิงเข้าลกเข้าพงแบบไม่มีทางเจอพระธรรมเราแบบนั้นะประเด็นก็คือถ้าเราจะเอาให้เห็นชัดอย่า ก, กลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็คือนะเลิกดูแบบป๊อปป๊แป๊บแป๊บสถีแต่หันมาเอาจริงเอาจังยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเรา นั่งสมาธิตามที่พี่ไกด์อ่ะคือมันก็เห็นนะออหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันก็โล่งบางทีมันก็สบายแต่ในหัวมันก็พุ่งสร้างอยู่แล้วมันก็เกิดคำถามมากมายลืมไปหมดแล้วว่ า, ามีคำถามอะไรผุดขึ้นมารู้แต่ว่ามันมีผุดคำถามขึ้นมา <c oughs> ประเด็นคือถ้าเรากลับไปเอาจิง ทําตามที่พี่ว่าเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าในหัวยังเต็มไปได้วยความฟุ้งซ่านแล้วมันจะเว้นวักเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยที่มีช่วงเว้นวักตอนที่เรารู้สึกหายใจยาวสบายแต่มันเว้นวักแป๊บเดียวกับมานฟุ้งซ่านใหม่แต่อย่างน้อยได้เห็นไงช่วงช่วงเว้นวักของความฟุ้งซ่านคือ ใ, ใจเรามันเหมือนว่างๆนะแต่ในหัวเต็มไปได้วยความฟุ้งซ่านแบบเาเก่า คือมันเหมือนกับความคิดของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเลยแต่ใจเนี่ยมันเริ่มต่างนะเราจะรู้สึกได้ถ้าจําไม่ได้ว่าเมื่อกี้พี่พูดไกดไปยังไงก็เข้าไปดูใน www. s a u k l u d c o m slash dantrin นะรู้อยู่แล้วนะและ้วใส่ตรงนั้นเนี่ยฟังไปทําไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจจริงๆว่าความฟุ้งซ่านที่มันเว้นวักให้ดูณนะเวลาที่นั่งสมาธิมันมีความหมายอย่างไร มันมีความหมายคือเราได้เห็นความไม่เที่ยงของความฟุง้งซ่านเหมือนเหมือนกับที่เราได้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจผ่านเข้ามาแล้วต้องผ่านออกไปเป็นธรรมดานี่ตอนนี้มันค่อยลดคลื่นความฟุ้งซ่านลงเห็นไหมรู้สึกมันค่อยคลายออกไปที่ผ่านมาเนี่ยเราไปล็อกอยู่ตรงนี้คือไปมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรดีขึ้น โดยอาศัยตรงนี้เป็นเกณฑ์หลักโดยไม่รู้ตัวตราบใดที่คลื่นความพุ้งสร้างยังหนาแน่นอยู่เรายังมีความรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงไหนแต่มันมีจังหวะเว้นวักคลายออกไปบ้างตรงนี้ไงที่เรียกว่าเราเห็นชัดแล้วว่ามันเว้นวักเห็นชัดแล้วว่ามันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูอยู่แล้วถ้า เรายังไม่พยายามทำสมาธิจะอาศัยแต่ดื่มตาในชีวิตประจำวันอย่างเดียวมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกหกเจ็ดปีข้างหน้ามันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละคือสมาธิน้อยไปใช่ไหมคะถูกต้องและนอกจากสมาธิน้อยไปเนี่ยการสังเกตรู้จักสังเกตอาการเว้นเว้นวักของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นความสังเกตตรงนี้พี่ให้มาดู ตอนที่ฝึกอานาปานาสติหรืออย่างตอนที่ชี้ให้ดูเมื่อครู่เนี้เพราะเพราะของเรามันอยู่ตรงนี้ไงมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงเนี้ว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ไปถึงไหนยังปฏิบัติแบบเหมือนคนหยอหยอใหญ่ใ ห, ใหมองไม่เห็นอะไรเป็นอ น, นิจจังกับเขาสตีพี่จะชี้ให้เห็นอ น, นิจจังของความไม่เที่ยความไม่เที่ยงของความพุงสั้นนี่แหละเพราะเราล็อกอยู่ตรงนี้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ว่าถ้ายังไม่เห็น ความพุ้งสั้นมันคลายตัวลงแปลว่ายัางไม่ก้าวหน้าแล้วความก้าวหน้าเห็นไหมมันมาแค่ในแค่ห้าวินาทีสิบวินาทีที่เราเข้าใจว่าจะดูยังไงมันไม่ใช่เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาเพราะว่าเราทำอะไรเพิ่มนักหนานะมันทําแค่ตั้งมุมมองให้ถูกต้องเท่านั้นเองรู้สึกถึงความสว่างไหม จำความสว่างตรงนี้ไว้แล้วเอาไปเปรียบ เ, เทียบเวลาที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาความสว่างตรงนี้จะหายไปเราสามารถดูตรงนี้ได้ในระหว่างวันแลวอย่าไปแคร์ว่าเราจะฟุ้งซ่านอีกแค่ไหนนะหรือว่าเราจะคิดไม่เป็นเรื่องเราจะเพราะนี่มันสังสมคำพูดของตัวละครมาเยอะนะมันมี อารมณ์ของตัวละครเนี่ยมาวิ่งพล่านอยู่ในหัวเราแต่ในใจเราก็คือมันมันเหมือนคนอดไม่ได้รู้ทั้งรู้ใจเนี่ยใจจริงๆเนี่ยอยากจะว่างอยากจะสบายกว่านี้แต่อดไม่ได้ความเคยชินแบบเดิมๆไปรับอารมณ์แบบนั้นมานดาราแต่ละคนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นเละบอกให้ <laughs> คือบางทีเนี่ยไป คนเนี่ยคนโดนเนี่ยจะคาดหวังนะครับคนนี้สนแสดงเก่งคนนี้อินเข้าบทบาทไม่รู้หรอกเขาต้องแลกกับอะไรมายิ่งเข้าถึงบทบาทตีบทบาทแตกมากขึ้นเท่าไหร่นะยิ่งใกล้เคียงกับคนเป็นโรคจิตมากขึ้นเท่านั้นคุณลองดูดิพยายามร้องห้าสิบรอบให้เหมือนจริงนะแล้วเสร็จแล้วบอกโอเคจบแล้วคัดด้วยอาการแบบนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะคือ ไม่ปกตินะคนธรรมดาทําไม่ได้นะแต่เราไปรับอารมณ์แบบนั้นเสพอารมณ์แบบนั้นแล้วรู้สึกอินนะี่ไปกินอาการของคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะกายเป็นคนไ ม, ไม่ปกติเลยใช่ไหมแต่ว่าเวทช่วงหลังๆที่ดูโทรทัศน์นะคะมันจะเหมือนกับบางทีก็ดูแล้วสักพักเดียวเบือ่อดูอะไรเนี่ยทําไมฉันต้องดูด้วยอะไรอย่างนี้คะพี่ถึงบอกไง ใจของเราจริงๆอะ่ะมันเริ่มไม่อยากเอาแต่อดไม่ได้มันมีความเคยชินแล้วมันพออดไม่ได้อารมณ์ของคนอดไม่ได้นะมันจะเหมือนกับมีอะไรดึงกระชากออกไปกระชากากถูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสู้มันไม่ได้อารมณ์อดไม่ได้หน้าตาอย่างงี้นะภาพทางใจมันจะเป็นแบบนี้เหมือนถูกกระชาก拉ขู่แล้วเราสู้มันไม่ไหวยอมให้มันกระชาก拉ขู่ไป นึกนึกถึงตอนคนจิกหัวแล้วอะ่ะแลแบบกระชากหลุนหลุนหลุนแล้วเราสู้ไม่ได้คล้ายๆแบบนั้นอาการทางใจนึกออกใช่ไหมทั้งที่เราบอกไม่ไปไม่ไปเนี่ยแต่กระชากลากถูโดยที่แรงของเราสู้ไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอาการอย่างนี้เป็นภาพทางใจนะเราสู้ไม่ได้โดนกระชากลากถูไปบ่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเอ๊ะ แค่เราสะบัดสะบัดหัวทีเดียวมันก็หลุดจากมือเขาแล้วแต่ตอนที่ยังไม่มีสติยังมองไม่เห็นภาพทางใจแบบนี้เนี่ยมันจะเชื่อไงว่าเราสู้ไม่ได้สะบัดหัวไม่ไหวยังไงก็ไม่รอดมือเขาอยู่ดีมันต้องเห็นภาพทางใจบ่อยๆนะภาพทางใจว่าเนี่ยมันเหมือนกับเซหลุนๆไปเนี่ยแล้วนะ โดนแบบที่ไม่สามารถต้านทานโอเคคืออาจจะยอมตามมันไปครั้งสองครั้งเนี่ยแต่เห็นทุกครั้งก็แล้วกันเห็นให้ได้ทุกครั้งว่าโดนกระชากลากถูไปอาการมันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แลวในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดกําลังสติขึ้นมาเองทุกครั้งที่เราเห็นภาพต่างใจจำไว้นะมันเป็นการสะสมสติสติจะเจริญขึ้นเมื่อเราเห็นชัด แล้เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ใต้อานาจของมันเราอยู่ใต้อำนาจของมันเนี่ยตอนนี้สติเจริญขึ้นแล้วเข้าใจนะโอเคจ้าสัดีครับสวัสดีค่ะอยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กน ะ, ะพอถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตที่เราคิดว่าเราพอแล้วเนี่ยะคะ มันจะเกิดวิกฤตในชีวิตมาหลายวงรอบนะอาจารย์มันเกิดจากอะไรฮะก็แรงฉุดหลัสงสารวัตรมันมีแรงดึงดูดนะถ้าหากว่าเราเคยไปตัดโอกาสใครเขาหรือว่าทำให้เขาไม่มีโอกาสนะมันก็อาจจะมาในรูปแบบนี้แหละ พอพอถึงเวลาที่เรามีโอกาสเจริญงอก ง, งามทางธรรมเนี่ยก็อาจจะโดนหน่วงไว้รังไว้เหนี่ยวไว้นะอันนี้เจอกันเยอะไม่ใช่เจอกันแค่เราคนเดียวอยากเข้าห้องน้ำเหรอห้องห้องน้ำอยู่ตรงนั้นอ๋อใจคือลักษณะของการที่ใจของเรา มันไม่อยากเอาอะไรทางโลกนี่นะมันไม่ได้หมายความว่าเราหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ตรงข้ามมันอาจจะถึงเวลาใช้กรรมก็ได้ถ้ามองเป็นเรื่องของกรรมนะถ้ามองเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยนะมองง่ายๆจากปัจจุบันก็แล้วกันคือคือชาตินี้บางทีเราไม่ได้ทำนะแต่อารมณ์คนเนะ่ย คือบางทีมันนึกสนุกอยากสมมุติเราไม่พอใจใครเนี่ยมีเราอยากไปถ่วงเวลาเขาอยากไปแกล้งเขาอยากไปกีดกันไม่ให้เขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอารมณ์ทั่วไปของมนุษย์แล้วนะถ้าชาตินี้มันมีบางทีมันแค่เล็กๆน้อยๆอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะนะในชาติก่อนมันอาจจะยิ่งกว่านี้ถ้าเราเคยไปถ่วงความเจริญของใครเขาหรือว่าอยากจะให้เขาเออจมอยู่กับที่ถอยหลังอะไรแบบเนี้ยนะ แล้วถึงเวลาที่กรรมผลิผลมันมาในรูปแบบอย่างนี้แหละเรารู้สึกว่าตอนนี้เราพอแล้วแต่โลกเข้ามาบีบให้ไม่พอเรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากทิ้งแล้วแต่โลกเข้ามาทวงเราไว้บอกว่ายัางทิ้งไม่ได้มันมีรูปแบบเหตุการณ์มันมีไอ้เรื่องราวที่ทำให้เรารู้ประจับอยู่กระใจว่าไอ้ น, นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะมันหลายครั้งมันมาเป็นรูปแบบซ้ําๆมันไม่ได้ม า, มาแค่ความบังเอิญครั้งเดียวไฟไหม้บ้านแบบไหม้หมดเลยอเงี้ยอาจารย์3ครั้งในชีวิตมันไม่ธรรมดาไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทสายไฟฟ้าแล้วเราเดินอย่างดีเลยในบ้านปรากฏว่าบะหลาดมันระเบิดไปโจดไปโดนหิ้งพระเราแล้วมันก็ไหม้แต่โฉพตรงจุดนั้นไงสามครั้งในชีวิตอาจารย์ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการยืนยันทำให้เราเชื่อโดยไม่ต้องลือลึกชาติได้นะว่ากรรมวิบากมีจริงและชีวิตเราถูกออกแบบมาด้วยปีมือของกรรมวิบากนี่แหละของเก่าเราเคยทำมาอย่างไงบางทีเราลืมแล้วแต่มันมาปรากฏให้จําได้ด้วยเหตุการณ์ที่มันชัดๆแรงๆ แต่โอเคเรามาคุยกันเรื่องว่าใจของเราโอเคมันมันมันมีความมันมันก็อยู่ในสมาธิได้ดีนะหมายถึงว่ามีความหนักแน่นแล้วก็เจออะไรมาเยอะๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยมันผ่านมาได้แล้วก็รู้สึก มีความแข็งแรงเหมือนกับไม่ยั่นละว่าจะอีกกี่หนาวอีกกี่ร้อนนะนี่ตัวที่มันเป็นทุนคือคือกำลังคือความพร้อมที่จะเห็นอะไรไม่ดีที่จะรับกับอะไรแย่ๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นทุนตั้งต้นที่เหมาะกับการเจริญสติเพราะว่าถ้าอะไรที่มันเป็นภาวะแย่ๆปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ไป ทุรนุรายกับมันคนจเจริญสติหลายคนที่พอเกิดอะไรแย่แยๆขึ้นมาแล้วทุรนทุรายแต่ของเราจะภาวะฟุ้งซ่านจะภาวะหดหู่ซึ่งมันมันเวียนเข้ามาอยู่เยบ่อยๆนะเออขอให้มองว่าเออมันเข้ามาเข้ามาให้ดูในลมหายใจนี้และลมหายใจไหนมันจะออกไป เราก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันสว่างขึ้นนิดนึงมันมันมันเหมือนจิตเปิดเมื่อกี้เห็นไหมพอเรานึกถึงความหดหูความพ้งสั้นที่ที่มันปรากฏกับพร้อมกับเรื่องร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกถึงมันมันมันเหมือนมีอะไรย้อนกลับมาแล้วพอเรารู้สึกถึงมันตามจริงยอมรับตามจริงว่ามีอารมณ์หดหู่อะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้างเ่ย มันเหมือนกับไอ้เมฆหมอกความหดหูหรือว่าคลื่นความฟุ้งซ่านมันหายไปมันหายไปให้ดูเวลาดูก็ดูแค่นี้แหล ะ, และด้วยอาการที่ดูอย่างคงเส้นคงวาด้วยจิตที่มันมีความเปิดมีความหนักแน่นพอเนี่ยนะมันก็จะเห็นว่าอารมณ์หดหูก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีหรือแม้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่ทําให้หดหูหรือฟุ้งซ่านก็ดีเนี่ยมันผ่านมาแล้วจะผ่านไปเสมอคือนี่ไม่ใช่ข้อสรุปทางความคิดแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจ ว่าอื่นเนี่ยมันจริงๆด้วยทั้งหลายทั้งวงมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนนี่ใจที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นอยู่กับการยอมรับตามจริงที่เป็นอุเบกขาตอนที่มันเป็นอุเบกขาจริงๆเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งคือจะรับรู้ว่าไอ้ภาวะที่มันผ่านเข้าผ่านออกภายในขอบเขตของกายใจนี้เนี่ยมันคือสภาวะธรรม มันมีมันมันเป็นสภาวะของธรรมะไม่ใช่สภาวะของตัวเราตอนนี้มันยังมีสภาวะของตัวเราอยู่มันยังรู้สึกอยู่ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่พยายามปฏิบัติอันนี้คือที่ผ่านมามันเป็นการปฏิบัติแบบที่จะให้มันสงบนิ่งอะ่ะเข้าใจไหมคือคืออะไรผ่านเข้ามาก็ตามเนี่ยเราเราจะสงบไม่หวั่นไหวกับมัน มันมันอาการทางใจมันเป็นแนวนั้นถามว่าทนได้ยังไงทีนี้ถ้ามาคลี่ออกนะอาการทางจิตเนี่ยมาดูกันใหม่เลยมาดูเป็นภาพรวมกันใหม่อาการแบบนั้นเรียกว่าอาการที่สะสมตบะสะสมกำลังของสมาธิจิตมันยังไม่ใช่วิปัสสนา แต่เมื่อกที่ผมพูดว่าเออเนี่ยเห็นไหมที่มันคลายออกไปนิดนึงอ่ะที่มันที่มันเหมือนเปิดอจากที่เราทบทวนว่ามันฟุ้งซ่านมันหดหัวอะไรเนี่ยแล้วเราสามารถยอมรับได้ตามจริงแล้วมันผ่านออกไปเฉยเฉยตัวนั้นมันจะเป็นการเห็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อดทนไม่ใช่มีขันติไม่ใช่อดกลั้นแต่เป็นการเห็นเห็นว่ามันหายไปเห็นว่ามันผ่านไป อย่างตอนนี้มันยังมันยังกดอยู่นิดหนึ่งมันมันยังตั้งใจมันมันอันนี้คือเขาเรียกตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นใหม่คือเหมือนกับตั้งใจทำความเข้าใจก่อนแล้วเสร็จแล้วมันคล้ายๆว่าเราทำความเข้าใจเข้าไปที่สภาวะมันมันจะเห็นให้เป็นวิปัสสนาได้ยังไงเข้าใจไ้มคือคืออันนี้ตรงนี้มันจะมีแรงกดอยู่นิดหนึ่ง ความความตั้งใจความพยายามพอเห็นความพยายามปุ๊บมันความพยายามจะคลายออกนี่แหละตัวนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจังเห็นอันนี้จังของความพยายามเห็นไม้มมันเบาลงใจใจมันเบาลงเมื่อกี้เนี่ยคือมันมีความตั้งออกตั้งใจปังแล้วก็ทําความเข้าใจมันจะเหมือนมีอะไรมาบางังแต่พอเราเห็นรู้สึก เห็นและรู้สึกถึงไอ้ความพยายามว่ามันมีหน้าตาที่มันดันดันมันมีความอึดอัดอย่างตอนนี้ก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งเนี่ยอึดอัดแล้วมันก็เห็นไหมพอเห็นตรงตัวเนี่ยมันจะคลายออกเมื่อกี้พอผมพูดถึงความอึดอัดเนี่ยความอึดอัดมันคลายทันทีเพราะเรายอมรับเข้าไปตรงๆที่สภาวะอึดอัดคือไม่ได้พยายามทำอะไรเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน เมื่อกี้ตอนฟังเนี่ยฟังด้วยอาการทำความเข้าใจเฉยๆแต่ไม่มีเป้าหมายว่าเราจะรู้อะไรเห็นอะไรแต่พอพูดถึงความอึนอัดปุ๊บแล้วความอึนอัดคลายเนี่ยตัวนี้แนีอมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแบบชัดๆเข้าใจเลยนะสวัสดีครั บ, บคิดจะคลายๆท่านที่สาะ่งครับที่ว่าแรงบรันดาลใจหายไปนะครับแต่นี่จะหายไป ของเขาจะหายไปประมาณว่าวันเป็นวันแต่ของผมนีรู้สึกว่าทหายไปอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ครับทุกครั้งอยากทำมันมีแบบนี้ครับรู้สึกความคิดโอเคเแล้วก็ปต ร, ตรงนี้คือจะอาศัยการภาวนาอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องา อ, อาศัยกำลังหนุนนิดนึงนะของน้องเนี่ยภาพทางใจเนี่ยมันเหมือนกับพอคิดจะทาอะไรดีๆเนี่ย แล้วมันรู้สึกเสียกําลังใจบางทีนะมันเกิดจากคนรอบข้างมาทาให้เราเสียกําลังใจมาพูดมาอะไรนะคือไม่ใช่เอาเฉพาะช่วงนี้นะมันตั้งแหนไหนแต่ไรมาบั่นทอนความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ค่อยจะได้ดีอะไรทานองนะี้นะมันมันเป็นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ ตรงถ้ามองเป็นภาพทางใจตรงนี้เนี่ยมันไปโยงกับภาพของกรรมและวิบากได้ก็คือถ้าเราโดนแบบนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรก็แปลว่าเราต้องเคยไปทำ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเช่นกันอาจจะลืมไปแล้วเราไปบัณฑทอนกำลังใจคนอื่นไปทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จเขาไม่มีทางจะเก่งกว่าคนอื่นได้นะเราแค่ อยากได้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำาได้แบบที่อยากทำเนี่ยมันยังยากเลยนะทุกครั้งที่เกิดความตั้งใจที่ดีๆเนี่ยมันจะมืออ่อนเท้าอ่อนเพราะเห็นเป็นภาพทางใจภาพรวมแบบนี้เนี่ยเราก็แทนที่ด้วยของใหม่แล้วก็แล้วกันทํำยังไงตั้งโจทย์ว่าตั้งโจทย์ว่าทํำยังไง ภาพทางใจมันถึงจะเปลี่ยนไปจากคิดอะไรดีๆแล้วมืออ่อนเท้าอ่อนเป็นว่าคิดอะไรดีๆแล้วมีอาการแข็งขันมีอาการมุ่งมั่นมีความกระตือรือร้นเริ่มจากอะไรที่เป็นไปได้จริงง่ายๆก่อนการเป็นมนุษย์เนี่ยคือการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะพัฒนาที่จะหักเหเส้นทางของเดิมนะ ภาพทางใจที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่คอยเป็นผู้รับกำลังใจเราลองเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้กำลังใจดูบ้างเราอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมีคนที่เสียกำลังใจมากกว่าเราในโลกนี้ไม่รู้กี่ล้านคนเราหาพวกนั้นให้เจอแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขา อย่างเช่นเด็กในบ้านนะนะฐาคนแก่ที่ก็ไม่มีลูกหลานมาดูแลมันต้องต้องออกแรงนิดหนึ่งหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดตามกระทู้มาระบายความทุกข์ความเศร้าทุกวันเนียอยากจะฆ่าตัวตายเหลือเกินเ อ, อชีวิตไม่มีความสุขเลยลองไปให้ความสุขด้วยคําพูดเนี่ยอันนี้ที่ง่ายที่สุดนะแล้วค่อยๆมีกําลังใจที่จะไป ทำอะไรอย่างอื่นที่มันให้กําลังใจคนได้มากกว่านั้นแล้วก็กว้างกว่านั้นบางทีคําพูดง่ายๆคืออย่าไปทําอะไรให้ซับซ้อนมากคําพูดง่ายๆแค่ว่าเออเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับให้กําลังใจนะอะไรแบบนี้มันก็จะมีคือความรู้สึกขึ้นมานะว่าเราเป็นผู้ให้กําลังใจครั้งหนึ่งแล้วแต่ละครั้งเนี่ย ้องสำรวจเข้ามาที่ใจตัวเองมันจะมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นหาความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นนะจะด้วยการไปปล่อยนกปล่อยปลาพวกนกพวกปลาหรือว่าสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเนี่ยมันเสียใจแเสียกำลังใจยิ่งกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยเท่า ถ้าเคยเห็นวัวที่ร้องไห้ตอนกําลังจะถูกฆ่านะตอนจะถูกเชื่อจะรู้เลยว่ากําลังใจของเราเนี่ยดีกว่ามันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะถ้าสามารถไม่ต้องเป็นวัวเป็นควายเอาแค่นกปลาเราซื้อไปปล่อยได้ง่ายๆเอาซื้อจากตลาดที่กําลังจะถูกฆ่าจริงๆ เ, เห็นว่ามันกําลังจะตายจริงๆไม่ใช่เวอยู่ในกรงให้พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะพวกนั้นเนี่ยมันหา ก, กินอีกแบบนึง ลักษณะที่ใจของเรามีความอยากช่วยลองสังเกตเข้ามาอารมณ์อยากช่วยเนี่ยคือจริงๆเราก็อยากช่วยอยู่แล้วแต่มันจะเหมือนกับครึ่งๆกลาง ๆ, งๆมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งแล้วไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ภูมิใจคืออารมณ์อารมณ์ของเราจะประมาณนี้เราอยากจะเป็นคนเก่ง้าก่อนมีประสบความสำเร็จอะไรสูงสูงซะก่อนแล้วไปช่วย มันถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันภูมิใจแต่ที่ผ่านมาเราไปพยายามช่วยก็จริงช่วยเด็กช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยคนที่มันเหมือนกับอ่อนกำลังกว่าแต่เราช่วยไปครึ่งๆกลางๆคือครึ่ง ข, ข, ข, ของใจคือมันเต็มที่ที่ข้างนอกก็จริงนะแต่ใจเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่บริบูรณ์มันเหมือนกับไม่ภูมิใจในตัวเองทักที ให้มองดูว่าลักษณะความไม่ภูมิใจตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังผิดๆคือเห็นว่าการช่วยเนี่ยเป็นของที่ว่าต้องต้องเจ๋งจริงเสียก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้จริงๆแล้วยังไม่ต้องเจ๋งเจ๋งจริ ง, รงเอาแค่เจ๋ง ก, กว่าเอาแค่มีกำลังมากกว่าผู้ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วและทุกครั้งที่เราช่วยคนอื่นเนี่ยสังเกตเข้ามาที่ใจตัวเอง ว่ามันมีอารมณ์ครึ่งๆ่กลางๆอยู่ไหม <_ d ata> เข้าใจคำว่าครึ่งคร่กลางๆมั้ไหมคือมันมันไม่ภูมิใจมันไม่สุดทั้งๆที่ช่วยไปแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทําอะไรดีๆไปแล้วพอเห็นภาพตังใจว่าอารมณ์ไม่สุดเนี่ยหน้าตามันอย่างนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับเกือบจะเป็นพระเอกแล้วแต่ไม่ใช่พอเห็นบ่อยครั้งเข้า มันก็รู้สึกว่ามีอยู่แค่นี้เองมีแค่อารมณ์เนี้ยไม่สุดแล้วพอช่วยต่อไปช่วยต่อไปเห็นแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายเป็นรู้สึกขึ้นมาว่าเออไอ้ที่มันไม่สุดไอ้ที่มันขาดไปเนี่ยก็คือสติที่จะเห็นอะไรตามจริงคือมันจะเห็นต่อไปเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยช่วยไปแล้วอะช่วยไปเต็มเต็มแล้วใจทําไมถึงไม่เต็มเพราะพอมันไม่มีสติ มันไปคาดหวังมันไปมันไปเค้นเอารอว่าเ้ยเราน่าจะยิ่งกว่านี้เนี่ยมันขาดไปตรงนี้เนี่ยสติที่จะเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นปมปัญหาของเราไหมมันอยู่ตรงที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เจิงทั้งๆ ท, ที่มันก็พยายามทำเพื่อคนอื่นอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามนะเนี่ยจากนั้นเราตั้งใจเลยว่า แม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ทําให้คนอื่นเสียกําลังใจเด็ดขาดจะด้วยคําพูดจะด้วยหน้าตาจะด้วยทีท่ากิริยาอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องได้รับกําลังใจจากเราเสมอตรงนี้มันจะค่อยๆเชื่อมั่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่อาศัยเวลาแค่วันสองวันนะอย่าคาดหวังว่ามันจะมาเร็วแต่ให้คาดหวังว่าถ้าทําไปเรื่อยๆในที่สุดไออาการที่มันไม่สุดเนี่ย ให้อาการที่มันรู้สึกไม่เจงสักทีเนี่ยมันจะหายไปด้วยกำลังของสติที่จะเรินขึ้นไปเรื่อยๆคาดหวังอย่างนี้นะค่ะหนูกหน็หนูไม่หนูไม่ทราบว่าหนูควรจะถามอะไรอะค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนู หนูหนูเป็นคนกลัวทุกอย่างเลยอะค่ะขี้กลัวแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยอะค่ะเกือบจะตลอดเวลานี่แต่หน้าตาเราก็ดูมีความสุขดีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นคิดไปเองบ้างค่ะใช่คือชีวิตพื้นฐานของมงคลเนี่ยบางทีมันมีความสุขอยู่แล้ว แต่ว่าคําว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็คือกลัวใจตัวเองนั่นแหละกลัวอาการทางใจของตัวเองที่มันไม่สามารถเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นความอบอุ่นใจให้ตัวเองได้ประมาณนั้ น, นะคะ่ะมันต้องการที่จะหาความมั่นใจหาหลักหาที่พึ่งที่เป็นบุคคลหรือว่าที่เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งนะที่เราจะ เ, เกิดความมั่นใจได้มากกว่านี้าบางทีเนี่ยตอนที่เราเอาอย่างนี้เข้าใจเป็นภาพรวมอย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าเราอยู่ในความอบอุ่นปลอดภัยชีวิตนะ่ แต่ว่าใจของเราหรือว่าหูของเราเนี่ยได้รับคำเตือนบ่อยว่าโลกความจริงมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันต้องระวงังมันต้องระแวงมันต้องสงสัยเ <Okay. S 1> ข้าใจไหมคือคืออันนี้พี่ค่อยๆอยบอกทีละจุดจากจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าทำไมมันถึง นี่ความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกระแวงมันมาจากไหนบางทีมันมาจากข่าวบ้างมันมาจากไอ้อะไรที่เราได้ยินได้ฟังจากโลกภายนอกที่มันไม่เซฟนะมันมันเหมือนกับออกมาจะมองออกมาจากบ้านที่อบอุน่นแต่ข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนาวแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ย อยู่ในบ้านตลอดไม่ได้มันต้องออกไปออกออกไปข้างนอกด้วยออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วก็โลกภายนอกเนี่ยบางทีมันมีความคาดหวังที่เราไม่รู้ว่าจะทําให้เขาสมหวังได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นการเรียนจะต้องเรียนให้ดีมันถึงจะอยู่รอดได้การทํางานเราต้องสามารถที่จะ เป็นเจ้านายได้มันถึงจะพัฒนาขึ้นไปซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการเป็นเจ้านายคนเราไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันเอาเดียวเด่นกับใคร <c oughs> ทุกวันนี้นี่ทำงานยังองยยั ง, ยงเรียนอยู่หรือทำงา น, านแล้วหนูเรียนจบนะสักพักสองสามปีแ ล, แล้วแล้วหนูก็เคยทำงาน แล้วหนูก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาตอนอยู่ที่นั่นก็ทํางานสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาได้ยังไม่ถึงเดือนตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วอะค่ะตอนที่ทํานี่ทําอะไรอะไรนะคะทำทำงานที่อเมริกาทําอะไรก็เป็นคล้ายๆทําในโรงงานยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยฟิลเขาเรียกอะไรฟิลยาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ ไม่ได้ใช้ความรู้เลยมากเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็แต่ตอนหนูก่อนไปแล้วก็ทำงานร้านขายยาอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคคืองานของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีความถูกความผิดเหมือนกันนะมันมันก็เหมือนกันต้องจ่ายยาให้ถูกหรือว่าต้องเป็น QC อะไรแบบนั้นใช่ไหม คือคอยดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใชซึ่งพอเรายังไม่มั่นใจเต็มที่ว่าเออไอสิ่งที่เรา q ิไปเนี่ยมันร0 0เซหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ย้อนกลับมาได้ว่าเอเราเราทำถูกหรือทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะถูกตรวจสอบตัเองหรือเปล่าอ่าก็คือ หนูเหมือนคนที่บ้านเราคาดหวังว่าหนูควรจะดีกว่านี้นนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถึงบอกไงว่าพอไอเราต้องไปรลบความคาดหวังนอกบ้านเนี่ยคือคือมันเริ่มจากในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเวลาสร้างผลงานเราต้องไปสร้างผลงานนอกบ้านถูกไหมมัน<า>ไม่ใช่สร้างผลงานในบ้านเพื่อนะคนในบ้านอ่าโอเคคือคือจริงๆ ที่บ้านเราเนี่ยก็เขาไม่ได้จะทําร้ายเรานะเขารักเราแล้วก็เขาอยากให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีได้ดีแต่ความคาดหวังของเขาเนี่ยคือเราต้องไปเอาอะไรจากนอกบ้านไงซึ่งเราไม่ได้อยากเข้าใจไหมเราไม่ได้อยากจะแข่งขันกับใครเราไม่อยากจะไปพิสูจน์ตัวนอกบ้านเราอยากจะพิสูจน์ตัวในบ้านแต่เวลาทํางานเราต้องไปทํานอกบ้านซึ่งตรงนี้แหละ ที่มันเลยทําให้เหมือนกับว่าไม่แน่ใจตัวเองว่าเราจะทําอะไรได้แค่ไหนใช่ค่ะจริงๆความรู้สึกเชื่อมั่นหรือว่าความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมันเกิดขึ้นจากอย่างเดียวเลยจําไหมนะว่าเราผูกความคาดหวังในชีวิตไว้กับใครถ้าเราผูกความคาดหวังในชีวิตไว้กับคนในบ้านจริงๆริงนมันก็เซฟพอสมควรนะคือจะได้ไม่ได้เนี่ย มันมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเราก็ไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันลําบากลงหรือว่าจะย่าแย่ลงนะแต่ถ้าเราผูกความคาดหวังไว้กับคนอื่นตรงนั้นหมายความว่าเราต้องพิสูจน์ตัวตามความคาดหวังของคนอื่นและมันจะไม่มีทางทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้เลยตราบเท่าที่เขายังไม่ส่งสัญญาณบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอ เ ข, ข้าใจที่พี่พูดไหมแต่ถ้าเราเอาความคาดหวังไว้กับตัวเองว่าวันนี้เราทำได้แค่นี้พรุ่งนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นอีกนิดหนึ่งอเอาแค่ทีละนิดเนี่ยปัญหาหนูสั่งตัวเองให้ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคเพราะมันถูกครอบงำอยู่ด้วยความคาดหวังของคนอื่นไงเพราะชีวิตของเรามันเหมือนกบอบอุ่นแล้วก็ ทั้งหมดเนี่ยเราบอกตัวเองแค่ว่าทําให้คนที่เรารักพอใจก็พอแต่ไม่ได้บอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะก้าวหน้าจะพัฒนาขึ้นไปคือพัฒนาความพอใจของตัวเองขึ้นไปวันต่อวันได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ความคาดหวังของตัวเราเองเลยแล้วควรจะทํำยังไงดีคะเริ่มเริ่มจาก การที่เราเออค่อยๆค่อยๆมองอย่างนี้นะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในสายตาของคนอื่นตราบนั้นมันจะเหมือนมีกรงขังบางๆไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะภาพทางใจมองเป็นภาพทางใจนะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เป็นอิสระทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็เหมือนกับจะให้อิสระ มันเหมือนกับมีสายตาของใครจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้จับผิดเขาแค่อยากจะให้เรามีชีวิตดีๆเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยมันเหมือนกันต้องไปพิสูจน์ตัวข้างนอกซึ่งซึ่งมันไม่เซฟเหมือนอยู่ในบ้านเข้าใจไหมคือข้างนอกเนี่ยเขาเล่นกันโหดนะแล้วก็เอาจิงเอาจัง ว่ใครใครได้ใครดีใครถูกใครผิดเนี่ยมันมันมีความจริงจังมันอันตรายดูเหมือนอันตรายเราก็เลยจริงๆแล้วไม่อยากออกนอกบ้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่แนะนําว่าเราควรจะหาความภูมิใจสร้างความภูมิใจให้ตัวเองที่ในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันมีงาน <c oughs> ที่เราสามารถทําจากที่บ้านเยอะแยะคือคือ อยู่ๆพี่ไปบอกน้องไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปทำงี้แต่ลองคิดดูทุกวันเนี้ยเขามีจ็อบทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะที่ที่สามารถทำได้นะอย่างเช่น อ, า, อาจจะเราอาจจะยกตัวอย่างง่ายที่สุดเนียแบบไองานอะไรที่มันไม่ต้องออกไปนอกบ้านเนียพวกงานขีดเขียนพวกงาน ที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยที่เขาเอาเฟอร์แบบไอ้พวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคือคื อ, คอมันมีขายของทางอินเทอร์เน็ตเยอะเดี๋ยวนี้พวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะให้ทําอะไรแต่พูดถึงงานเนี่ยมันไม่ได้มีนอกบ้านอย่างเดียวมันทําจากที่บ้านก็ได้แล้วก็เริ่มสั่งสมความพอใจจากการที่เราสามารถทําอะไรโดยไม่ต้อง อยู่ในความคาดหวังของคนอื่นแต่อยู่ในความคาดหวังของเราเองว่าเราจะรักแล้วก็มีความชอบใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปวันต่อวันทีละนิดทีละหน่อยนะ <c oughs> คือให้ได้แค่แนวทางก่อนเพราะพี่ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้อง <c oughs> แต่บอกได้อย่างหนึ่งคือถ้าเราออกไปข้างนอกเนียแบบนี้มันแป๊บเดียวก็จะอยากกลับบ้านนะ <c oughs> ออกไปแป๊บหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่เซฟ <c oughs> ค่ะแล้วก็หนูมีหนูคิดว่าค่ะหนูเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอะค่ะหนูไม่ค่อยกล้าจับอะไรอนะไรอเงี้ยค่ะไม่กล้าคิดเองนะเอาแหล ะ, ะถ้าคำแนะนำที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้จริงที่สุดลองคิดว่า เดี๋ยววันนี้เราจะลุกขึ้นมาทำอาหารใส่บาทเองทาเป็นมาทำเป็นแค่ขนมก็พอโอ้โหขนมก็ทำไม่เป็นเรอะไข่เจียวอะลุกขึ้นมาทอดไข่เจียวตอนทีห้าได้วะเนี่ยตอนตอนอยู่เมืองนอกต้องเคยเจี่ยวไข่กินเองเมา่อไหนะเออเนี่ยลองลองนะอ่าโอ้โหในที่สุดพี่ก็พบอ่าเนี่ยคือคือตั้งใจแค่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจี่ยวไข่ด้วยตัวเองนะ ไม่บอกใครทั้งสิ้นนะเออแล้วเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวพระเดินผ่านหน้าวัดเอ้ยมพระพระเดินผ่านหน้าบ้านน่าจะไปไต่าบาทมีปะมีพระเดินผ่านมั้ยไม่มีเลยไม่มีค่ะอืมก็ <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ก็ได้จะเป็นสังฆทานชุดเล็กๆ ก, ก็ได้แต่ต้องไปคนเดียวคือเงื่อนไขมันมันอยู่แค่นี้ว่าเราต้องไปคนเดียวไปทำดีอะ ไปทำบุญด้วยตัวเองเพราะบุญของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับต้องตามคนอื่นไปต้องเพึ่งคนอื่นคือคือต้องมีคนอื่นชวนมันถึงจะมีกำลังใจในี้ลองลุกขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะนี่พี่ไม่ได้พูดแค่ชาตินี้นะที่พันผ่านมามันก็อย่างนี้หรือบางทีนะมันจะมีคนคนทำเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังนะคนนาบุญประเภทหนึ่ง คือถ้าใครมาชวนไปทําบุญเนี่ยจะไปแล้วจะชอบด้วยจะมีความสุขด้วย <c oughs> แต่ถ้าไม่ชวนไม่กล้ามันเหมือนกับเราทําผิดอะไรไปบางอย่างนะที่จะลุกขึ้นมาทําบุญเองมันคล้ายๆไม่มั่นใจในตัวเองว่าเนี่ยที่ไปทําบุญเนี่ยมันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามีอะไรไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเจอหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอ้าออกหน้าออกตา <c oughs> เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วพวกนี้พวกที่ทําบุญอย่างนี้เนี่ยนะตายไปนะได้ไปเป็นได้ไปอยู่บนสวรรค์ก็จริงแต่ไปเป็นบริวารเขาอยู่ในปราสาทอยู่ในวิมานของเทพองค์อื่นแล้วก็แฮปปี้ด้วยที่จะไ ป, ไปเป็นบริวารคนอื่นไม่ต้องคือมันไม่ต้องไปทําอะไรผิดไม่ต้องเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกด้วยตัวเองแต่เสร็จแล้วพวกนี้นะเทวดานางฟ้าพวกเนี้ย พอจะจดติลงมานะมันจะเกิดอาการฟูมไฟล์กระวนกระวายว่าเนี่ยเราจะถูกเลี้ยงดูไม่ดีหรือเปล่าเราจะไปอยู่ในภาวะที่มันเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าแล้วมันจะมีอาการนัําร้องเออเรียกหาที่พึ่งพอจิตเกิดถือกําเนิดด้วยจิตแบบนี้เนี่ยนะมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นว่าตัวเองจะทําอะไรดีๆได้ ด้วยการเริ่มจากตนเองแต่ถ้ามีใครมาชวนจะทำเต็มที่เลยแล้วมีความสุขด้วยแฮปปี้ด้วยรู้สึกว่ามันเซฟที่มีคนอื่นมานำทีนี้ถามว่ามันดีไหมวัดจากตัวเองชีวิตนี้ไม่ดีค่ะมันรู้สึกว่ากลัวไปหมดทำอะไรเนี่ยมันมันเหมือนกับทั้งทงที่เราก็ไม่ได ขี้ริว้วขี้เหรไม่ได้มีความสามารถอะไรด้อยกว่าคนอื่นเงี้ยนะแต่มันไม่เชื่อตัวเองนี่ถ้าจะเริ่มก็เริ่มจากอะไรเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นไปได้จริงอเนี่ยลุกขึ้นมาเจียวไข่อย่างเงี้ยแล้วไปถวายที่วัดเนีท่านเจียวไข่ไม่เป็นหนูไปซื้อได้ไหมคะไม่ <laughs> ไม่ถึง <laughs> ก็ได้ก็ได้โอเคคือแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวนะอย่าบอกใคร คือคือมันไม่ได้เราไม่ได้ทำผิดอะไรเรากำลังจะกแก้เส้นทางกรรมของตัวเอง point คือว่า<ส>เราคิดเองทำเองไม่จาเป็นต้องไปที่วัดก็ได้บางทีไปที่วัดนี่เราจะเดี๋ยวก็กลัวอีกไงพรุ่งนี้มีแผนว่าจะไปวัดไปศรีราชาค่ะก็คิดว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง แต่บอกคุณแม่ไปแล้วอะค่ะก็ <g ülme> ไม่เป็นไรก็คือวันอื่นๆวันต่อไปวันวันต่อไปอื่นๆเนี่ยคือลองคิดเองเอาแค่ที่ใกล้ๆบ้านก็ได้วัดวัด <What S 2> ที่เรารู้สึกว่าเซฟอะวัดที่เรารู้สึกว่าคุ้นแต่คิดเองว่าจะทําอะไรซื้ออะไร <c oughs> แล้วไปคนเดียวแลมันจะมีแก่ใจเริ่มเอ้ยเออมันก็ทําได้เนี่ยมันไม่ได้มีใครรู้สึก ผิดแปลกผิดสังเกตลองสังเกตสายตาชาวบ้านเนี่ยเราเข้าไปคนเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเราเขาเขาแค่มองเรามาเนี่ยเรากลัวแล้วเฮ้ยเรานี่เราแปลกเขาเปล่ า, าเดินมาคนเดียวผู้หญิงตัวคนเดียวหรือว่าพอเขามองคือคือคนเนี่ยมองเราเนี่ยนะมองมาด้วยความรู้สึกสิบแบบร้อยแบบแตกต่างกันแต่เราจะรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือว่า เรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเข้าใจไหมคือแต่ละคนเนี่ยร้อยคนสิบคนเนี่ยนะมันมีมุมมองกันไปร้อยแบบสิบแบบบางคนเนี่ยมองคนในแง่ดีบางคนมองคนในแง่ร้ายบางคนมองแบบจับผิดบางคนมองแบบเออเนี่ยว่าเรามีดีอะไรบ้างนี่คือความแตกต่างของคนซึ่งเราสามารถรู้ได้ด้วยลอจิกแต่ที่เราไม่ลอจิกก็คือเนี่ยเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีอยู่คาถามเดียว เราแตกต่างจากคนอื่นไหมนี่เริ่มต้นจากตรงนี้นะถ้าหากว่าเราเริ่มทำได้จากวัดที่เซฟก่อนที่เราคุ้นก่อนจากนั้นคิดอะไรทอยากทำอะไรดีๆเนี่ยนะลองทาตามความตั้งใจของตัวเองโดยไม่บอกใครแต่เอามาเผื่อแผ่ได้ยกตัวอย่างเช่น ออวันนี้บอกแม่บอกว่าเนี่ยวันนี้หนูไปวัดมาไปสร้างกำลังใจให้ตัวเองไปสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองขอโทษนะที่ไม่ได้บอกแต่ น, นี้เป็นเคล็ดลับต้องคิดเองแต่เอามาเผื่อแผลบอกให้แม่รู้สึกยินดีด้วยได้พอแม่รู้สึกเฮยไปไหนมาไปทำอะไรเนี่ยต้องอธิบายนะบอกว่าเนี่ยไปสร้างกำลังใจมาให้ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันขายกาลังใจตรงนี้ไป เวลาแม่ชวนไปเนี่ยมีความถูกเหลือเกินแลยินดีทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะคิดเองเนี่ยมีปัญหาละอเราเลยอยากจะลองทําอะไรเองบ้างตรงเนี้ยไม่มีใครว่าหรอกแล้วเริ่มจากตรงนี้ขอให้สังเกตใจตัวเองอาการทางใจของตัวเองเนี่ยแต่ละครั้งที่ทําได้นะแล้วทําสําเร็จมันจะมีความเข้มแข็งมันจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทีละนิดคือตอนนี้แค่คิดว่าจะทําคนเดียวก็คิดแล้วว่า กลัวว่าจะทําไม่สําเร็จแล้วอะค่ะคิดแค่คิดก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นการปรุงแต่งคือพี่เข้าใจคือคนแบบเรามีเยอะมันมันมันเซฟมันอยู่ในโลกที่เซฟมาตลอดแล้วก็คือเส้นทางการทําบุญของเราเนี่ยมันเป็นเส้นทางตามคนอื่นคือมันไม่ได้ลุกขึ้นมารเริ่มด้วยตัวเองแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของเราในชาตินี้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะทําได้แล้วต้องรีบทํา เพราะถ้ามีอายุขึ้นไปกว่านี้เนี่ยมันจะไม่เชื่อแล้วว่าตัวเองทำได้ตอนนี้มันยังมีสิทธิ์แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนี่ยภา ย, ภายในอาทิตย์เดียวพี่บอกได้เลยว่ามันจะเข้มแข็งขึ้นนิดนึงแล้วพอทำทำไปเราจะเริ่มรู้สึกเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆคิดทำอะไรดีๆด้ว ย, วยตัวเองคือไม่ใช่ไปทำบุญที่วัดอย่างเดียวคิดเขียนไปให้กาลังใจใครก็ได้ คิดที่จะเนี่ยลองลองน้องลองไปดูอะ่ะมันมันจะมีผลอย่างอย่างใหญ่เลยนะคือพวกสถานสงเคราะห์เด็กพวกกาํามพาพวกพิการพวกอะไรเงี้ยพวกยิ่งพวกแบบพิการซ้ําซ้อนอะไรเงี้ยที่ปัญญาอ่อนที่อะไรเงี้ยนะน้องลองไปที่นั่นคนเดียวบอกว่าเนี่ยวันนี้มาคือคือบางทีไม่ต้องไปติดต่อจองไว้ก่อนว่าจะเป็นเจ้าภาพหรืออะไรนะ ไปแล้วไปบริจาคเลยไปเห็นกับตาว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยมีอาการยังไงแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แน่นอนมันมันจะกลายเป็นเหมือนกับย้อนกลับมาทําให้เราจากคนที่อ่อนแอกลายเป็นเข้มแข็งจากคนที่ไม่สามารถได้เริ่มอะไรมันสามารถทาเองได้ ตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาทีละนิดแต่ของน้องคือรับประกันว่าไ ม, ไม่ไม่กี่ครั้งมันจะรู้สึกแตกต่างไปเป็นคนละคนเลยนะค่ะสวัสดีค่ะไม่มีคำถามค่ะมารายงานตัวเฉยดีตอนตอนนี้มันก็เห็นไหมคือในที่สุดแล้วเนี่ย <c oughs> พอจิตมันเข้มแข็งขึ้นมาร่างกายมันก็เหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาตามไปด้วยพอจิตมันเป็นปกติ ร่างกายถึงแม้ว่ามันจะไม่ปกติแต่มันจะลืมๆความไม่ปกตินั้นไปนะแล้วก็ใ้ความสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยิ่งสว่างมากขึ้นเท่าไหร่บุญบุญอันเกิดจากการสะสมนะมันมันทำให้สว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกเข้มแข็งทางกายไปด้วยโดยที่บางทีมันไม่ใช่ว่าสุขภาพเราดีขึ้นนะแต่ไอความชุ่มชื่นทางใจเนี่ย มันเป็นหลังสารอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือคือแตกต่างจากช่วงที่จิตใจเราหดหู่ตรงนั้นเนี่ยร่างกายไม่ดีอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันเป็นหลังสารที่เป็นพิษหลังสารที่มันออกมาจากอาดม์ที่เป็นพิษซ้ําเข้าไปอีกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าหลังสารดีๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอเลิกคิดนะ่ยพอเลิกคิดถึงจุดนั้นจุดสุดท้ายมันมันมาคิดถึงอะไรที่มันเป็นปัจจุบัน ใจมันแตกต่างนะตอนนี้รู้สึกไหมมันมันคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นยิ่งคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่อายุมันยิ่งยืนออกไปมากขึ้นเท่านั้นตัวนี้คือความจริงที่เราประสบแล้วก็เขียนให้กำลังใจคนอื่นบอกเอาเอาเอ า, เอาตัวเองเป็นหลักตั้งนะไปให้กำลังใจคนอื่นมันก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าลืมลืมไปเลยว่าไอ้คนที่ เขาคิดว่าจะมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีหรือร้อยปีระหว่างวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะตายไปก่อนหน้าเราต้องต้องเยอะต้งแยะแล้วคือคนที่ไม่คิดว่าจะไปเร็วเนี่ยมันมีเป็นวันหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นคนหรืออาจจะเป็นแสนคนที่ตายโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ คือไม่ไม่เคยผ่านอารมณ์เศร้าไม่เคยผ่านอารมณ์หดหู่ว่าตัวเองจะต้องตายหรืออะไรยังไงอยู่อยู่ตายเลยมันมีเยอะแต่คนที่มีความหดหู่มีความรู้สึกถึงอะไรที่เหลืออีกน้อยเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นการเล่นตลกของชีวิตเนะ่คือยิ่ง เราไปคิดถึงเวลาที่เหลืออยู่น้อยเท่าไหร่เวลามันจะยิ่งน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นคือมากกว่าที่คิดแต่ถ้าเราคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหรเ่เวลามันจะยิ่งยืดออกไปเป็นความตายมาแล้วอะตอนนี้คือไม่ว่าอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะ ดีแล้วเดี๋ยวจะส่งไปแข่งโอลิมปิกใในขอบเขตความสามารถที่มีค่ะเล็บด้วยดีแล้วด้วยความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่มันไม่มีปิติจริงเนี่ยนะมันไม่มีความอิ่มเอิบจริงมันไม่มีความสศกจริงเนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกที่ที่รู้สึกว่าตอนนี้จะทําอะไรก็ทําไดนะ้มันต้องมีปิติมันต้องมีความสว่างมันต้องมีกาลัง ออกมาจากใจนะดีแล้วดีใจด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์เคยมาเมื่อนานแล้วอะค่ะจําได้จ้ะแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าตอนนั้นคือหนูทํางานอยู่อะค่ะแล้วอาจารย์บอกว่างานมีผลต่อการปฏิบัติของหนูมากเหมือนกับว่ามันถูกอะไรกดกดครอบครอบไว้อ่ะค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทํางานมาพักหนึ่งแล้วอะค่ะ แต่ก็เหมือนไม่ไ ม, ไม่มีสติเลยปรัแบบสติไม่เกิดไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่แล้วก็เหมือนมันแย่ลงอะคะ่ะเหมือนจิตใจก็อ่อนแอลงแล้วก็ยังแบบยังอินมากอยู่กับโลภกดลงอะไรเงี้ยคนเราต้องมีงานถ้าไม่มีงานมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆวันต่อวันอย่ากเกี่ยงว่าจะเป็นงานหนักงานเบานะ คือบางบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทํางานอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าใจเนี่ยไปอยู่กับงานตรงนั้นได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นงานที่เรารักมากๆแต่อาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกทําแล้วตัวเองไม่ใช้เวลาแต่ละวันไปอย่างเสียเปล่ามันยากตรงที่เราจะเลือกงานนั่นแหละ ถ้าผ่านการเลือกงานแล้วก็ตัดสินใจจะทำงานได้ตรงนั้นมันก็จะพ้นไปปล่อหนึ่งแล้วนะความรู้สึกยากของเราตอนนี้มันมันอยู่ตรงที่คือมันจมอยู่กับจม o ย g g ความ วกไปวนมาคือมัอนไม่เหมือนในหัวไม่มีทางออกเข้าใจอารมณ์ไม่มีทางออกไหมจริงๆไม่มีใครปิดประตูใส่เรานะแต่เราปิดประตูขังตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็เดินอยู่รอบๆห้องเดินไปเดินมาหาว่าอะไรที่มันหายไปจำไว้ว่า ถ้าหากเราจะเจออะไรที่มันหายไปไม่ใช่อยู่ในห้องเราต้องเปิดประตูออกไปหานอกห้องตอนนี้ที่ที่ที่ผ่านมากับตอนนี้มันมันแตกต่างกันนิดนึงนะที่ผ่านมามันวนวนอยู่ในห้องห้องส่วนตัวแล้วเราปิดประตูขังตัวเองไว้แล้วบอกตัวเองสั้นๆว่ามันไม่มีทางออก แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่ได้เปิดประตูออกไปเองตอนนี้มันจะเหมือนรู้สึกว่าลงขึ้นเหมือนหลุดจากโครงขังง อ, อกมามองให้เห็นอาการทางใจของตัวเองมองให้เห็นเป็นภาพอย่างเนี้ถ้าเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหลงไปแค่นิดเดียวตรงที่นึกว่าเลิกทำงานแล้วเราจะมาปฏิบัติเราจะมาทำอะไรที่ เอาดีในทางอื่นอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆมันเป็นการหลอกตัวเองของเราต้องทำงานไปด้วยไม่ว่าจะเกิดไซต์เอฟเฟกเป็นผลลบผลไดายอะไรจากการทำงานก็แล้วแต่เราเอามาใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติได้แต่ถ้าไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้วจิตล่องลอยไปวกวนเหมือนกัาอยู่ในห้องเหมือนกัาเสือติดจันทร์วนไปเวียนมาไม่มีทางออก ย่งนไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาปฏิบัติแม้กระทั่งสติก็ไม่มีแล้วตรงไอ้ความรู้สึกคาใจหรืออะไรติดค้างมาแล้วแต่ขอให้มองว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของใจที่มันไม่มีงานถ้ามีงานอาจจะไม่ติดค้างก็ได้พอะมันไม่สามารถที่จะมีงานที่เป็นปัจจุบัน ทุกอย่างที่เป็นอดีตมันจะเข้ามาหมดเหมือนเปิดประตูอ้าไว้รับรับหมดเลยรับอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยลองดูนะอย่างถ้าเวลาสวดมนต์เราสวดด้วยความรู้สึกเอออยากจะเปล่งเสียงอยากจะมีความสุขกับการเปล่งเสียงสรรเสริญพระพุทธคุณนะ ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใจมีความรู้สึกมีกาลังขึ้น ท, ที่ผ่านมาส่วนแล้วมันเหมือนด้วยอาการเหมือนกับไปร้องไห้กับผู้ใหญ่อะ่ะเข้าใจอารมณ์นั้นใช่ไหมคือแบบไปไปขอแรงไปขอกำลังไปขอความสงสารซึ่งมันก็จะได้ความรู้สึกที่ดีมาเหมือนกัน แต่ความรู้สึกดีนั้นไม่พอที่จะทำให้ออกจากความอ่อนแอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ออกจากอาการบวกบนเพราะว่าพอออกจากหน้ายิ่งพระมามันก็เข้าเข้าหลุเดิมคือมันอยู่ในอาการขังตัวเองเวลามีงานแล้วมันจะต้องกลับไปมีไซส์เอฟเฟกเหมือนเดิมอีกเราดูไซส์เอฟเฟกนั้น เป็นภาพทางใจแล้วก็ให้มันฝึกเอาดูว่าเกิดอาการทางใจยังไงแล้วก็เราจะเป็นอิสระจากอาการทางใจแบบนั้นทุกครั้งที่มีอาการยอมรับแล้วก็เห็นว่าเออภาพทางใจตรงนั้นเนะี่ยมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งจิตชั่วคราวนะเหมือนกับตอนเนี้ยที่มันมันค่อยรู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าเราทาอะไรเพิ่ม แต่เราเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามที่มันเป็นจริงเท่านั้นเองนะแล้วก็มีคำถามหนึ่งอะคะ่ะคือเหมือนแบบมีเหตุให้ต้องต้องฆ่ามดบ่อยบ่อยอ ย, ยังไงไม่รู้เหมือนจะมองไม่ไดนะคะคือเหมือน่อน เหมือนก่อนจะมองเหน็เหนเครื่นเนะคะเบอร์นก็แบบเียบแล้วเช้งกัวชเชอะไรง้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก, ก็อย่างพี่เองก็เคยตอนตอนตอนบวชเลยด้วยซ้ำพเพราะว่าจาระวังมากตอนบวชเนี่ยกลัวว่าจะทำบาปทำกรรมแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกลัวมากแต่มันต้องกดัดหวาดไอ้ลานกดเนี่ยก็ไปโดนมดตายอยู่เรื่อย ทีนี้คือก็ทำความเข้าใจอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะว่าเออเนี่ยเราไม่ได้เจตนาแต่มันก็ไม่สบายใจอืมก็ไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธท่านก็ยืนยันบอกว่านั่นแหละมันไม่เป็นบาปหรอกเรากวาดเราตั้งใจกวาดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามดจับไอ้ตัวเจตนาตรงนั้นไว้เจตนาที่ เ, เราจะเช็ดกระจกนะมันเป็นอาการที่ใจเนี่ยเล็งอยู่ที่ความสะอาดของกระจกไม่ได้เล็งอยู่ที่การเห็นมดแล้วมันใส้อยากจะไปบี้มันอยากจะไปทำให้มันตกตายอยากจะส่งมันไปสวรรค์เจตนาตั้งต้นมันไม่มีกำลังใจอยู่ตรงนั้นเราแค่เห็นเข้ามาที่กำลังใจของตัวเองมันอยากจะทำให้กระจกสะอาด มันก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจได้ส่วนว่ามดมันเข้ามาอะไรเียมันไม่โทษเราหรอก ม, มันไม่ทันรู้สึกเลยซ้ำว่ามันจบชีวิตไปแล้วซึงมีชีวิตพวกนั้นเนี่ยคื อ, อ, อใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณมาเพื่อใช้กรรมเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยเพื่อที่จะตายไปแบบไ ม, ไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วก็อยากคิดอะไรแทนมันก็แล้วกัน โอเคขอบพระคุณครับผมก็ผมเป็นน้องใหม่ครับเพิ่งเข้ามาทุกคนใหม่หมดเลยเพิ่งเข้ามาภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหนึ่งลักษณะของผมคนที่สงสัยแล้วก็หนังสือของอาจารย์หลายๆเล่มนี่ขอบคุณอาจารย์เาะว่าทำให้ผมได้คําตอบอะไรเรื่องจากหนังสือของอาจารย์คราวนี้ผมมีคําถามสองคำถามคือหนึ่งประเด็นเป็นเรื่องการปฏิบัติ2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญคือ ช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกตลาดกับตัวเองมากเพราะว่ามีวันคือผมมักจะไปใส่บาตรทุกเสาร์อาทิตย์ที่วันที่ไม่ต้องทํางานนะครับที่ตลาดแล้วก็เดินผ่านแผงปลาก็สึกว่าอยากซื้อปลาไปปล่อยบ้านผมอยู่ทางใกล้น้ําก็ซื้อปลาจากแผงที่ข้างๆเขียงที่มีเลือดกองๆเนี่ยฮะก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปปล่อยนั่นแหละคือมหากุศุจิตคือคนิยามถ้านิยามไม่ถูกนะอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องแปลกแต่มองเป็นจิต ให้มองว่าจิตที่คิดช่วยชีวิตคนอื่นในขณะที่คนอื่นกําลังเดือดร้อนหรือกําลังจะตายคือมหากุศลจิตไม่ใช่กุศลธรรมดานะเพราะมันช่วยถึงขั้นถึงเลือดถึงเนื้อช่วยชีวิตช่วย<ต>ถึงชีวิตประเด็นประเด็นมันคือว่าพอพอช่วยเขาแล้วซื้อเสร็จแล้วไปปล่อยที่วัดอีกวัดหนึ่งที<ม>ข่ข้างๆที่เป็นวัดดื่มน้ ำ, <ม>นำเนี่ยเขาก็จะมีเปิดโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ผมก็พอเปิดจะก็ต้องไหว้พระหน่อยเหมือนปหียบ้านท่านแล้วก็ต้องไปไหว้นัำซะหน่อย พอเข้าไปไหว้พระสูตว่ามันแห้งแรงมากมันดอกไม้เป็นดอกไม้พลาสติกเป็นอะไรเงี้ยครับผมก็ขับรถไปซื้อดอกไม้ที่ปักของตลาดแล้วก็มาเปลี่ยนทําไปครั้งหนึ่งพอสัปดาห์ถัดไปปล่อยปลาเสร็จกำลังจะกลับบ้านก็รู้สึกว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียมากต้องขับรถไปปักของตลาดแล้วผมก็ทํำอย่างเงี้ยวัทุกอาทิตย์แล้วพออาทิตย์ไหนที่ผมไม่ได้ทําเนี่ยผมอยู่บ้านผมเปิดแอร์นั่งดูหนังคือมันอยู่ในสภาวะที่สบายมากแต่อารมณ์เสียหงุดหงิด ต้องขับรถไปปักคลองตลาดแล้วก็ทําเงี้ยทุกอาทิตย์มันเป็นสภ า, สภ า, สภาวะจิตแบบไหนครับอาารแล้วทําไมผมดึงเรื่องผมจะพยายามบอกว่าให้ให้ปล่อยตัวเองอย่าไปถามธรรมดาเป็นธรรมดาของจิตที่เป็นกุศลนะคือมันไปเสพจิตที่เป็นมีรถเป็นกุศลไปแล้วเนี่ยมันติดใจแล้วโดยไม่รู้ตัวแล้วของเราเนี่ยคือมันมีทุนเก่าคําว่าทุนเก่าเนี่ยมันจะมีแรงดันให้อยากทํำอะไรดีดๆคือแค่ภาพกระทบตาเนี่ยมันจะไป เป็นชนวนให้เกิดความอยากทาลงมือทาจริงทันทีแลนะตอนนั้นเนะี่ยในขณะที่เดินเดินผ่านสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะโดนฆ่าแล้วอยากช่วยแล้วช่วยทันทีในนั้นนั่นเป็นมหากุสชนจิตที่เต็มดวงเลยนะคือเห็นปุ๊บอยากทำแล้วทำเลยเป็นบุญที่ใหญ่นะเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาการที่เราเอาดอกไม้นะมาเปลี่ยนด้วยความรู้สึกว่า มันดีกว่าดอกไม้ปลอมๆตรงนั้นน่ยมันไปสร้างชีวิตชีวาไปสร้างความสดชื่นไว้ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือในวัดนะการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําความสดชื่นให้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยที่แต่เดิมมันไม่เคยทําแล้วไม่มีใครชวนไม่ไม่มีใครมาชี้แนะด้วยว่าไอเนี่ยเป็นบุญจะต้องได้อันนี้สงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราอยากทำแล้วได้ทำ point ก็คือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกว่านี่เราได้เริ่มอะไรบางอย่างที่มันดีๆที่มันสร้างชีวิตชีวาที่มันเป็นชีวิตชีวาจริงๆให้กับวัดมันเป็นของสูงนะเป็นความรู้สึกที่สูงคือภาพของวัดเนี่ยเป็นภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพของอะไรทีเ่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การที่เราไปสร้างชีวิตชีวาขึ้นในสถานที่แบบนั้นแล้วเราสามารถรับรู้รได้ด้วยใจอ่ะคือคาดหมายได้ว่าคนอื่นอีกนับไม่ถ้วนจะต้องไปเห็นมันก็เกิดความรู้สึกดีขึ้นมาดีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะมันไม่เคยทําก็ต้องใช้คํานี้ว่ารู้สึกดีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเราวันไหนอาทิตย์ไหนรู้สึกว่า อยากอยู่บ้านสบายๆมันไม่สบายจริงแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกแห้งแล้งไปเหมือนดอกไม้ปลอมแล้วจะจะแอร์เย็นหรือว่าจะดูหนังจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเราก็มีอยู่ทุกวันแต่สิ่งที่ทําให้กับวัดเอาชีวิตชีวาไปให้กับวัดเนี่ยตรงนั้นมันทําได้แค่อาทิตย์ละครั้งแล้วถ้าเราไม่ทํามันก็เลยเหมือนกับไปเริ่มต้น ความเคยชินดีๆขึ้นมาแล้วแล้วไม่สืบสานให้มันต่อเนื่องมันถึงเกิดความรู้สึกงดหงิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า เ, เทวดาภายในพูดง่ายๆว่าอีกภาคหนึ่งนะที่มันายดีที่มันจำได้ถึงอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์สร้างวิมานอารมณ์สร้างสวนสวรรค์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันจะมีภาพทางใจลองสังเกตดูเวลาเอาดอกไม้ไป ปากแยกกันด้วยตัวเองคือไม่มีใครชวนเลยเนะี่ยมันคืออารมณร์เริ่มของความรู้สึกที่มันสูงกว่ า, าที่เป็นอยู่สูงกว่าที่เป็นเราดอกไม้นี่แค่ไม่กี่สิบบาทนะี่แต่อารมณ์เราเป็นล้านนะเข้าใจความแตกต่างไหมมันซื้อไม่ได้นะเอาเอาเงินล้านบาทบอกว่าเออไปลงทุนมันไม่ได้ความรู้สึกนี้นะ หือเอาเงินล้านบาทคนเขาขอขอเวทําบุญแต่เราไม่รู้ว่าบุญอะไรบอกว่ามาขอไปทําบุญหน่อยเราให้ไปแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรเนี่ยเอาไปทําจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับแค่ไม่กี่สิบบาทด้วยใจที่อยากจะทําอย่างนั้นจริงๆอารมณ์นั้นเป็นล้านนะคือเคยถามตัวเองว่าอย่างวัองวนอาทิตย์อาทิตย์หนึงบอกพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปผมก็บอกว่า นั่งสมาธิถามว่าถามเต็ว่าเราเสพติดความสุขจากการได้ไปทําสิ่งนั้นหรือเปล่าก็รู้สึกว่าแค่รู้สึกดีแต่ไม่ถึงกระเสพติดอะไรขนาดนั้นพอพอถึงเวลาจริงๆไม่ไปนี่มันกระวนระวาย ว, วิธีที่จะแก้นะคือตรงเนี้เขาไม่ได้เรียกเสพติดแต่เขาเรียกว่าใจเราเนี่ยมันจุดชนวนติดแล้วว่าเริ่มทําอะไรดีๆที่เริ่มขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครบอกประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปปักดอกไม้อย่างเดียว วิธีแก้ทางเดียวก็คือทำให้มันดีขึ้นกว่าไปปักดอกไม้หางานอื่นให้ตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันมันมีค่ายิ่งกว่าไปปักดอกไม้แล้วตรงนี้เนี่ยพอมันจุดชนวนติดนะกลายเป็นความเคยชินแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเต็มใจไอ้เนี่ยที่ไม่เต็มใจเพราะมีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงตรงนั้นทีเดียวเหรอเพื่อที่จะเอาดอกไม้มาปักแค่เนี้ยคือมันมัน มันอารมณ์ที่เป็นกุศลภายในเนี่ยมันรู้สึกชุ่มชื่นแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นความคิดเนี่ยมันเวทแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลไงก็เลยติดใจอยู่ว่าเอตรงนี้เนี่ยมันมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สงสัยว่าเอเราไปทาไมไปผูกปันกับตรงนั้นต่อไปเนี่ยคือแค่คิดว่าเออเราจะทาอะไรยิ่งกว่าปักตรงไหมอันนี้ไม่บอกไม่ไกลนะว่าจะทาอะไรแต่ ทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้มีประโยชน์กับคนจำนวนมา ก, มากเป็นคนที่ได้โอกาสก็ตามเป็นคนที่มีโอกาสก็ตามแต่ขอให้มันเป็นไปนในทางบุญทางกุศลเป็นไปนในทางดีที่เราจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราได้ทำแล้วมันจะแก้อารมณ์ตรงนั้นได้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจละที่ผ่านมาไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางจิตที่ผิดแปลกอะไรตรงกันข้ามเป็นเรื่องของ จิตที่เป็นปกติมากๆต่างหากว่าพอทำบุญรู้จักบุญจริงๆ ร, รู้จักความชุ่มชื่นตรงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วมันเลิกไม่ได้นี่คือจิตที่ปกตินพะพระพุทธเจ้าตรัสนะบอกว่าทำทานเนี่ยหรือทำอะไรดีๆเนี่ยจงทำให้เคยชินตลอดชีวิตไม่ใช่ทาครั้งสองครั้งของเราคือมันมีความเคยชินในอดีตมนุน ว่าถ้าทำเนี่ยอย่าทำแค่ครั้งสองครั้งอย่าทำเล่นๆแต่เลือกที่จะทำอะไรดีๆเนี่ยตลอดชีวิตมันมันเป็นความพอใจในกุศลในอะไรที่ทีนี้คือคือโอเคเรื่องเจริญสติเรื่องสมาธิเนี่ยเราก็ทำไปด้วยไม่ใช่ไม่ทำนะแต่ว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ เ, เขาเรียกว่าทำทำเป็น คือมันต้องค่อยๆสะสมมากขึ้นกว่านี้ถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นหลักมันเป็นเมเจอร์จริงๆไอ้ น, นี่มันยังเป็นไมเนอร์อยู่ครับเรงถามอาจารเรื่อง ส, สมาธิเคือผมเพิ่งมาเริ่มนั่งสมาธิไม่นานทุกครั้งเวลาพอนั่งปุ๊บเนี่ยพอหลับตาปุ๊บมันจะมันจะมันจะสว่างแต่แล้วผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะนีอ่อนเลยคนระับผมก็ปิดไฟมืดๆแล้วก็นั่ง ก็ยังเห็นความสว่างแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นใสๆอะไรเงี้ยผมก็จะว่ามันเป็นภาพที่ผมอาจจะคิดไปเองอะไรเงี้ยครับไม่มันคิดเองไม่ได้แล้วมันถ้าถ้า ถ, ถ, ถ้าปิดตาแล้วหลับตาแล้วรู้สึกสว่างนะคิดเองไม่ได้แล้วมันก็ตอนน้นมันจะเห็นเป็นภาพตัวผมเองเป็นภาพเป็นสว่างๆแล้วมันก็จะมีแบบมันเป็นวิง่งๆออกไปนะครับแล้วพอผมลืมตามาผมก็จะงงๆเวียนหัวผมก็ต้องพักแป๊บหนึ่งแล้วนั่งใหม่มันก็เป็นแบบเดิมอีกผมก็เลยไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิแบบที่ผมไกด์เนี่ย อมันมันจะรู้สึกปันปนป่นป่วนปั่นป่วนอยู่หน่อยๆวะเป็นครับปั่นป่วนใช่ไหมเออคือเพราะว่ามันไม่เคยฝึกที่จะมารู้สึกตามจริงออกมาจากข้างในไงอนี้มันมันมันเดิ่มที่จะมาหัดเนี่ยยังดูเท้าดูถึงขั้นดูเท้าดูมือเรารู้สึกรีแลกได้แต่พอจะสำรวจว่าลมหายใจเข้าออกเมื่อไหร่มัน มันจะปั่นป่วนขึ้นมาตรงนั้นนะ่ะให้ดูว่ามีอารมณ์ปั่นป่วนคือไปฝึกตามที่ผมไกด์มาเป๊ะเลยนะแล้วไปไปดูในส u n d c l o u d .com ก็ได้มันมีเสียงไกด์แบบนี้แหละทํานองนี้แหละจะได้ไม่ลืมพอพอนั่งเองเนี่ยมันจะแบบออกแนวแบบเนี้ยสมาธิแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมาธิสายเทพคือคื อ, คอผมไม่ได้จริงๆตอนผมนั่งเนี่ยผมไม่ได้คิดผมอยากจะไปนิพพานเลยเลยผมแค่รู้สึกว่าใจ แต่ว่าไอ้ความสว่างที่มันเกิดขึ้นทําไงให้มันหายไปอะคือเราอยากสงบสงบ ค, คือความปรุงแต่งคือความปรุงแต่งในลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปรุงแต่งในแบบที่ว่าจะนําให้เราเนี่ยคือออกไปในทางที่แบบเห็นอะไรพิสดาร น, นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสว่างไม่ใช่เรื่องผิดปกติตรงกันข้ามความสว่างเป็นของดีพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้มีความสว่างในขณะที่ทําสมาธิเพียงแต่อย่าไปติดใจมัน แต่ให้เห็นว่ามันเนี่ยมาให้ดูความไม่เที่ยงถ้าสว่างหลับตาปุ๊บสว่างปริมาณหนึ่งนะเออเราดูต่อไปดูลมหายใจดูอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือว่าสว่างน้อยลงมันมีอยู่สองอย่างแค่นั้นไม่เพิ่มขึ้นก็น้อยลงหรือบางทีก็หายไปตรงนี้พอย์อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองมุมมองแทนที่เราจะไปกลัวความสว่างหรือว่า รู้สึกต่อต้านความสว่างหรือแม้กระทั่งอยากได้ความสว่างเนะีเหล่านี้มันเป็นท่าทีเป็นมุมมองที่ผิดแต่การที่ตั้งมุมมองไว้ว่าความสว่างมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันทําให้เราสงบนงั่งับไม่กวัดแกว่งไม่คิดไปถึงเรื่องข้างนอกไม่ผุ้งซ่านแล้วเราจะอาศัยความสว่างเป็นเครื่องดูความไม่เที่ยงเราเราแค่รอดูไปเฉยๆว่าความสว่างเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไหมถ้ากว้างขึ้นนะบางทีมันขยายข อ, อบเขตออกไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ดีใจถ้าเราไม่ไปตื่นเต้นกับมันนะก็จะเห็นความสว่างเนี่ยที่ขยายขอบเขตออกไปเดี๋ยวมันก็ยุบลงมาเองดูดูดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเซฟมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวและจะไปลงเอยที่ปัญญาปัญญาเห็นความจริงว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแม้แต่แม้แต่กระทั่งความสว่างที่มันเกิดเองมันก็สามารถที่จะลดสามารถที่จะขยายให้เราเห็นได้เองครับ เราลิกๆแล้วยอมรับว่ามันเป็นความกลัวครับอาจารคือสมมติพอผมนั่งกลางคืนเนี่ยพอมันสว่างแล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆคือย่างได้บอกคือดูความสว่างพอมันขยายไปเรื่อยๆปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะไปในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วผมก็ต้องรีบลืมตามันจะกระแทกเงนี่ไงมันมันเป็นแบบสายเทพไงที่ผมถึงบอกไงว่าพอสว่างออกไปแล้วเนี่ยพอเราไม่มีพอยต์ในการมองที่ชัดเจนไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะค่อยๆพาไปเห็นอะไรแล้วเสร็จแล้วคือเราก็ลึกๆเนี่ย ก, ก็จะกลัวว่าจะหลงทางนะเดี๋ยวไปเป็นบ้าเป็นบอรหรือว่าไปโดนครอบงําอะไรการกลัวไว้ก็ดีเหมือนกันคือมันจะได้ไม่เตลิดไปไงโดยแบบไม่มีทิ ศ, ไ ม, มทศไม่มีทางแต่ทีนี้เมื่อเราได้ทิศทางจากพระพุทธเจ้าชัดเจนนะว่าเวลานั่งสมาธิพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นขั้นๆอย่างนี้นะแสงสว่างเป็นของดีไม่ใช่ของน่ารังเกียจข้อ2องคือว่า เราสามารถเห็นความสว่างโดยความเป็นของปรุงแต่งของจิตได้ข้อสามคือว่าเห็นว่าความสว่างแสดงความไม่เที่ยงได้เนี่ยยังเห็นมันขยายไปเนี่ยก็เห็นแค่เห็นแล้วก็ยอมรับว่ามันขยายไปพอมันจะเริ่มออกแนวว่า เ, เดี๋ยวมีอะไรปรากฏมีภาพมีอะไรเงี้ย เราก็แค่มีสติเท่าทันแค่มีสติเท่าทานว่าเออเนี่ยอาการปรุงแต่งของจิตมันเริ่มเกิดภาพแล้วนะไม่ต้องไปกลัวแต่ให้ดีใจว่าเนี่ยเราเห็นความปรุงแต่งของจิตแต่ไม่เชื่อสิ่งที่มันปรากฏให้ดูยิ่งเรารู้สึกว่านี่เป็นความปรุงแต่งของจิตเดี๋ยวมันขยายเดี๋ยวมันหดเดี๋ยวมันเกิดภาพเดี๋ยวมันเป็นแค่ความสว่างเฉย มันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกต่างไปทั้งนั้นเลยตรงนี้แหละที่เราจะดีใจได้พอมีมุมมองมีกรอบมีทิศทางที่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปเมื่อเกิดความสว่างขึ้นมาเนี่ยในขณะนั่งสมาธิความสว่างนั้นจะไม่สูญเปล่าเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์ทันทีแล้วก็มันจะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นความก้าวหน้าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่ว่าจิตนะมันจะเป็นอุเบกขา คือมันจะเฉยเฉยจะสว่างมากสว่างน้อยก็ตามจะขยายออกไปหรือหดเข้ามาก็ตามมันจะเฉยเฉยแล้วก็เห็นด้วยอาการยอมรับว่านี่มันมาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงอยู่เสร็จแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่อุเบกขานั้นมีความตั้งมั่นไปปรุงแต่งให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นมากขึ้นหนักแน่นขึ้นนะไม่ยินยอนสนใจไม่ยินดายยินดีอะไรทั้งนั้นเน่ยไอ้ความตั้งมั่นตรงนั้นมันจะเป็นสมาธิที่ทําให้แสงสว่างมีความคงที่ มีความสว่างมีความกว้างแบบที่เราจะรู้สึกว่านี่แหละที่เรียกว่าสมาธิและสมาธินั้นมันจะรู้อยู่เห็นอยู่จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ดีแสดงความไม่เที่ยงหรือแม้กระทั่งความสว่างที่มันนิ่งที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแสดงความเคลื่อนไหวเลยเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกว่าความสว่างนั้นที่เห็นชัดนั้นเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสงสัยว่าเอ้ยนี่เรามาผิดทางหรือเปล่าเอ้ยนี่เราจะต้องทายัางไงเอ้ยนี่เราจะต้องนั่นนี่จะต้องนี่นอยตรงนี้แหละที่ตัวตนมันเกิดตัวนี้แหละที่ไอ้ความสว่างจะกลายเป็นเครื่องล่อให้เกิดอุปาทานว่าเราทําผิดหรือทําถูกเข้าใจพลอยไหมถ้าไม่สงสัยถ้ามีอุเบกขาจริงๆจิตมันจะเข้าสู่ภาวะรู้แจ้งเห็นจริงของมันเอง ว่าแม้แต่ความสว่างในตัวมันก็เป็นอนัตตาอันนี้มันอาจจะฟังดูเพ้อเจ้อหน่อยแต่ว่าปรึกษาอาจารย์ดีกว่านะคือว่าเวลาคือผมเคยนั่งสมาธิเมื่อเด็กๆผมก็เลิกเด็ดขาดผมเลิกไปเองคราวนี้พอตอนหลังที่มาเริ่มนั่งเนี่ยทุกครั้งที่นั่งมันจะมีเรื่องแปลกๆมันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับผมหลังๆมันเริ่มเป็นเสียงบ้างผมม็รู้ตัวเองบ้าอะไรนะครับคราวนี้พอตอนนอนเนี่ยก็จะฝันอะไรเลอะเทอะแต่พอผมเจอเหตุการณ์บอกเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเป็นแบบเนี้ย แล้วเขาก็จะพูดแบบนี้จริงๆเหมือนที่ผมฝันนะแล้วผมก็จะบอกได้ว่าเดี็วคนนี้จะต้องพูดแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆบางทีมันจะเริ่มแปลกเรื่อยๆมีรูปแบบต่างๆเหนือธรรมชาติผมบอกว่าเราควรจะหยุดแค่นั้นหรือว่าเราควรจะนั่งต่อไปแล้วก็ไปตั้งโต๊ะหมอดูเลยดีไหมรวยแน่เลยเนี่ยคืออย่างนี้นะอาการปรุงแต่งทางจิตในในแบบที่เราเป็ น, นยอย่าไปสงสัยเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ ม, มันเกิดขึ้นจริงๆ จ, จะไปจะไปมัวนั่งนึกอยู่ทําไมว่าเอ๊ะมันมาจากไหนขอให้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันประเด็นคือถ้าเราไม่ติดใจมันนี่แสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่จะหลงไปกับมันสบายใจกับตัวเองได้วอบุญใจกับตัวเองได้ตรงนี้นะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเราถามตัวเองว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ ถ้าเรารู้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเตรียมใจรับเตรียมใจรับมือแล้วมีวิธีรับมือที่ดีมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เหรอไม่ต้องรังเกียจแล้วก็ไม่ต้องไประแวงว่าไอ้นี่มันเป็นของผิดแปลกหรือว่าจะทำให้ชีวิตของเราผิดปกติตราบใดที่เรายังไม่แพร่งพลายไอ้ความผิดปกติของเราให้คนอื่นรับรู้เนี่ยตราบนั้นชีวิตมันจะยังเป็นปกติได้ เข้าใจไหมอ่าแล้วขอให้มีแนวทางที่ชัดเจนแค่ว่าปรากฏการทางใจมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรารู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงหมดตรงนี้มันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่จิตมันยังอยู่สายเทียบอยู่อะ่ะคือคือมันมันยังมีความแน่นหนาอยู่กับว่าถ้าถ้าปฏิบัติอะไรไปเนี่ยมันจะมีอะไรพวกเนี้ยเข้ามานะคื อ, คอผมรู้ว่ายิ่ง ผ่านไปไม่นานยิ่งนั่งยิ่งมาครับมามาแปลกๆต่างๆนานาล้วก็แต่กลัวครับบางทีมาแบบ <c oughs> คือผมทีนี้อย่างอย่างนี้ผมว่าไงคือว่าถ้าเรามีมุมมองที่ชัดเจนมีกรอบมีทิศทางที่ว่าเราจะดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยของพวกนั้นจะค่อยๆปรากฏเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือฝึกตอนนี้มันยังไม่ใช่เครื่องมือฝึกเพราะมีความระแวงของเราอยู่เป็นตัวตั้งให้ตัวความระแวงนั้นน่มันจะไปกาะ อ, อุปทานขึ้นมา ว่าดีหรือไม่ดีควรเอาหรือไม่ควรเอาควรต่อยังไงหรือไม่ควรต่อยังไงเนี่ยมันจะเป็นชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางความคิดและอารมณ์ที่มันมันไม่รู้จบแต่ที่มีกรอบความคิดชัดเจนว่ามันจะสว่างแค่ไหนมันจะไปปรุงแต่งภาพหรือเสียงยังไงก็แล้วแต่เราดูโดยความเป็นของปรุงแต่งจิตก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงของปรุงแต่งจิตเหล่านั้นไม่เที่ยง เริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆชัดเจนก่อนอย่างเช่นลมหายใจหรือว่าแสงสว่างที่ว่านี้แหละนี่ลองลองดูนี่อย่างใจตอนนี้ ค, คือมันโปร่งขึ้นมันโปร่งขึ้นกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันมันจะยังหนาแน่นอยู่ด้วยการปรุงแต่งอีกแบบหนึง่งคือมันเป็นความปรุงแต่งในเมื่อกี้นี้นะเป็นความปรุงแต่งในอยากในในเชิงอยากเอาดี อยากทำให้มันถูกอยากทำให้มันพูดง่ายๆเอาดีเอาให้มันดีเอาให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าใจใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นเป็นไงมันจะขาวแต่เป็นขาวขุนแต่แต่ยังเมื่อกี้ตอนที่เข้าใจอ่ะมันสงบลงมันไม่ได้อยากเอาดีพราะรู้สึกว่าดีอยู่แล้วมันจะโปร่งมันจะใสมันดีเหมือนกันแต่มันดีกว่า อยากเกรงใจเพื่อนขอคําถามสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์คือระยะเวลาในการนั่งสมาธิครับคือมีครั้งหนึ่งผมผมไม่ได้จับเวลาแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาไว้นะครับผมก็นั่งไปแล้วผมก็เห็นสว่างสว่างผมผมลืมตาไปทีมันสองชั่วโมงกว่าแต่มันสั้นมากถูกแล้วมันต้องมันต้องอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนน้อยมากคือจิตที่มีอาการเปลี่ยนแปลง น, น้อยเนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกอันเดียว อย่างอย่างถ้าเป็นฌานจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาหยุดจริงๆเวลาไม่ได้หยุดพิสูจน์ได้ตรงนี้ว่าลมหายใจยังเข้าออกปรากฏอยู่แต่ว่าไอ้ความความรับรู้อะไรข้างนอกทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปมันมันจะเหมือนจิตหยุดนิ่งอยู่กับที่ไอ้จิตหยุดนิ่งกับที่เนี่ยก็คือเวลาหยุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะผ่านไปกี่ชั่วโมงบางทีมันมันไม่ใช่เซนต์แบบปกติที่ตอนตื่นตอนลืมตา มันตอนลืมตาเนี่ยเราจะเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่แล้วก็จะรู้สึกว่าได้ยินมาเยอะเห็นมาเยอะมันอันนี้ก็คือเวลามันจะยาวนานแต่ในขณะของสมาธิจิตมันไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่จิตที่มีรสชาติเดียวอยู่ก็ลเลยเหมือนกับเอ๊ยอันนี้แป๊บเดียวเนี่ยแต่จริงจริงมันอาจจะนานแล้วแล้วเราควรจับเวลาไหมครับหรือว่าปล่อยให้เขาไหลไปเรืเอยๆเอางี้พูดอย่างนี้ครอบคลุมเลยอย่า ก, กลัว ที่ทำอยู่อะ่ะมันจะปรากฏอะไรก็แล้วแต่มันดีของมันอยู่แล้วแค่อย่าไปกลัวมันแล้วก็อย่าไปกะเกณอะไรกับมันขอแค่อย่างเดียวมีทิศทางมีกรอ บ, ม, รอบมีกรอบทางมุมมองที่ชัดเจนว่าเราจะดูความไม่เที่ยงอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นหรือมันจะนานแค่ไหนมันจะอะไรยังไงเนี่ยนะ ม, มันไม่มีถูกแบบมาตรฐานหรอกเชื่อเถอะมันไม่มีรูปแบบที่เนี่ยเอาไปปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันทุกคนเนี่ยแล้วจะถูกต้องแต่มันจะมีเกณฑ์วัดทางใจข้อสังเกตทางใจถ้าเรายังเล็งอยู่ถ้าเรายังมีมุมมองอยู่ว่าไอเนี่ยอะไรปรากฏก็แล้วแต่มันกำลังแสดงความไม่เที่ยงตรงเนี้ยชัดเจนแน่นอนถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแน่นอน แล้วของเรานี่คือตอนที่จะออกจากสมาธิเนี่ยสังเกตแค่ตรงนั้นก็แล้วกันเวลาที่จะเคลื่อนจากสมาธิเนี่ยดูว่าเออเนี่ยจิตมันเสื่อมจากอาการตั้งมั่นเสื่อมจากอาการที่มันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันมันไม่ได้นิ่งทั้งหมดนะตอนตอนที่อยู่ในสมาธินะคือมันยังยังมีอย่างอื่นประกอบอยู่ด้วยแต่ตอนที่จะถอนออกมาจากสมาธิเนี่ยแค่เปรียบเทียบดูเฉยๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนไ ใ, ในจิตตานุบาสนาจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเราเล็งอยู่เห็นอยู่อย่างนี้การที่เราออกจากสมาธิทุกครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นมากขึ้นไอ้นี่ออกจากสมาธิมันยังเวิบเลยอยู่งงยอ่าเนี่ย ค่ะพี่ตุลมีคำถามเยอะมากเลยค่ะ อ, ออย่างแรกถามว่าคือรู้สึกว่าชีวิตทํางานที่ผ่านมาค่ะมันมีอุปสรรคหรือว่ามันไม่ค่อยจะแบบสําเร็จอะไรเท่าไหร่แล้วแวบบยิ่งทํายิ่งท้อค่ะมันติดขัดที่ตรงไหนอะค่ะแล้วควรจะแก้ไขยังไงออา <รบ S 1> ข้อ น, นี้ก่อนคือของเราเป็นคนคาดหวังสูงมันมันคาดหวังมากเกินไปนะ จริงๆแล้วเราควรจะลดระดับความคาดหวังให้มันลงมาพื้นๆ น, นิดนึงคือคือตอนเนี้ยดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนเนียมันสูงสุดโลกเลยนะแบบมันไปไกลเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปกากเก์คืออยู่ๆมากากเกนให้ตัวเองเนี้ยต้องทำให้ได้ต้องต้องเอาให้ได้อย่างนั้นต้องเอาให้ได้อย่างนี้นะมันเลยเกิดความรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งทงที่จริงพี่เห็นว่าของเราก็ประสบความสําเร็จมาแล้วแต่ว่าเราไม่ถือเป็นความสําเร็จยกตัว อ, อย่างเช่นถ้าสเปคของเราคือว่าสมมุตินะสมมุติเฉยเฉยนะสเปคของเราคือต้องได้สิบล้านถึงจะประสบความสําเร็จแต่จริงเราก็ได้มาล้านหนึ่งแล้วคือมันมันไม่ใช่ไม่ไม่ผ่านอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้มาเลยเข้าใจพอยของพี่ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่า เราทำอะไรไม่ผ่านมาก่อนมันผ่านมาเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงที่เรารู้สึกว่าเนี่ยจะต้องเอาให้ได้หรือว่าจะต้องได้รับความยอมรับหรือจะต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันมันไม่ได้ยืนพื้นอยู่บนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ก่อนเนี่ยเราดูตัวเองมัน พอใช้คําว่าพอคาดหวังอะไรแล้วหมกมุ่นมากๆเนมันจะเหมือนประสาทอะประสาทอยู่ข้างในเข้าใจว่าคือมันว้าวุ่นว้าวุ่นจัดแต่ตอนเนี้มันน้อยลงคือคล้ายๆมันยังมีอาการว้าวุ่นอยู่ก็จริงแต่อาการว้าวุ่นนั้นไม่ได้หนาแน่นเหมือนแต่ก่อนมันมาเป็นระลอกร ะ, ะลอกตอนที่เราเผลอตัว งั้นตอนนี้ควรจะลดให้มันวาวุ่นลดลงไปอีกใช่ไมคะไม่ไม่คือที่ผ่านมาเหมือนชีวิตสอนเราไงว่าเราไม่ได้สิ่งเราไม่ได้ทุกอย่างที่คาดหวังหรอกแล้วเราเริ่มเรียนรู้ทีละนิดเรียนรู้ที่จะยอมรับทีละนิดเราก็มาหันมามีความสุขกับการศึกษาธรรมะบ้างจเจริญส ต, ติบ้างอะไรน้นนิดนี่หน่อยมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลาดับ ประเด็นของพี่ก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วก็ยอมรับตามจริงว่ามันยังมีอาการว้าวุ่นอยู่และวก็เอาความว้าวุ่นนั่นนะมาเป็นเครื่องฝึกสติบ้างคือข้างนอกพี่ไม่ได้ให้เลิกพยายามนะอยากพยายามอะไรก็พยายามต่อไปแต่ระหว่างนี้เราก็จเจริญสติไปด้วยคือพอเกิดความว้าวุ่นแบบร้อนๆคือเราจะรู้ไงแต่ก่อนเนี่ยพอว้าวุ่นขึ้นมาเนี่ย มันจะร้อนมันจะรู้สึกเหมือนมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอัตตาใหญ่ๆปรากฏขึ้นมาอึอาดอัดคับแน่นไปหมดแต่ตอนเนี้มันจะเบาวางลงมันก็ยังมีความอึดอัดอยู่เพียงแต่เป็นความอึดอัดแบบคุ้ น, น, นๆเฉยๆมันไม่ได้อึอดอัดคับตลอดวันนี่ตัวเนี้เราก็อาศัยเป็นเครื่องเจริญสติได้ไม่ว่าเราจะทํางานล้มเหลวหรือว่าสําเร็จในนิยามของเราเนะ เรามาดูตัวเนี้ยตัวความว้าวุ่นตัวความรู้สึกไม่ได้อย่างใจทัท้ทีตัวความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคาใจนะที่ไปไม่ถึงอจุดที่เราตั้งไว้สเปคที่เรากะไว้ให้ตัวเองต้องเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยบอกพี่พูดถึงความมึนอันเรานึกออกแล้วเห็นมันหายไปแบบแวบๆบแบบคือมันไม่ได้หายไปทั้งหมดนะแต่มันออกไปแวบๆบแบบ เจอหน้าพี่หรือเจอหน้าอาจารย์ึงจะหายอยู่บ้านเองมันก็ไม่หายอะค่ะงั้นเดี๋ยวเอาเอารูปพี่แปะไว้ที่เนี่ยแบบใส่ใส่หมวกแล้วก็มีรูปพี่ห้อยลงมาจะให้ปีกหมวกอเออเนี่ยอย่างนี้มันจะมีสติตลอดเวลาจริงๆแล้วของเราอ่ะนะปฏิบัติไม่ได้เยอะแล้วนะถ้าเทียบกับที่พี่เจอเราคราวแรกเนี่ย อันนั้นมันโอ้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมันมีอาการอยู่ข้างในอยากโน่นอยากนี่ตลอดแล้วมันจะอึดอัดเนตอนนี้มันเบาลงไปตั้งเยอะแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไม่ใช่ถามว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จทางโลกแต่ให้ถามตัวเองว่าทํายังไงจะรู้สึกประสบความสําเร็จทั้งทางธรรมและทางโลก เข้าใจไหมถ้าเราตั้งสเปคไว้เนี่ยเบืองทีตั้งตั้งไว้กี่ชาติมันก็ไม่ไปไม่ถึงเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่ไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ทํำยังไงถึงจะรู้สึกประสบความสําเร็จทางธรรมแล้วก็ทางโลกมันจะมองใหม่มองเข้ามาที่ใจเป็นหลักไอ้ที่ผ่านมาเขาเรียกเครื่องกลางๆมองข้างนอกด้วยแล้วก็มองเข้ามาข้างในด้วย เลยเหมือนกับว่าเรายังไม่มีเกณฑ์ที่จะใช้วัดชัดพอแต่ถ้าเราบอกตัวเองไว้ต่อไปนี้เราจะเอาความสำเร็จทางใจเป็น priority เราจะรู้สึกประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากสามารถเห็นไอ้ตัวอาการว้าวุ่นที่มันผุดขึ้นมาอาการร้อนๆอาการคับแน่นอยู่กลางอกกลางใจที่ไม่ได้อย่างใจ พอเห็นเนี่ยมันประสบความสำเร็จในการเห็นแล้วยังไม่ต้องหายนะแค่เห็นยังไม่ต้องหายมันก็ถือว่าประสบความสาเร็จครึ่งหนึ่งแล้วแต่พอเห็นไปเรื่อยๆด้วยอาการยอมรับมันจะหายไปจริงๆหายไปให้ดูทีละครั้งทีละหนน่นเราจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าเออเนี่ยประสบความสำเร็จทางธรรมทีนี้พอประสบความสาเร็จทางธรรมมันจะเกิดมุมมองอีกแบบหนึ่งในทางโลกว่าโอเค เอาแค่สเปคที่มันทําได้วันนี้ได้ไหมถ้าตั้งสเปคไว้วันนี้ว่าจะเอาแค่นี้คือมันมันไม่ได้เกินความสามารถมันไม่ได้เกินเอื้อมแล้วเราทําได้มันจะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นคือพอพลิกมุมมองพลิกสเปกเนี่ยมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตคืบหน้าไปวันต่อวันเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวหรอกพอ ป, ปีหนึ่งขึ้นมามองย้อนไปอีกทีอา้าวเออมันมันได้อะไรมาแล้วตั้งเยอะทั้งทางโลกทางธรรม คือชีวิตเราอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องความพอใจเท่านั้นแหละมันไม่พอใจแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความพอใจขึ้นมาแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นนั่งเยอะมันเริ่มพอใจชีวิตมากขึ้น แ, แต่ก่อนมันไม่มีความพอใจเลยนะแล้วถ้าเกิดตอนนี้มันก็ยังมีความหงุดหงิดอะไรในแบบตัวไม่มากแล้ว <c oughs> ไม่มากแล้ว <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยมันแบบเหมือนข้างในมันอรารวาสอยู่ตลอดอรารวาแลวเก็บกดด้วย ที่จำหนูได้ด้วยเหรอคะเห็นเห็นหน้าก็แต่บางทีก็ทักผิดทักถูกแต่เราจำได้คือมาครั้งแรกนี้มันคืออาจไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจตอนนี้เราพอใจในชีวิตขึ้นขึ้นตั้งเยอะแล้ว อีกอันนึงค่ะคือหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบบอกบุญใครอะค่ะจะจะบอกแค่กลุ่มเล็กๆที่แบบสนิทสนิทจริงๆริงจริ ง, ร ง, ร ง, รงถ้าสมุนทำดีมันไม่น่าจะเขินนะทำไมต้องรู้สึกไม่ค่อยอยากก็กลัวกลัวการปฏิเสธไงก็ดีเหมือนกันคือถ้าบอกกลุ่มเล็เลกๆเนี่ยมันชัวว่าปลื้มกันแน่ปลื้มเราปลื้มเขาแต่ถ้าแบบเขาเคยปลื้มกันเรามาก่อนเราไปบอกอีกเขาก็ปลื้มอีกรู้จังหวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกไปกว้างๆเนี่ยมันไม่ชัวงไง เ่าไปรีดนาทาเลนต์หรือเปล่ารีดนาทาเลนต์ด้วยใบบอกบุญเนี่ยโอโ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากมันก็อาจจะกลัวอยู่ลึกๆด้วย<อ>ว่าเ ข, ขาลําคาอะไรเงี้ยแต่แบบเห็นคนที่เขาทําบุญใหญ่แบบว่าบอกแล้วก็แบบมีคนมาทําบุญเยอะๆก็อยากได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยคือต้องต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของการทําบุญใหญ่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีความปลื้มในด้านอื่นร่วมมาก่อนประกอบอยู่ก่อน คือไม่ใช่อยู่ๆแบบเราเนืกออยากจะทำอะไรใหญ่ๆแล้วไปประกาศตูมตามเนี่ยคือมันไม่มีปัจจัยแวดล้อมที่จะสร้างความรู้สึกแข็งแรงให้กับคนที่เขาเห็นที่อยากจะทำให้เขาปลื้มตามนะการที่เราชัวรว่าบอกไปแล้วร่วมกันแน่ๆปลื้มด้วยกันแน่ๆมีประโยชน์ใหญ่ยิ่งกว่าการที่เราจะไปคาดหมายนี่ไงพี่ถึงบอกไงของเราเนี่ย คือมันทําอะไรเล็กๆไม่เป็นนะมันมันชอบแบบคือคิดอะไรไปสุดโลกนะเสร็จแล้วมันก็ต้องมากังวลทีหลังเห็นไหมว่าเอ้ยมันมันจะดีหรือเปล่ามันจะโน่นมันจะนี่แล้วเสร็จแล้วมันก็เฟลเฟลอยู่ข้างในลึกๆเพราะสาเหตุที่ว่ามันไปตั้งสเปคไว้สูงเกินไปทั้งๆที่จริงเราบอกบุญในช่วงแค่ช่วงแคบๆเนี่ยในวงแคบๆเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่เราไม่ปลื้มพอเพราะสเปคของเรามันสูงกว่านั้นเห็นไหม คือถ้าถ้าเป็นปกตินะเราเมีความรู้สึกว่าเออเราจะเผื่อแผ่ความสว่างไปในคนที่เรารู้จักเนี่ยคือคือเราตั้งอารมณ์ไว้แค่นั้นเนี่ยนะเวลาเราทำสำเร็จเนี่ยเราจะปลื้มมากแล้วรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเห็นแน่ๆว่าเป็นไปได้แล้วก็สามารถทำได้เลยแต่ไอ้ของใหญ่เนี่ย บางทีมันอยู่ในจินตนาการเรามัวแต่มาไม่พอใจกับไอ้ของจริงที่มันยังแคบกว่านั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เล็กนะมันไม่ใช่ของเล็กนะถึงแม้ว่าจะไปถึงคนแค่ไม่กี่คนแต่ถ้าร่วมกันทำจริงจริงเนี่ยอารมณ์มันใหญ่นะแล้วก็ถ้าเราไม่มัวแต่ติดว่าต้องให้ได้มากกว่านี้ต้องให้อะไรใหญ่โตเนี่ย มันก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันจ้ะแล้วก็ตัวสมถธิกับวิปัสสนาแบบไหนที่ตรงกัจริตของหนูคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้ได้คือเราเราแยนรู้สึกว่าเราแค่รู้นิ ด, น, ดนิดหน่อยหน่อยแต่แต่ต้องต้องมันเหมือนกับไม่ได้จับต้องได้อะไรชัดเจนเป็นรูก ป, ประธรรมแต่ไอ้ที่นิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันสะสมมาหลายปี เหนไหมตอนเนี้ที่พี่บอกไงเรามีความสุขกับชีวิตมากกว่าเดิมตั้งเยอะนั่นเพราะว่าความพอใจความสว่างที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยมันมันเป็นของที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาเองคือหนูทําถูกอยู่แล้วป่ะคะทำมาดีอยู่แล้วถูกอยู่แล้วแต่มันยังต้องทําอีก คือถ้านั่งสมาธิได้ก็ดีแต่ก่อนมันจะนั่งไม่ได้เลยแต่ยังามานั่งหลังๆเนี่ยเมื่อกี้มาทันตอนช่วงเนี่ยว่ะคือลองไปนั่งอยู่กับบ้านโดยมันจะงงๆมันจะยังพุ่งๆอยู่ก็จริงแต่ตอนเนี้ยจิตมันเริ่มเปิดให้นั่งสมาธิได้บ้างแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยจิตมันปิดมากๆเพราะนั้นถ้าเมื่อก่อนเราไปพยายามฝืนนั่งสมาธิเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นลบกับสมาธิ มันจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิหรอกแต่ตอนเนี้คือค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วมันจะรู้สึกว่าค่อยๆสร้างความมั่นใจขึ้นมาวันต่อวันเดือนต่อเดือนแล้วพอปีเป็นปีปีผ่านไปเนี่ยเรามองย้อนกลับมาเออมันแตกต่างไปเยอะแล้วคือใจมันชอบเวลาที่ไปอยู่แบบวัด ที่มีป่าหรือว่าต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะคือควรจะตามใจแบบว่าเวลามีโอกาสก็ต้องไปเยอะๆหรือว่าควรจะพยายามฝึกให้ทำได้อยู่ที่บ้านจะดีกว่าค่ะไม่อยู่วัดเราก็ปรุงสร้างอยู่ดีมันมันเหมือนกับอารมณ์ชอบใจในความวิเวกมันมันมาปรุงแต่งให้ขึ้นความคิดมันเบาบางลงแล้วมันแตกต่างไปแต่มันก็ยังคิดคิดคิดคืดคอเรายังไม่มีหลักสมาธิที่ชัดเจน ล อ, ลองอีกทีนึงดิคือพี่รู้เราอาจจะเคยฟังที่พี่ไกด์มาก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงจังเลยและช่วงนั้นมันยังอาจจะไม่เหมาะลองลองไปฟังดูอีกทีแล้วก็ทำดูอีกทีมันอาจจะคราวนี้มันอาจจะมีผลแตกต่างละฟังอันไหนนะคะที่ที่ใน s a u d r a com ดั a s h d a n g r i n น่ะที่ไกด์ทำสมาธิอ่ะโ <Okay. S 1> อเคค่ะก็งั้นสุดท้ายค่ะ คือเวลาใจแบบบางทีมันก็จะสว่างมากเวลาทำเยอะๆแล้วสว่างมากแล้วก็แต่บางทีมันก็จะมืดหดหูมากๆค่ะต่างกันแบบหดหูเป็นอารมณ์เก่าเป็นปัจจัยเก่าของเรามันมาแบบนั้นแบบว่าไม่พอใจตัวเองบางบางครั้งหลายๆครั้งสมัยก่อนถึงขั้นเกลียดตัวเองนะแต่ตอนเนี้ยมันนักตัวเองมากขึ้นเพราะมัน ม, มีความสุขมากขึ้น ตรงที่มันเป็นความหดหู่เป็นความมืดมันเป็นอารมณ์เก่าส่วนที่มันมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความมีความสบายใจมีความรักตัวเองมากขึ้นอันนั้นเป็นของใหม่ที่มันมีความพอใจในธรรมะมากขึ้นก็คือทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะได้เพิ่มความสบาขึ้นไปนั่งสมาธินะบ้างนะถ้านั่งสมาธิพี่ว่าตอนนี้เราจะดีขึ้นละจิตมันแตกต่างไปเยอะข อ, ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องเอียงนิดหนึ่งครับเอียงเอียงแบบนี้แล้วก็จ่อติดปากนิดนึงครับออของผมใช้ดูความคิดนะครับทีนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะโลแล้วกไ็ไม่ค่อยตั้งมั่นก็เลยถามอาจารย์ว่าผมทำธรรมสถานไม่ได้นะตอนนี้แต่ตะก่อนอดีตนานแล้วเนี่ยพอทาได้อยู่ ก็เลยเรียนถามเรื่องจะมียังไงที่ให้มันตั้งมั่นมากขึ้นนะครับมันเหมือนพอเริ่มทำสมาธิหรือว่าพยายามจะเจริญสติเนี่ยอารมณ์ของคุณมันเบาเกินไป เหมือนกับพยายามไปจับความเบาอะให้มันว่างให้มันหายอะนึกออกไหมเวลานั่งสมาธิพอลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเนี่ยคือนึกถึงความเบาจะไปก๊อปปี้ความเบาความว่างของเก่ามาแล้วก็จะมาล็อกให้มันตั้งมั่นคือมันไม่ค่อยค่อยบิวเข้าไปแบบหนึ่งสองสามมันจะเอาไอ้ตรงที่สิบมา มาล็อกไว้เลยนะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับคือแล้วมันมันไม่ไดูดมันไม่ได้ดูที่ความคิดจริงอะครับคือคือมันมันมีความหวังความอยากในอารมณ์เบามากกว่าเข้าใจ point ใช่ไหมครับคือคือพอตั้งต้นบุ๊บ เนี่ยเราพยายามจะล็อกแลวเสร็จแล้วพอมีความคิดขึ้นมาถึงดูทีดูดูเสร็จแล้วดูด้วยความไม่พอใจว่ามันมันไม่หายไปสักทีพอดูด้วยความไม่พอใจว่าเออมันมามันมามันมามันมันไม่อุเบกขามันดูเพราะความคาดหวังว่าจะเห็นมันหายไปเลยเป็นวกไม่นานแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์เบาอารมณ์สบายอารมณ์ที่มันไปตั้งสเปกไว้ว่าเนี่ยคือสมาธิ เข้าใจพอยนะทีนี้พอเริ่มต้นเอาใหม่คือแค่ตั้งต้นอย่างอารมณ์เบาก็ได้แต่ขอให้มีการสังเกตควบคู่ไปด้วยว่าที่เบาอยู่ในแต่ละขณะเนี่ยมันเบามากเบาน้อยมันสว่างมากสว่างน้อยมันมีความรู้สึกว่างนานแค่ไหนโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องเครื่องสังเกตลมหายใจนี้มันมีความเบาแค่นี้ยอมรับไป ยิ่ลมหายใจต่อมามันหนักขึ้นมันค้นขึ้นหรือมีความฟุ้งก็ยอมรับไปเห็นเป็นจิตคืออย่าไปสังเกตเป็นความคิดเมื่อกี้ตอนที่คุณพูดมาคุณคุณเล่าว่าสังเกตเห็นความคิดว่ามันหายมันเกิดขึ้นแล้วหายไปอะไรเนี่ยนะแต่คุณไม่ได้พูดไงว่าที่เห็นว่นามันเกิดขึ้นแล้วหายไปเห็นด้วยอาการอยากเห็นด้วยอาการคาดหวังว่ามันจะหายไปนา น, าน แล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์เบาครับเข้าใจพอยนะทีนี้พอยของผมก็คือว่าไปลองใหม่เปลี่ยนมุมมองขึ้นต้นมาอยากคาดหวังว่าจะให้มันหายไปนานเว้นวักไปนานหรือมีอารมณ์เบาถูกล็อกไว้ตลอดเวลาแต่ให้คาดหวังว่าขึ้นต้นมาโอเคอาจจะเห็นอารมณ์เบาแต่ให้สังเกตไปได้วยว่าแต่ละลมหายใจอารมณ์เบานั้นน่ะมันแตกต่างไปยังไงมีความแปรปรวนไปยังไง แล้วมีขึ้นความคิดผุดขึ้นมาแค่ไหนแต่ละลอกเนี่ยให้ยอมรับให้หมดไม่มีความคือถ้าเมื่อไร่มีความคาดหวังว่าจะนิ่งไปนานๆให้รู้แม้อาการคาดหวังนั้นโดยความเป็นปัญหาเป็นภวะปัญหาตัวภวะปัญหานั่นแหละต้นเหตุทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนะเมื่อเราเห็นภวะปัญหาบ่อยเท่าไหร่ก็ได้ชื่อว่าเห็นต้นเหตุ ค, ความทุกข์มากขึ้นเท่านั้น พอเห็นอย่างนี้ไปเนี่ยนะมันอาจจะไม่สงบแต่มันจะเกิดความรู้ความตื่นและมันจะไม่มีความทุกข์ที่ผ่านมาเห็นไหมมันมีอารมณ์เบาก็จริงนะมันมีความสุขนะแต่แป๊บแป๊บมันจะแปลเป็นอารมณ์ทุกข์ตรงนั้นเน่ยเพราะตัวตันหาตัวภาวะตันหาอยากจะให้มันอยู่นานๆแต่งานมัน ไม่เปิดโอากาสให้เป็นแบบนั้นหรอกนะีคือเราจะเอาอะไรไปสู้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ทั้งวันเป็นสิบชั่วโมงเนะี่ยปฏิบัติทำแบบคารวานะเนี่ยคือมันต้องปฏิบัติแบบเจียมเนื้อเจียมตัวนิดหนึ่งนะคือว่าอย่าไปหวังผลมากแต่ให้หวังผลว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะ่ยมันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่สมตัว อนี่คือจะเอาแบบพระเลยอะ่ะคือนะแบบให้มันเกิดฌานให้เกิดอะไรแล้วแบบให้มันเป็นลีเนียความก้าวหน้าโปรเกรสเลื่อนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ต้องต้องยอมรับเป็นคราว้านเนี่ยคือมันมีนะคนได้ฌา น, นแต่ส่วนใหญ่มันก็น้มๆ้มลุกลุกะแหลมมันมันไม่ใช่อย่างถ้าเป็นพระเนี่ยแม้แต่พระนะ อยู่ในป่านะปัจจัยอะไรพร้อมหมดเลยนะแบบรู้สึกว่าพร้อมที่จะทิ้งชีวิตไม่มีอะไรยายดียังได้บ้างไม่ได้ได้บ้างเลยนะขนาดแบบปฏิบัติมาเป็นสิ1สิปีเนี่ยเวลาท่านเล่าก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาล้วเป็นฆลาวาสเนีย่ยโอ้โหไปหวังแบบพระไม่ได้หรอกนะขออนุญาตถามนิดหนึ่งแล้วกันฮนะสมัยบวชก็ มันก็นิ่งได้นะครับทีนี้หูเริ่มจากพอมันมันเข้าสมาธิแล้วหูมันก็ดับหูดับแล้วก็คล้ายๆมันหายไปเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนไม่มีไม่มีอะไรเลยพอมาคือได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับสมัยบวชทีนี้ครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวก็คือมันเงียบจนรู้สึกว่าจิตมันจะกระโดดออกจากร่างไปมันก็เลยตกใจ ก็เลยสงสัยมาตลอดว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรพอฝึกมาก็เป็นเรื่องปกติมากเลยคือพอตอนตอนที่หูดับไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันเข้าไปสงบแล้วก็ตัดการรับรู้ทางประสาทกายนะแล้วพอมันมีกําลังมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันไม่พอใจในกายละกายเนี่ยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตที่นึกนกึคิดคิดแต่ ถ้าจิตมันไม่นึกไม่คิดมีแต่อาการรู้มแีแต่อาการหนักแน่นเป็นสมาธิอยู่เนี่ยมันอยากจะออกไปข้างนอกมันเห็นกายเนี่ยคับแคบมันก็อยากจะดีดออกไปมีแรงดันอยากออกไปนี่ถ้าเราจเจริญสติมาตามขั้นตามตอนจริงๆนะคือคืออย่างอันเนี้ยเป็นที่ถกเถียงในวงการปฏิบัติเอ๊ะตอนที่ได้ฌานเนี่ยอารมณ์การรับรู้ประสบการณ์ภายในมันเป็นยังไงกันแน่ อย่างอดอมหูดับเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฌานนะคือตัดการรับรู้จากข้างนอกพระพุทธเจ้าเคยบอกขนาดท่านเดินจงกรมอยู่เนี่ยฟ้าผ่าท่านไม่ได้ยินว่าพ่าหูท่านประสาทหูท่านตัดออกจากการรับรู้ภายนอกแต่ประสบการณ์ของบางคนเนี่ยคือได้ฌานจริงนะจิตเป็นเอกาคตาใหญ่หนักแน่นแล้วก็กว้างขวางเดี๋ยวว่า มันก็ยังรับรู้อยู่นียมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกรับรู้ถึงอาการปรากฏของเอิรยบทนั่งอยู่มันไม่ได้หายไปไหนคือมีจิตที่สว่างเด่นดวงด้วยแล้วก็รับรู้ถึงอิรียบ ท, ที่เป็นปัจจุบันด้วยจิตหยุดเหมือนกับไม่มีเวลาแต่ว่าร่างกายยังแสดงความเคลื่อนไหวอยู่นี่ตัวนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พ้อยก็คือว่าถ้าจิตยังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายนยะคือเจริญอาณาปานาสติมาจนกระทั่งว่าจิตจิตอยู่ส่วนจิตแล้วก็ลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจต่างคนต่างอยู่จริงๆตรงนั้นจิตจะไม่ดินน้นรนอยากออกนอกกายคือมันจะไม่สะสมแรงดันว่าเมื่อไหร่จะดีดออกไปสักที มันจะมีความรู้เท่าทันอยู่ว่ามันยังครองกายมันยังอาศัยกายเป็นพโพรงอยู่แล้วก็ไม่มีอาการดิ้นรนอันนี้มันมีอาการดิ้นรนเพราะว่าจิตมันสงบเข้าไปแล้วสงบแบบอัดตัวอัดอัดกำลังอพอถึงจุดหนึ่งมันพยายามดิ้นออกแต่เนื่องจากไม่ได้รู้ทางออกจริงๆเพราะจิตเนี่ย เริ่มต้นขึ้นมาพอขึ้นต้นชาติใหม่มันง่วงหมดมันไม่รู้อะไรเลยยังเคยทําได้มาเคยรู้ทางออกมาอะไรมันลืมมันต้องมาฝึกมันต้องมาได้คําแนะนําอะไรที่มันจะเข้าทางได้ใหม่แต่นี้ถ้าเรามองว่าเออในชาตินี้เนี่ยมันมีโอกาสดีที่สุดแล้วรู้จากแนวปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไม่ต้องไปเดินรนหาทางออกใหม่ก็ได้คือหาทางที่จะให้จิตเนี่ยมันมีอาการตื่นรู้แล้วก็มีแต่อาการตระหนักว่าอะไรอะไรที่อยู่ทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงมันแสดงอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตรงนี้เนี่ยนะมันจะทําให้แรงดิ้นแรงดันอะไรต่างๆแม้กระทั่งอยากออกจากโรงอยากออกจากร่างกายนี้เนี่ยมันมันไม่เกิด หรือถ้าเกิดขึ้นมามันรู้ทางแบบชัดเจนคือมันจะแยกแยกได้ตั้งแต่ยังยังไม่ต้องแบบถอดจิตเนี่ยคือมันจะรู้สึกเหมือนแยกออกไปเป็นตังหากเองซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของคุณภาพจิตที่พัฒนามาตามแบบพุทธจริงๆนะตามแบบพุทธก็คือตามวิถีธรรมชาติาจริงๆเนะี่ยมันมันจะพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ย จิตมันใหญ่กว่ากายถ้าจะออกข้างนอกจริงๆเนี่ยมันออกอย่างรู้ออกด้วยความใหญ่ออกด้วยความมีสติรู้ว่าเออเนี่ยกายส่วนกายนะนี่จิตส่วนจิตนะแล้วเห็นว่าเออพอจะแยกออกไปเนี่ยมันแยกออกไปด้วยเหตุผลอะไรมันรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอิสระละมันสามารถขยับนิดหนึ่งเคลื่อนออกไปโดยที่ไม่ต้องหาทางออกมันเคลื่อนออกไปได้เอง คือคือจิตมีความใหญ่เหนือกายนั่นเองนะแล้วที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเอาตามแบบพุทธก็คือว่าให้รู้สึกถึงอิริยบทให้รู้สึกถึงลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันรู้ว่าแต่ละลมหายใจปฏิกิริยาทางใจเป็นยังไงสุขหรือทุกข์เป็นยังไงนะมันส ง, งบหรือคลุ้งซ่านเอาตามแบบสติปัฏฐานเลยเนี่ยตัวนี้แหละที่จะเป็นคําตอบทางธรรมชาติเลยนะพอไปถึงจุดหนึ่งโอเคมาคนสุดท้าย เดี๋ยวพอดีว่าที่ร้านต้องต้องปิดแล้วเอาเอาเล<อ>ิกจาค่ ะ, คะยินดีค่ะที่ได้มานะคะก็คือจริงๆขอถามสั้นๆเลยค่ะว่ า, าตัวเองแบบไม่มีแนวของตัวเองคือเหมือนลองผิดลองถูกอะค่ะเมื่อกี้มาทานันตอนนั่งสมาธิป่าไม่ทันค่ะมาคนสุดท้ายก็เลยคิดว่าอยากจะขอคาแนะนำมาค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ไป เข้าเน็ตนะแล้วก็ s a u d com น ะ, ะแล้วก็ดังตร d a มันจะมีแนวทางคือนั่งสมาธิเนี่ยฟังไปด้วยแล้วก็ทําตามไปด้วยลองทําแบบนั้นดูอันนี้มันยังงงๆอยู่นะลองลองแบบที่ว่ามีเสียงไกด์ไปด้วยแล้วเราก็ทําตามไปด้วยมันน่าจะช่วยได้ค่ะเพราะลองมาหลายอย่างแบบบางทีนั่งสมาธิมันก็จะที่หลายอย่างก็จริงแต่ว่าแต่ละแต่ละอย่างเนี่ย มาแล้วอาการทางใจมันเหมือนกันหมดมันทำแบบงง ง, งมันมันทำแบบไม่แน่ไม่นอนนะพอมีเหตุผลั้ยคะอันนี้คือเป็นเพราะตัวเราเองหรือเหตุผลเพราะว่าเรายังไม่ชัดเจนคือเราถ้าเรายังไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะยังไม่ปักใจมันลองผิดลองถูกอ่อนี่ลองลองไปดูนะ c l o u d c o m ์คอมสลับดังทรนให้ทำตามนั้นก่อนนะคะจะ โอเคจ้ะโอเคครับขอบคุณมากที่มาดูครับ